อาจารย์พรท่านสาธาชนท่านที่ไข่บุญไข่ผสมเนี่ยอาจารย์พรพิไลเข้ามาก่อ น, นอาจรย์พรกรรมวุฒิการพระอาจารย์ค่ะอ่ะัเไงสบายดีนะกรมการพระอาจารย์ครับสบายดีพระอาจารย์สบายดีนะคะสบายดี ค่ะวันนี้เข้ามารับฟังค่ะโอเคงั้นไปที่ท่านต่อไปคุณสอพระชนาใช่ค่ะกรนวัตจาการพระอาจารย์ค่ะวันนี้ขึ้นบายคนหลางคุณชายเพิ่งกลับมาค่ะพระอาจารย์มาถึงบ้านประมาณหกโมงค่ะพระอาจารย์ก็ก็ขึ้นขึ้นไปแล้วก็ได้ชง ขึ้นไปวันอังคารใช่ไหมครับวัดวัดติดทั่วไปถึงประมาณ11โมงแต่ว่าวันพุธก็เลยออกจากจาะที่พักตั้งแต่ตีสี่ึ่งก็เลยได้ไ ด, ได้ได้พบท่านพระอาจารย์ก็ได้ท่านได้เทศแล้วก็ได้สนทนากับท่านก็สรุปว่าท่านก็ท่านใจดีนะคะท่านดูแต่ใจดีแล้วก็อ น, นุญาตให้ไปพักได้ทั้งสองคนเลยก็เดี๋ยวว่าจะไปวันเดินมกุลลาครัอาจารย์ก็ได้เรียนกราบท่านเรียบร้อยก็ดียินดีด้วย ท่นใจดีด้วยแล้วก็แล้วเขาบอกว่าท่านเป็นสหายทำพระอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็เจอคุณเควนนะคะที่นี้เขาเรียกเขาว่าคุณเวียดนามก็เขาบอกว่าเขาฝากบอกพระอาจารย์ว่าเขาอยู่ที่นั่นสบายดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะกลับเขาอาจจะกลับวันที่ยี่สิบเพื่อนก็เลยโชคดีพระอาจารย์ได้กลายเป็นทานสเลเตอร์คือพระพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์นีพลให้ช่วยแปลช่วยแปลให้คุณเควนฟังก็เลยได้ได้อันดึงที่มันจะ คือได้ได้แปลมันก็เลยทําให้มันเข้าไปในใจเราอันหนึ่งก็คือท่านพูดถึงพระอาจารนิพนพูดถึงเรื่องของสัญญากับความจริงอะ่ะเพราะว่าคุณควรเขาจะเขาบอกว่าเขาไม่อยากกลับแต่ว่าเขาสัญญาไว้กับที่บ้านว่าต้องกลับเดือนธันวาคอนซิสมัสก็ก็รู้สึกดีค่ะอาจารย์ตั้งตั้งใจตั้งตั้งใจไปเพราะว่ากได้เรียนกับพระอาจารย์ว่าเนี่ยจะมาตั้งใจในการทํา วันนี้แบบเพิ่งกลับมาพอาจารย์ขับคนเดียวคครับนนะคะเคเมีคำถามอะไรไหมวันนี้ น, นี้ยังผมเพิ่งกลับมายังไม่มีครับพระอาจารย์ก็เดี๋ยวทําสติสมาธิแล้วก็ปัญญาต่อเพราะว่าพอเข้าใจทางตรงนี้ครับพระอาจารย์เดี๋ยวทําให้เยอะๆก่อนเดี๋ยวที่หน้า่อยมาถาม อ, ม อ, าอมือันนี้ลองปรับภาพหน่อยเงินใกล้เ โอเคไม่มีอะไรใช่ไหมไปไปไปอยู่บนเขามาเป็นยังไงบ้างา อ, อ๋ไปอยู่บนเขาเนี่ยก็ทําให้พอเราโฟกัสคือพยายามโฟกัสเนี่ยสติเนี่ยมันจะจะโฟกัสเรื่องสติกับเรื่องของเรื่องของการวิจารณาเรื่องของปัญญานะค ะ, ะอาจารย์รู้สึกว่ามันทําให้เราเข้าสมาธิอาจจะไม่ได้เข้าง่ายทุกครั้งนะค่ะอาจารย์แต่ว่ามันเข้าง่ายขึ้นแล้วก็อยู่ได้นานึ้นบางทีเข้าง่ายนีย่คือบางทีมันเหมือนกับว่าพอเราอยู่ทั้งเจ็ดวันใช่ไหมคะ มันเหมือนมันเหมือนบางทีเราเข้าปุ๊บมันก็เข้าได้เลยอ่ะพระอาจารย์ก็รู้สึกดีก็กะว่าจะเอากลับมาตรงเนี้ยที่บ้านค่ะจะกลับมาทำํำพอดีสองวันนี้ก็ับนั่งสมาธินะครับอาจารย์แต่ว่าบางทีมันขับรถเยอะมันก็จะมันอาจจะเหลือแค่ตอนเช้าอ่ะตอนเย็นพระอาจารย์แต่กลับที่บ้านเนี่ยจะกลับสี่สี่เวลาเหมือนเดิมค่ะ <Okay. S 2> แต่รู้สึกยายามไม่ดีขึ้นอ่าพยายามอะไรครับอาจารย์อย่าประมาทอย่าช่าใจนฮ อ, อย่าคิดว่าเก่งเอาไม่คิด <laughs> ทำไปเรื่อยๆให้มันทำงนานโอเคนะอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยค่ะเยินไปที่คุณมาลิกาเชิญคุณมาลิกาได้ละคุยพูดได้เลยฮะพูดได้โอเคถ้าทุ่นอยู่ที่ไหนห <laughs> นูหนูกลับมาอยู่ที่ ลางแง่เลยค่ะตอนนี้ก็อยู่อยู่ตามลาพังก็ยอยู่ในบ้านกนอย่า <นะ S 1> งเดียวก็ถามคุณศาสตราจ า, ารย์ก็ก็มาอยู่ที่นี่นะก็ก็ที่ท น, นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนจังหวัดนราธิวาสค่ะหนูมาอยู่ลางแง่กลับมาลเงแง่แล้วหนูไม่อยู่สุขินแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าจา ก, กเกษียณแล้วนะคะเพราะว่าก็า ก็ไม right? ่ค okay. like ุ้นชินนะคะพระอาจารย์เพราะว่าพอเราอยู่สุขดินได้รู้สึกว่าการปฏิบัติของเรามันก็ดีหมายว่าเวลาเรานั่งสมาธิเรารู้สึกว่ามันก็โอเคแต่พอมาอยู่ที่นี่มีความกลัวค่ะพระอาจารย์พอนั่งสมา a d h ไปแล้วก็เกิดความหวาดกลัวค่ะพระอาจารย์ดังนั้นขอกลัวอะไรแล้วไม่นั่งไม่กลัวแล้วนั่งไปกลัวอะไรใช่ค่ะพระอาจารย์พอพอ nang พอหลับตาเรารู้สึกว่ามันกลัวๆอะไรมันไม่มีอะไรน่ากลัวไม่มีอะไรน่ากลัว แต่ก็อาจารย์นั่นตีก็ไม่รู้ว่าอะไรรู้แล้ว ก, ว ก, วกวลัวกลัวตัวเราเหรอครัอาจารย์หรือว่ากลัวกลัวหลายอย่างเพราะว่าอยู่ที่นี่เราเราไม่คุ้นชินกับที่นี่ด้วยเลยลักษณะอย่างนั้นครับ <Female. S 1> อาจารย์กลัวก็พูดโธพูดโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดเหงือะไรค่ะอาจารย์เวลากลัวก็ต้องพูดโธพูดโธพูดโทไปใหญ่เราหลอกเราตัวเราเอง เราใช้พุโทโธเยื่อมันค่ะพ่อจันเอ่อทำไมตอนนี้ไม่กลัวค่ะเวนั่งหลับตาหน่อยกลัวเวลานอนหลับไม่กลัวไม่ก ล, ลัวเราไม่ได้มันหลอกเราเไม่มีอะไรน่ากลัวมันไม่แต่ว่าเวลานั่งแล้วก็กลัวกลัวกลัวแล้วแล้วก็มันฟุง้งมันคิดเดีวนั่งเฉยๆเดี๋ยวนั่งแล้วเราพูโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆ ถ้ามีพุโทโธอยู่ก็เรื่อมไม่กลัวแล้วไม่ฟุ้งด้วยนะต้องขยันพุโทโธนะท่าน่นสมาธิอย่านอย่าขี้เกียจพุโทโธคำถามอื่นไม่มีนะคะพระอาจารย์โอเคสาทุเจ้าค่ะพระอาจารย์สาทุเงินไปที่ท่านต่อไปนะค่ะมีเวนเดอร์โมนีเคียวไม่ทราบมาจากที่ไหนเขาเขายัางไม่คอนเน็กเสียเข้ามา พระโมนีพระบุญ <Yeah. S 1> ีเอ็นไปที่คุณแม่ก่อนเนะคุณแมนครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอยู่กอธมอใช่ไหมอ่ใช่ครับกอธรรมอรแถวบางนาะสมุทรปราการครับอาจารย์ครับว่ามามีอะไรครับก็จะเ ร, เรียนถามนิดนึงครับก็อย่างที่บอกก็ต้องปฏิบัติได้จริงจริงกลางวันสองค่ำอาทิตย์เนี่ยครับ คือเวลานั่งเนี่ยครับพระอาจารย์มันก็ได้แค่เรียกว่าจะเรียกว่าสมาธิเลยครับอาจารย์เรียกว่าประคองสติให้มันให้มันมีสติรู้อยู่นะครับเบื้องต้นทําได้แค่เนี้ยแล้วอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยทําได้แค่เนี้ยยังสมาธิเรายังเข้าไม่ลึกเนี่ยเราจะเข้าใจธรรมได้จริงจริงไหมครับเช่นเช่น มือนเรข้าใ้ได้ครับเข้าใจได้แต่มันเอาไปใช้หยุดกิเลสไม่ได้ครับเหมือนเวลาเจ็บมันปวดพยายามไปคิดว่าเออมันก็ไม่ใช่เราเออมันเย็นไม่ได้ใช่แต่เราหยุดมันไม่ได้เราทนไม่ได้ครับใช่อยูเฉยๆก็มันไม่ได้ก็กิเลสมันไม่อยากอยู่ด้วยนั่นต้องฝึกสมาธิให้มากกว่านี้ฝึกสติให้มากกว่านี้ ที่มันเข้าไม่ลึกเพราะมสติมันมีน้อยไม่พอครับต้องพยายามฝึกสติทั้งวันเลยอาจจะต้องแบบไปอยู่วัดจริงจังสักช่วงใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าจะเริ่มใหม่ๆใช่เราไปอยู่วัดแล้วก็ใช้เวลาทั้งวันเลยฝึกสติแล้วก็นั่งสมาธิไปครับครับจะลองหาเวลาครับอาจารย์สติมันมีมีน้อย ไไม่ด้ครับอยู่ทํางานก็ที่บ้านมันฝึกสติไม่ได้ครับต้องไปอยู่คนเดียวครับแล้วเรียนถามอีกเรื่องครับอาจารย์ครับเวลาเรานั่งไปเมื่อยมากๆเนี่ยมันมันมันเป็นตัวกิเลสหรือเป็นอะไรมาหลอกเราหรือเปล่าครับเพราะว่าเหมือนเซ็ตไว้ว่าหึงชั่วโมงเนี่ยแล้วมันจะปวดช่วงห้าสิบห้านาทีเนี่ยตลอดเลยแต่พอออกมามันอืเป็นเป็นเรื่องของร่างกายเนี่ยมันนั่งไปนานมันก็ปวดเมื่อยเป็นธรรมดาครับ เราประกอบกับเราไปกําหนดเวลาแจ้เงเรื่องมันก็เลยยิ่งทําให้มันเกิดความปวดมากขึ้นว่าใจมันอยากจะออกครับพอตอนเรียนประจันโงงคือสุดท้ายมันก็มันก็หลุดออกมาเพราะมันทนไม่ได้ครับแล้วมันก็จะมาตายอยู่ช่วงประมาณห้าสิบห้านาทีห้าสิบสามนาทีตลอดมันไม่ได้ครบชั่วโม ง, <อ>งส<ต>ักทีนะครั บ, <ต>รบเราไม่รักษาสติไหม คือมันมันมีแว็บหนึ่งมากลัวครับว่าถ้านั่งไปแล้วเดี๋ยวเราจะเจ็บไหมปวดไหมเราจะร่างกายมันจะแย่ไหมใช่เหรอคนก็นั่งกันเป็นหข้าวหชั่วโมงเขาเห็นเป็นอะไรก็สู้มันไปเลยได้ใช่ครับมันไม่ได้จะเป็นอยาไรในในร่างกายสู้ด้วยสตินั่งสู้ด้วยสติทานพุทโธครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองเลยครับตั้งแต่เช้าครับอย่างไงเอาลมให้ได้ครับนั่งเฉยๆดูลมเฉยๆมันอาจจะสู้ไม่ไหว ลองใช้<อ>พุทโ<อ>ธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโทธ อ, อย่า้อยหยุดนะครับครับคือลองลองแบบนั้นเหมือนกันครับอาจารย์แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือว่ามันรู้สึกมันหัวใจเต้นแบบเร็วมากหรือย่งไม่ต้องไปสนใจครับพุทโธให้มันขาดใจตาไปกับพุทโธนะไม่ต้องไปเอาอย่างนั้นเลยนะครับเออได้ครับอาจารย์เดี๋ยวลองดูพรุ่งนี้ครับขอบพระคุณครับให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวไม่ต้องไปเกีงวันการเล่าเลยต้งหมดครับครับขอบพระคุณครับ รบบเท่านี้ครับพายการครับขอบคุณครับการพันาอินหอินกล่าวในวกาลเจ้าค่ะพระอาจารย์เสียงดังไหมเจ้าค่ะดีใช้ได้้สัปดาห์ที่แล้วเผลอเผลอหลับไปเลยไม่ได้เข้าค่ะวันท้ายชั่วโมงแล้วก็เลยฟังข้างนอกอเอออมื่อครั้งที่ได้ฟังพระอาจารย์ตอนที่ ช่วงวันอาทิตย์นะคะพระอาจารย์ที่พระอาจารย์แสดงเทศเทศเรื่องการล่าสั่งโย น, นะเจ้าค่ะเสร็จแล้วก็ฟังพระอาจารย์ก็เหมือนกับว่าการฟังขบวนการข้ขอสั่งโยที่หนึ่งถึงสัง่งโยที่สิบเนี่ยเข้าใจมากขึ้นว่ามันมีขั้นของแต่ละขั้นแต่ละขั้นยังไงเสร็จแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามองเห็นมองเห็นว่าตัวเราเนี่ยเหมือนเหมือนหุ่นยนตนะคะพระอาจารย์หุ่นยนต์เรเป็นตุ๊กตาตัวหนึง่งพอฐานมันหมด มันมันร่างกายมันก็เหมือนเรียบเหมือนว่ า, ร, าร่างกายเราเป็นหุ่นยนต์พอทานทานหมดก็คือลมหายใจดับมันก็เป็นท่อนไม้อันหนึง่งอันนี้เหมือนกับเราเข้าใจเข้าใจคําที่พระอาจารย์เทศใช่ไหมเจ้าคะหรือว่าหรือว่าเข้าใจแ ต, แต่ปล่อยมัได้เปล่ามันเข้าใจแต่มั น, มนปล่อยมันได้เป่ค่ะยังถือตัวเราอยู่เปล่าอยนางถร่างกายเป็นตัวเราอยู่เปล่้าค่ะ ก็เพียนเพียนเพียนมากให้มากขึ้นนะเจ้าค่ะตอนนี้เพียงแต่ว่าเข้าใจว่าพอพอเราละได้มันก็เหมือนกับถ้าถ้าทั้งสี่อย่างที่พระอาจารย์ต้องอไม่ไปกัง<อ>วลกับร่างกายไม่กล้าไปทุกข์กับร่างกายค่หมอหมอบอกเป็นมะเร็ก็เ่าละกายไม่ใช่เราเป็นมะเร็งนะค่ะแล้วถ้าหมอบอกเป็นมะเ น, ะมนี็ยเราจะต้องเสกในใจอย่างไรครับเจ้าค่ะ ก็จะพยายามเปลี่ยนตรงนี้ให้มากขึ้นก็ค่ะก็น่างกายเป็นหุ่นไม่ใหญ่ก็คือต้องไม่ให้ไม่ไม่คือเหมือนกับไม่ไม่ให้ม่วุ่นวายใจไม่เดือดร้อนเป็นการเป็นความตายของร่างกายก็ค่ะถ้าใจตื่นเต้นตกใจอะีแสดงว่าไปยึดว่าเป็นร่างกายแลร่างกายเป็นเราแล้วก็ค่ะก็จะ จะเพียนจะเพียนให้มากขึ้นเ <Ừ. S 2> จ้าค่ะเข้าใจได้แต่เข้าใจแล้วต้องทําตามเข้าใจด้วยไม่เช่นเข้าใจอย่างต้อทําอีกอย่างหนึ่งเจ้าค่ะเวลานั่งกางเป็นอะไรก็วุ่นวายใจขึ้นมากินไม่ได้นอนไม่หกกมลับยุ่งจกกังวลอะไอันนี้ไม่ได้อันนี้แสดงว่าเข้าใจแต่ทําไม่ได้เข้าใจแต่ทำไม่ได้ไไดเจค่ะแต่ถ้ารู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้หมอบอกมันเร่งก็มาเร่ะ อะไรก็เป็นตายก็ตายแต่ใจเฉยๆเหมือนกับตอนที่ยังไม่ได้เจอหมอแต่ก็ไม่ได้ห้ามดูแลรักษาซ่อมมันได้ก็ซ่อมไปนะคะได้ไหมได้น้อยก็เลี้ยงของมันไปซ่อมไปแต่ใจเราไม่วิ่นวายไปกับมันซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็ไปแล้วะคะ่นะ ใครต้องเฉยตลอดเวลาก่อนจะดีก่อนจะรู้ข่าวว่าจะเป็นมะเร็งพอหลังจากรู้ขา่าวก็เฉยรักษาไปก็เฉยหายก็หายไม่หายก็เฉยเฉยตลอดเวลาไม่ได้ห้ามไม่ไ้รักษากยัางรักษาได้ก็รักษาไปแต่ไม่เป็นรู้นอกจากหายไม่หายจะจะตายไม่ตายมูตามความเป็นปจริงหายก็หาย ตายเข้าตายเนี่ยเข้าใจไหมเข้า huh. ค uh ่ะ huh. นี่ข้อนีสัญญอเข้อแรกนะกายาัทิถิติเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นตัวเราเราเป็นนร่างกายร่างกายเป็นเราเราบอกไม่ใช่ร่างกายเป็นหุ่นเราเป็นผู้แช่หุ่นเห็นไหม มันผู้สัง่งให้มันยกแขนยกขาให้มันพูดให้มันเดินไปหนหนไหนาไหนถ้าไม่มีเราร่างกายมันก็นั่งตรงนั้นแหะมันไม่ขยันเพราะไม่มีลรามาเป็นคนสั่งเนีโอเคอเค่ะสาธุเจ้าค่ะอาจารย์ของเรามาลองทำนึง<อ>น่ง<อ>นะคะเวลาอะไรมาแต่ต้องร่างกายจะเป็นยังไง มดขึ้นมดเก่าอะไรคันตรงนั้นคันตรงนี้อยู่แล้วไหว้หมันคันไม่ได้เลยเคยเคยในเจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนแต่ว่าถ้าถ้าสมมุติว่าปกติเวลาเวลาเรารู้สึกคันเนี่ยถ้าเราเก่ามันยิ่งคันแต่ถ้าเราปล่อยมันให้มันแบบพักๆหนึงมันก็จะหายไปเองค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์นั่นแหละมันก็ไม่เที่ยงใช่หไหมทุกอย่างไม่เที่ยงนะคะ มันมันไม่ใช่เรามันจะคันเข้าไปมันคันไปเลยเรารูรู้เขรู้ไปรู้ว่ามันคันถ้าประหยัิเก่าอันนี้แสดงว่ามันอยังคิดว่าเราเป็นร่างกายข้าพะจเข้าก็ก็ลองดูเหมือนกันนะคะพระสารเวลาสมมติว่ามันเกิดอาการคันขึ้นมาถ้าเราปล่อยมันสักพักหนึ่งมันก็จะหายไป ก็แปลว่าถ้าเราไม่ไปกระตุ้นมันหรือเราไม่ไปสนใจมันมันจะหยุดมันจะหมดของมันไปเองนะค่ะสูกเจ้าคาพระอาจารย์โอเคสถูกเจ้าขาอื่เ็นคุณภูมิพัฒร์ต่อคุณภูมิพัฒร์อยู่ที่ไหนนรมสการครับตระอาจารย์อยู่ที่ไหนเอ่ยแล้วขอมาถมครับอ่ามีคำถามอะไรไ้มมีครับาว่ามา คือสมมุติว่าตอนเนี้ยครับมีแบบมีการเปลี่ยนเบอร์ทําไมต้องมีการเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนชื่อครับอาจารย์ไม่เข้าใจพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยคือสมมุติว่าหมายถึงว่าเป็นดวงครับถ้าเกิดไม่เปลี่ยนเบอร์นู้นดวงก็จะไม่ดีเข้ามาผิด <warrior> ช่องช่องนี้ไม่ไ <autobi> ด <ography> ้พูดถึงเรื่องดวงพูดถึงเรื่องกรรมอ๋อครับเข้ามาผิดช่องแล้วเรื่องดวงไม่รู้เรื่องตอบไม่ได้ตอบแต่ ดีชั่วอยู่ที่การกระทําของเราไม่ได้อยู่ที่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์อ๋อครับถ้าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์แล้วยังกินเหล้าเมายังขโมยคนเคนนงินของคนอดินอยู่มันก็ยังชั่วเหมือนเดิมอ๋อครับถ้าอยากเปลี่ยนเปลี่ยนให้ดีก็อย่า ก, กินเหล้าอยาอ่าโกหกอย่าขโมยเงินของคนอื่นอย่าโกงเงินของคนอื่นอย่างเงี้ย ห, ยหรืรออย่าเป็นอยจะเป็นดวงดีกันมาได้เป็นคนดีกันมาได้อ๋อครับ นะอันนี้เข้ามาปิดเจ้าเมื่อบหเนี่ยไม่ได้พูดถึงดวงอะไรที่เนี่ยตั้งแต่เริ่มมานี้ยนะอ๋ขอครับะอาจารย์เข้าใจครับเข้าใจครับโอเคมีอะไรไหมไม่มีแล้วครับพอาจารย์ไม่ต้องไปไม่ต้องไปกังวลเปลี่ยนมาก็เปลี่ยนไปชื่อเปลี่ยนไม่เปลี่ยน ม, มันก็เหมือนเดิมมันไม่ได้อยู่ที่ชื่อมันเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมันคนคนคนเกา่าไป็หมาคนเกา่าก็ยังเป็นคนเก่าอยูน่นะ <c oughs> <c oughs> จะเปลี่ยนคนต้องเปลี่ยนที่พฤติกรรมการกระทากายวาจาใจอ๋อโอเคครับอาจารย์ครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมไม่เล่งเดี๋ยวมีคำถามแน่ครับอได้เชิญนะครับท่านต่อไปคุณทวิษาจากสวิสเซอร์แลานด์ทวิสาเชัญ นมัส ก, การค่ะท่านพระอาจารย์เป็นยังไงบ้างวันนี้ค่ะวันนี้ยมมีคําถามค่ะพระอาจารย์คือต่อจากอ่ายมท่านผู้ชายก่อนหน้า น, นั้นที่พูดถึงเรื่องว่าเข้าเข้าสมาธิได้ไม่ลึกเพราะว่าพระอาจารย์ตอบไปแล้วว่าเพราะสติยังไม่ดีพอทีนี้ยมมีตอบว่าช่วงนี้ยมนั่งแล้วทีนี้มันอคล้ายๆแบบ มันมันยังไม่ได้ยังไม่เลือกอะค่ะพระอาจารย์มันยมคิดว่ามันยังไม่ได้เข้าอัปปนาค่ะพรแต่มันรู้สึกนิ่งอึงนานแล้วก็แล้วก็เหมือนเหมือนแต่มันปวดมันก็ไม่ปวดแต่แต่จะพูดยังไงพระอาจารย์คือมันอยู่อย่างนั้นนะคะพระอาจารย์แล้วมันก็ไม่โยอมมาถูกทางไหมคะหรือยอมก็เลยคิดว่าแล้วมันก็ไม่ถอนด้วยค่ะพระอาจารย์มันก็ไม่ออกด้วยค่ะ แล้วจบบรรยากแต่มันยังเข้าไปไม่เต็มที่เข้าไปครึ่งตัวอใจยังนํานูเริ่มเสียงเรื่องนั่งกายอยู่ใช่ไหมค่ะรับรู้ค่ะพระอาจารย์มันเข้าไปแบบสุดๆมันนั่งกายก็หายไปเลยแต่มันก็เลยยมยมก็เลยมีคือเอ่ะคือพอพอมันนานเนรื่งยมไปเออมันมันนานแล้วนะยมก็แบบก็ เ, <ไป S 2> เลยว่าฟุตโธต่อไปฟุตโธต่อไปอย่าหยุดฟุตโต้ฟุตโธต่อไปถ้าใช้ฟุทโธ้ก็ฟุตโธต่อไป มา ด, ดูลมต่อไปดูดูลมค่ะพระอาจารย์แต่นิยมก็เลยคิดว่ามันยมก็เลยถ อ, อ, อนออกมาเองเลยค่ะพระอาจารย์นั่นและแสดงว่งหมดสติค่ะยมก็คือแบบคือคือมันมันยังไม่ออกแต่ยมแบบให้แบบว่ารู้สึกพอมันก็รู้สึกเกิดเป็นความลำคานใจขึ้นมาว่ามันอยู่ตรงนี้มันไปไปไหนอะค่ะไ ม, มไม่ดูลมต่อไม่ดูลมต่อไม่หยุดนะอ๋อมันก็หยุดงนั้นดงลมเป็นตัวดูลมเป็นตั ว, นตวนหน่งเราเข้าไป พอหยุดดูลมมันก็หยุดตรงนั้นเลยมันก็องต่อไปเสิอยาก็หยุดดูลมลยังมีอยู่ใช่ไมมยังจับลมได้อยู่ใช่ไหมค่ะยังจับได้อยู่ค่ะก็ดูลมต่อไปค่ะใหญดูลมค่ะก็คือเราก็ดูลมต่อไปจนมันจะนานเท่าไหร่ก็ช่างมันช่างมันดูไปเรื่อยๆจงกล่ามันจะวุบเข้าไปมันจะรู้เองอ๋อตอนนี้มันเข้าไปสุดแล้ว ใช่ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเคยอยู่ที่นี่ก็เอ๊ะมันช่วงมานี้มันมันจะมันจะติดตรงนี้ค่ะมันเอะมันอึงอยู่อย่างเงี้ยมันกับรถไปได้ครึ่งทางแล้วก็ปล่อยคันแรงไม่เหยียบคันแรงต่อมันมันต้องอยู่ตงนั้นเหมือนกันอื่งอ๋อค่ะพระอาจารย์เหมือนกับว่าสติเราหมดเราก็ต้องดูลมดึงเข้ามาใหม่ดึงเข้มาให่ไดเรื่อยๆอืมค่ะยายาทิ้งลมยาทิ้งลมได้ก็ตามว่าจิตมันวุบเข้าไปข้างใน เวลาวุบเนี่ยมันเหมือนตกจากที่สูงอะไรอย่างเงี้ยวุบลงไปคล้วก็เย็นสบายสงบใช่ค่ะมันก็จะแบบรู้สึกสบายแต่นี้มันมันยังไม่รู้สึกยังไม่สบายสบายค่ะมันยังรู้สึกแบบแปลกๆเมื่อวานแต่ยังไม่ยังไม่เต็มที่ค่ะป้าส้มไปกินข้าวก็ยังไม่อิ่มแต่มันแปลกๆมันยินต่อไปยินต่อไปค่ะมันไม่เหนว่าแต่มันยังมันยังไม่อิ่ม โยงหลังขึ้นทางใช่เลยค่ะอาจารย์ประมาณนั้นค่ะคือไม่หิวแต่ก็ยังไม่อิ่มแต่มันก็ยังเอออยู่ต้องกินต่อไปดูลงต่อไปค่ะอาจารย์ค่ะแด่โยงหลังตอนนี้อยู่บ้านไม่ได้อยู่ที่วิเวกอยู่ที่บ้านค่ะพระอาจารย์ค่ะก็คือหยุดทุกวันพูดเหมือนเดิมทําวันพุธที่เป็นวันภากเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ยังไปขายของที่ร้านอยู่เหมือนเดิมเนี่ย ค่ะก็คือเปิดก็คือวันจันทร์วันอังคารแล้วก็พฤหัสสุดแต่ตอนนี้ก็จะพยายามไม่ไม่ทํางานช่วงเช้าค่ะพระอาจก็คือคือจะปรับเปลี่ยนใหม่คือว่าคือแบบจะทําเฉพาะช่วงบ่ายคระอาจารย์ที่เริ่มเริ่มเริ่มขยับขยับออกมาก่อนค่ะพระอาจารย์ขายอะไรบอกได้ไหมคะขายอะไรอ๋อโยมเปิดร้านนวดค่ะพระอาจารย์นวดสำหรับผีค่ะสปาอะไรที่แ ใช่ค่ะพระอาจารย์ว่าแผนไทยเทนล่าเป็นกายภาพบาบัดค่ะพระอาจารย์เราไม่ลูกจ้างหรือเราเป็นคนนวดเองเมื่อก่อนมีค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้จ้างแล้วค่ะอาจารย์คนน้อยอแขกน้อยแขกเยอะค่ะพระอาจารย์แต่แต่ไม่มีคนมาทําอ <laughs> ก็อต้องเป็นคนไทยใช่ไที่จ้างเมื่อก่อนค่ะต้องเป็นคนไทยค่ะก็เลยแบบเป็นนวดไทยก็ไม่ไม่ค่อย ม, มีไม่มคนไม่มีคนมาทํา คนที่อยากมาทํามันก็มันก็ยังไม่ใช่ะค่ะพระอาจารย์ก็เลย <ừ> mm. เอาก็ทําตามตามที่พอได้ทํำไปก่อนรับได้เท่าไหนก็เท่า น, นัา้า น, านค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะก็พยายามแต่โยมก็พยายามลดลดการทํางานลงมาเรื่อยๆออค่ะพระอาจารย์อ่าไม่ใช้เงินน้อยลงๆไม่ต้องหาเหงินมากค่ะพระอาจารย์คถ้าอยู่แบบสมถะเรียบง่ายก็อย่าไม่ใช้ไม่ต้องใช้เงินมากค่ะ อย่าไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไซื้อของไม่จําเป็นซื้อแต่ของจําเป็นรายได้ก็ไม่ต้องหามากถ้ารายจ่ายน้อยรายก็ไม่ต้องไปหารายได้มากๆได้มีเวลาปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นค่ะตามทีม่พระอาจารย์เคยเทศไว้อ่ะครับเอาทำแค่พอเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็พอช่วยเหลือเอ่อ คอบคัวได้บ้างเอาก็แค่นั้นพอไม่ต้องไปอยากเลิ่มอยากรวยคือตอนนี้โยมก็เลยหันมาคิดตรงนี้ใหม่แหละค่ะอาจารย์ก็เลย<ะ>ก็เลยพอใจอยู่ตรงแค่นี้ค่ะอาจารย์ปรับแผนชีวิตใหม่ค่ะอาจารย์ปร ไ, ปไปเข้าไปไม่ได้ไให้คิดถึงในหนึ่งเรื่องเอาเอาเอ า, เอาธรรมะไปดีกว่าธรรมะลดทั้นธรรมะลดทั้งปวง เอาไปได้เขอยื่นหรือเอาไปไม่ได้ค่ะจ้ะโอเคนะค่ะกับขอบพระคุณค่ะยังต่อไปพยายามฝึกสติให้มากนะเวลาไม่นั่งก็ต้องมีสติเนี่ยปล่อยให้ใจลอยให้อยู่กับเนื้อกับตัวและอยู่กับพุทโธนะค่ะค่ะสาธุค่ะโันต่อไปคุณวิไลพร อยูที่ไหนอะไม่รู้ออนกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่กรุงเทพค่ะพุทธมณฑลสายสองค่ะพระอาจารย์อ่าว่าไงพอดีหายไปสองสมอาทิตย์ค่ะพระอาจารย์ไปใช้สิทธิ์เอเที่ยวด้วยกันนะคะก็เลยวันนี้มีมีเวลาเลยเข้ามากลับพระอาจารย์ค่ะทำไมต้องไปใช้สิทธิ์เที่ยวเลยถูกมากค่ะพระอาจารย์ถูกวเคงบินก็ถูกโรงแรมก็ถูกค่ะพระอาจารย์คะยมมีเอ่อ ปัญหาถามพระอาจารย์นิดนึงค่ะตอนตอนที่โยมนั่งสมาธิอะค่ะพระอาจารย์โยมใชส้สองอย่างคือใช้ดูลมแล้วก็ใช้พุทโธด้วยแต่ครั้งหลังโยมมีความรู้สึกว่าโยมเข้าสมาธิได้ค่อนข้างไวอะค่ะเหมือนกับว่าแต่พอเวลาพอยมมีสมาธิแล้วพระอาจารย์โยมจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันจะมีแบบคล้ายๆกับความสว่างอะค่ะแล้วก็เป็นเป็นความสว่างที่เหมือนกับจะเป็นเหมือนกับตื้อๆพระอาจารย์เหมือนเหมือนเป็น มันมันโยมพูดไม่ถูกว่ามันจะคล้ายๆกระแสนะค่ะแล้วก็เราจะได้ยินเสียงมันอยู่ใกล้หูมากถึงว่าพัดลมอยู่ข้างล่างนี่ใช่ไหมคะพระอาจารย์ปกติแล้วก็คือจะจะได้ยินแบบแบบปกติผ่านๆนะคะแต่พอเวลาเรามีสมาธิเสียงพัดลมมันวูวูวอยู่ข้างหูเราเนี่ยพระอาจารย์แล้วแบบแล้วยอมยมโยมเคยแบบว่าพอจริงๆเราเราเราต้องดูลมแล้วก็พุทโธใช่ไหมคะแล้วถ้าเราเผลอหลุดอะพระอาจารย์แบบหลุดไปตาม ตามแสงอะ่ะแบบคือไปรู้ไปดูมันนะพระอาจารย์โยมจะแบบเคยอยู่ในนิมิตแล้วที่ว่าขาดอากาศหายใจแล้วเหมือนกําลังจะตายแล้วมีทุกอย่างเสียงดับหมดอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาครั้งเนี้ยโยมโยมก็จะนึกถึงคําพระอาจารย์ว่าต้องอยู่กับพุทโธแล้วก็ดูลมโยมก็พยายามดึงตัวเองกลับมาแล้วก็ให้พุทโธค่ะดูล ม, มค่ะพระอาจารย์แล้วก็ความรู้สึกมันก็จะกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างนี้โยมทําถูกใช่ไหมคะถูกแล้วอย่าไปตามรู้อะไรทั้งหมดให้อยู่กับลมกับพุทโธ ไปเพียอย่างเดียวมันมันจะไม่เหมือนเราเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมคะอาจารย์ก็เหมือนนะเพราะเราเผลอไปแล้วเนี่ยใช่ใช่เราเผลอไปแล้วก็ต้องเรินมันกลับมาใหม่เราที่แมันไม่ได้กลับไปที่ศูนย์เนี่ยแต่มันกลับมาที่ตรงที่เราเราเผลอน่ะอ๋อค่ะอาจารย์ทํามาทําต่อโอเคค่ะก็ยมทําถูกแล้วเพราะว่าเพราะว่าพอถ้ายมไม่ต่อเนี่ยไม่ต่อเนี่ยเผลอหยุดไปเที่ยวไปเกเรมันไมเที่ยวไปเที่ยวครึ่งคนละครึ่งเนี่ย นน<ช>ได <ป S 2> ้คนะยอมก็รักขึ้นไงนะใช่ค่ะยอมรังมาได้อ่ะยมก็คิดเอะแล้วยมทําถูกไหมแบบดึงดึงตัวเองกลับมาไม่แบบหลุดไปอีกเงี้ยค่ะตอนที่ยมหลุดไปนี่ยมที่เคยเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่ายมตกใจมากแบบรู้เลยว่าความกลัวความตกใจสุดขีดเป็นไงวิ่งอยู่ในสมาธิแล้วก็ดีที่ว่ายมได้ยินเสียงพระอาจารย์ได้ยินเสียงพระอาจารย์บอกว่าอให้ดูลมพูดโธด้วยพูดโทด้วยทําได้ยินเสียงพระอาจารย์นะคะยมก็ มีความรู้สึกตัวแล้วก็กลับมาพูดโทแล้วก็ทุกอย่างก็เสียงเข้ามาหมดเลยอ่าอ่าน่ามีอะไรเป็นเครื่องยื่นเนี่ยจิตใจใช่ค่ ะ, ะตามตามนีมิตต่างๆนี่จ ะ, จะถูกใช่ค่ะน่ากลัวมันเหมือนกับเราเราไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆเลยค่ะพระอาจารย์น่ากลัวมากค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วมีอีกทีหนึ่งแล้วก็โยมขับรถ ไปอเอเอเอเดอะอยุธยาแล้วขากลับใช่ไหมคะแล้วระหว่างขับรถนะคะโยมมีตะคิวโยมโยมเกิดตะคิวที่ที่เท้าแล้วโยมพยายามแบบจะทําที่พระอาจารย์สอนคือว่าเราจะไม่แยกความรู้สึกไปจับกับตะคิวอ่ะพระอาจารย์มันทําไม่ได้โยมก็แบบทรมานมากจะทํายังไงดีโยมก็ต้องตบตบไฟแล้วก็หลบหลบเข้าเข้าข้างทางแล้วก็นอนวนสักพักหนึ่งมันทำไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ เราก็ยังรับรู้ความที่มันเป็นตะคิวที่เท้าอ่ะค่ะถ้าอไม่ได้ก็ต้องต้องรักษ า, ามันไปดูแลไปใช่ค่ะแต่ที่ดีแล้วเราควรจะพยายามอย่าไปรู้สึกตรงนั้นไปค่ะพะอาจารย์ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆอย่างนี้อีกก็บางทีมันก็เป็นของที่มันสุดวิสัยที่เราจะไปไม่ได้ไปไม่ได้เราก็ต้องมานวดมันมาคลายมันแล้วก็เป็นบางทีแล้วก็เป็นทรามานก็ขับรถอยู่ด้วยพระอาจารย์แบบตกใจมากเราคิดว่าเราต้องรีบจอะรถแล้วก็ ไม่สติค่อยค่อยทําใจให้เฉยๆแล้วก็ดูว่านวดมันได้หรือเปล่าบีบอะมันได้เปล่ใช่คะ่ะใช่ค่ะพระอาจารย์แต่ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจไม่ค่ะแต่แค่แค่ว่ารู้สึกว่ามันมันเจ็บพยายามจะไม่เอาความรู้สึกไปจับตรงนั้นแต่ทําไม่ได้่็ก็รู้สึกได้แต่อย่าไปวุ่นวายค่ะไปตกใจค่ะค่ะพระอาจารย์ เป็นนี้สองรอบแล้วค่ะเพิ่งเ <Okay. S 2> พิ่งไปงานกระถิน่นที่วัดมาเหยงนะคะ่ะแล้วค่ะกลับแบบแบบแบบตะคิวมา แ, แบบน่ากลัวมาบางทีเราอยู่ในท่าไหนานานๆมันก็จะเป็นตะคิวขึ้นมาได้ใช่ค่ ะ, ะค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะเดี๋ยววนันเด ว, วันเสาร์ไปใส่บาตพระอาจารย์ที่ที่ชนบุรีนะคะ <Okay. S 2> ที่ตลาดานะคะ่ะอาค่ะกลับน้ำกลับกลับขอบคุณพระอาจารย์ค่ะอาจารย์อาจารย์คนานต่อคุณนาน บบนอุยตอทานนี้การละมัศการอาจารย์คะค่ะมางไงมีอะไรไหมวันนี้มีข้าวทามค่ ะ, ะตั้งแต่เข้าโซมาค่ะคือหนู ก, ก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งที่ที่จะที่จะกล่าวนามัสการพราาะอาจารย์ค่ะตื่นเต้นมากกว่าเจอดาราค่ะคือแบบว่าหัวใจมันเต้นตลอดเลยค่ะแล้วหนูก็พยายามเอาพุดโธพุดโธให้มันให้มันไม่ตื่นเต้นนะคะ คือไม่ได้กลัวนะคะแต่เหมือนมันดีใจแล้วแล้วเราก็ดีใจอยู่อย่างเนี้ค่ะซึ่งมันไม่สงบเลยอะค่ะเราเราควรทำํำยังไงดีคะเราพยายามพุโทโธพุโทโธไปทำพุโทโธพุโทโธไปเวลาใจมันไม่นิ่นไม่สงบก็พุโทโธพุโทโธไปอ๋อค่ะอย่าส่งใจเรออกไปข้างนอกไม่เดินมาเข้าไปข้างในอือได้ของข้างนอกเข้ามาหาใจใจอย่าอย่าวิ่วออกไปหามัน ใจอยู่ข้างในแล้วรับรู้ข้างในเข้าม่เป็นไงถ้าใจอยู่ไม่อยู่ข้างในแล้วรับรู้รูปเสียงขิดรดมันก็เฉยเฉยได้ถ้าสง่งมปหลอกมามันก็ไปตื่นเต้นดีใจเสียใจยแ้่รูปที่มันเห็นเนาะเราใช้สติคอยดึง ม, มัอยพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธพุทโธไไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรก็เหมือนกันถ้าใจเราไม่เป็นปกติก็ใช้พุทโธได้ เต้นเต้นตกใจดีใจเสียใจอะไรเงี้ยพุทโธพุทโธเดี๋ยวดับมันได้แล้วหมานถ้ามันเต้นแรงๆอย่างนี้ครตึกดตึเลยมันไม่สนใจให้อยู่กับพุทโธไปอย่างเดียอะค่มแสดงว่ามันมันมันมันมันตืเต้นมากมันก็เต้นใช่ค่ะตึ่นเต้นมากๆค่ะเดี๋ยวก็ทับใจให้มันนี่มันก็หายอืมค่ะแต่เหมือนถ้าแบบว่า ผ่านคิวตัวเองไปแล้วก็หายค่ะแต่พอตอนถึงเต้นก็จะตื่นเต้นมากคะ่ะเราะว่าอยากกล่าวนมัธการพนักงานมาค่ะแล้วว่าพอถึงคิวปุ๊บก็จะตื่นเต้นอย่างเงี้คยค่ะแล้วแลอีกเรื่องหนึ่งค่ะอย่างว่าอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะพี่คนหนึ่งที่เขาบอกว่าเวลาล้างจานก็ให้อยู่กับล้างจานอย่างเงี้คยค่ะถ้าหนูอยู่กับล้างจานหนูก็ล้างจานล้างจานล้างจานจนกว่าจะล้างจานเสร็จเลยละคะ่ะแล้วก็ท่องแต่ว่าล้างจานล้างจานล้างจานก็่าจะเสร็จเนี้ยละค่ะ อ่าเด็ใจไน่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อนะด้ว่าเรากำลังมีสตินย่แต่ว่าก็ได้นิดๆหน่อยๆพยายามทาไปเรื่อยๆไเรื่อยๆเลยช่ไหมพอไม่ได้นัางจานพอไปอ่าทำอย่างอื่นก็ให้อยู่กับหน้าที่เราต้องทำไป้ตอไปกินข้าวก็คือกินข้าวกินข้าวกินข้าวกินแต่กว่าเราจะกินข้าวเสร็จเลยใช่ไ้มคะกินข้าวเสร็จนั่งจานก็นั่งจานเสร็จเชิญจานอ่า เจ็บคอมอะไรก็อยู่กับงานที่เราทำไปตั้งแต่ยาวอว่าใส่คอนแทคเลนส์ซ้ายใส่คอนแทคเลนส์ขวาเราท่องไว้อย่างนี้เลยใช่ไหมคะท่องกัมไดาไม่ท่องกัได้ขอให้รู้ว่าเรากำลังทําอะไรเพื่อไม่ให้ใจเราไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ถ้ามีเรื่องจําเป็นจะต้องคิดแค่อยู่เฉยๆแล้วก็คิดให้พอถ้ามีธุระจะต้องคิดเรื่องอะไรก็ต ก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ยืนเช้นั่นงแช้นนกคิดคิดให้เสร็จเสร็จแล้วก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาทำอะไรต่อไปค่ะจะฝึกเพิ่มค่ะขอบคุณค่ะคุณเอกคุณเอกจากเชียงรายกลับนวสการีอาจารย์ครับผม วันนี้มีคำถามกับผลวงพอมิตาพระอาจารย์นะครับคื อ, อ, อผมกนั่งสมาธิก็ใช้คำภาวนาพุโทโธพุโทโธครับพระอาจารย์ก็เกิดปิติหลังจากนั้นก็เ อ, อมันก็จะเหลือแต่ลมเข้าไปเราก็อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปมันก็จะว่างตรงหน้า อ, อกเลยพระอาจารย์ไ อ, อ, อ, อตรงเนี้ที่มันเข้าไปมันก็หายใจก็ไม่ติดก็ก็ปลอดก็โปร่งเลยนะโป่งโลง่งตัวเบา อก็อยู่กับพุทโธไปมันก็มีความสุกลึกๆเงี้ยครับอาจารย์ตรงตรงที่เข้าไปตรงเนี้ยมันเป็นเอกเอเตคาตาลมหรือเปล่าครับเป็นเป็นหงหรือเปล่าครับยังพุทโธอยู่ยังไม่เป็นอ๋อพุทโธต้องหายไปเลยใช่ไหมครับอาจารย์มันต้องแบบลุบตกลงลงไปมันเดินเลื่อนโน้มลงไปอะไรเงี้ยมันมีทางลัทธิครับผมตอนนี้ตอนนี้อาจารย์เล็นแต่รู้อย่างเดียว สัตว์ก็รู้อย่างเดียววิโธก็หยุดไปโดยอัตโนมัติโอุ้โธพุทโธก็จะหายไปก็จะเหลือแต่ลมใช่ไหมลมที่เราจับไว้ที่ก็หายหมดทุกอย่างหายหมดถ้ามันถ้ามันรวมมันเข้าไปแล้วมันจะหายหมดโอหายหมดมันมันจะดับไปเลยใช่ไหมครับก็จะว่าดับก็ได้มันหายมันหายไปมันไม่อยู่ในใจเราใจเราเหลือเหลือเหลือตัวเดียวเมื่อไอคับตาลหมดเหลือแต่ตัวรู้ตัวเนี้ ครับผมันชื่อเอวงเนี่ยแล้วตัวคนเดียวนะครับเห็ดคาตาโมันหนึ่งแอว่งกันหนึ่งครับผมอารมณ์เดียวแล้วอารเดียวว่าคือรู้จรู้้รูอย่างเดียวอ่ารู้กับความว่ารู้อยู่กับความว่างไม่มีอะไรให้รู้อืมถ้ายังมีพูทโธอยู่นี่ก็ยังยังไม่ถึงนะฮะใช่ยังไม่รู้พราะพุทโธตอบมาถ้ามันจะพุทโธได้ก็ต้องพูทโธตอบมันเลย ครับผมครับผมอ๋อต้องลงไปเรือยอีกถึงถึงจะถึงมันต้องบุบลงไปวุบลงไปอืี่ครับผมบุบลงไปก็ปล่อยไปเลยใช่ไหมครับอ่อาก็รเฉยๆไปพองว่าาเราบางการเนงสมมติมันอะไรอืมครับเนื่แต่รู้อย่างเดียวนะมันอะไรก็แล้แต่รู้อย่างนะรู้ว่าทุกอย่างหายไปหมด้นื่องแต่รู้อย่างเนี้ยอ๋เอเนืแต่รู้อย่างเดียวอย่างอื่นหายหมดอ่าเพราะว่า ผมผมนั่งในคือมันก็จะเหลือคือมันเหมือนกับไม่มีร่างกายอยู่อาจารย์ก็เหลือแต่ลมอย่างเงี้ยเหลือแต่พุทโธพุทโธอย่างเงี้ยลมก็ร่างกายลมก็อยู่ที่ร่างกายครครับครับครับครับอืับครับผมรบกวนพิารณาครโทรต่อไปดูลมต่อไปครับผมครับผมครับผมกรับผมขอคุณพระอาจารย์ยิงสูงครับผมครับผมผมร้องถาม้วครับโอเคมีตอนนี้นะ คุณปรางต่อคุยปราว่าอะไรปรางว่าอะไรไม่มีคําถามเจ้าค่ะไม่มีคําถามธรรดาสัตย์ยินธรดาการ น, าานามัศการเจ้าค่ะไม่มีคําถามค่ะเข้ามารับฟังค่ะคอุ้มต่อจยากอกออยิงยังไปปากความครัวได้ยังนมัศการค่ะ ก็ไปลองเดินข้างนอกตอนกลางคืนเหมือนที่ผ้าอาจารย์แนะนําก็เดินได้ค่ะไม่ไม่สันใจไม่สันอะไรอะไก็ก้มดูทางเดินอย่างเดียวค่ะพระอาจารย์ก็ก็ท่องบริกรรมไปไม่สนใจอื่นค่ะงานเดินได้นานเท่าไหร่ประมาณสามสิบถึงชั่วโมงหนึ่งค่ะต้องต้องนานกว่านี้ใช่ไหมคะก็ยิ่งงานเท่าไหร่ได้ดี แบบเดินมันต้องมีสติเดิไม่เช่เดินไม่ใช่ดูไม่ได้เอาเวลาเอาสติใจเราไม่ไปลอยไปเรื่อนให้อยู่กับการเดินอย่างเดียวนั่นเป็นไงผลดีไหมันจากาการปฏิบัติผลจากการเดินหายกลัวไหมเริ่มหายกลัวไหมยังก็ก็จริงๆก็กล้าออกไปเดินก็น่าจะหายลดลงแล้วนะคะ ความกลัวก็ไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนค่ะจใช้ปัญญาตรงได้ไหมวะ อ, อย่างมากก็แค่ตายวะคือตรงทางเดินมันมีไฟอยู่แล้วอะค่ะพระาอาจารย์ถึงไม่เอาไปฉายไปด้วยมันก็สวา่างออกมาสว่างค่ะแต่ว่าก็เดินได้ค่ะก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรค่ะที่กลัวเมื่อกลัวอะไรเ่อไห เหมือนมันคิดไปเองอะค่ะค่ะค่ะพอเราไม่พยายามส่งจิตออกนอกมันก็เลยมันไม่ได้สร้างมันขึ้นมาค่ะมันก็ไม่กลัวถ้าสมมติไปจ่ายกับอะไรขึ้นมาเนี่ยไูเกิดเกินดยองว่าข้างทางอ่านั้นยังไม่รายังไม่เจอยังไม่เจอยังค่ะ ตอนนั้นก็ต้องพูดโทรพูดโทรอย่าอย่าไปเต้นเต้นตกใจเฉยเยืนเฉยเฉยไปค่ะถ้าเราอยู่เฉยมันไม่ทําได้หรอกค่ะถ้วเราไปขยับมันก็เหมันก็ที่ว่าเราเราจะไปทำได้มันก็อาจจะป้องกันตัวค่ะค่ะไปอยู่เมื่อกี่กี่วันนะคราวนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะค่ะเราอยากจะกลับไปไหม กลับไปได้ค่ะแ ต, แต่ไม่อยากใชแต่ถ้าบอกให้กลับก็กลับใช่ไหมไปได้ค่ะเดียวถ้าว่างก็ไปอีกค่ะอะคพยายามไปฝึกเรื่อยๆนะจิตใจจะได้ขึ้นแข็งขึ้นค่ะต้ออยู่ในที่ที่มันอน่ากลัวน่ากลัวหน่อยมันจะได้ปรับใจให้รับกับสิ่งที่มันอาจจะเป็นคลิปเป็นใจกับเราพอไปรอบที่สองแล้วมันมัน รู้สึกคุ้นเคยชินกับสถนทีน่แล้ ว, ว่ามันไม่ค่อยกลัวเหมือนรอบแรกรอบแรกมันน่ากลัวไปเนี่ยค่ะค่ะไหนก็ไม่เป็นไรก็ออกกันเดินข้างนอกเด็กๆตองเรออกกันเดินข้างนงอกกลางจมูกไปเ ด, เดินเดินตอนไหนเดินตอนวอกข้าไหค่ะเดินตอนตีสี่แล้วก็ประมาณห<อ>นึ่งค่ะแต่มันก็มืดแล้วนะคะอาจารย์ แต่กัไม่ได้ไปเดินค่ะเดินแค่กลางคืนไม่เป็นไรไม่กลัวว่าไม่เป็นไรขอให้ไม่ห่วงก็แล้วกัได้เดินเดินจะมได้นานๆเสร็จแล้วกลับมานั่งต่ออยากานอนอยากพึ่งกลับมานอน <c oughs> จะไ้กลับมานั่งต่อ <c oughs> ไม่ได้นอนค่ะนอน ใ, ให้น้อยเกินละสี่ห้าชั่วโมงก็พอเ้ค่ะจะพยายามค่ะว่าท่าค่ะ โอกาสนั้นดีเวลามีค่าจะไปใช้กับการนอนไม่รอกลับมาบ้านัำมานอนก็นได้อตอนนี้เรากำลังยสนาบฝึกซ้อมเอาเวลามาฝึกซ้อ ม, มเยอะๆ้อมบรรยากาศมันดีโอเคมีคำถามอะไรไหมไม่มีค่ะเดี๋ยวไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ค่ะ ค, ค่ะขอบพระคุณค่ะไปที่รักพลของคุณสาธกะ ไดนไหมซาธกะใน้ยินข้าวานจ้าอ่าไมายังไงวันนี้อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่อยู่ไชน่าค่ะไชน่าค่ะอะไรไหมก็ไปมาแบบก็พึ่งครั้งแรกแล้วพึ่งไอ้นั่นนะคะสติยังไม่ได้อยู่เไปคนเดียวนะไปคนเดียวค่ะแต่ก็ คิดว่าพอตอนแรกก็กลับมาก็เสียเซลมากเลยเพราะว่าไปถึงก็พอไปถึงจริงๆมันเหมือนตัวสติไม่มีเลยพระอาจารย์จะนหนอกันอย่างเดียวแล้วก็เจ็บไปหมดนั่งแป๊บเดียวก็เจ็บเจ็บเจบเลยอีกวันหนึ่งเลยเอาเลยลองแกล้งว่าเดี๋ยวว่ามีตอนของพระอาจารย์นะคะวันอาทิตย์อะ กะกะแล้วว่าปกติก็นั่งไม่ได้นานนะคะได้สักยังเก่งก็ไม่น่าเกินครึ่งชั่วโมงเที่ยวนี้ก็เลยเดี๋ยวสองทุ่มจะฟังพระอาจารย์ก็เลยคิดว่านั่งองค์ไม่นานคราวนี้มันนั่งได้ประมาณเกือบชั่วโมงเลยค่ะพ อ, อตัดไปดูที่ของพระอาจารย์เนะี่ยก็ดัง น, นั้นแต่ว่ามันปวดมากเลยค่ะพระอาจารย์ปวดแบบจนกทัง่งพระอาจารย์ฟังที่พระอาจารย์สอนสอนมาก็แบบ ปวดก็ปวดปวดยังไงก็ปวดปวดจนแบบจิตจนจามจนอะไรแล้ว่พระเจ้าอย่าทำพุทโธไว้ตอนี่มันปวดอย่าอย่าไปคิดถึงมันให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโไปแล้วมันก็เหมือนจิตไม่รวมไม่อะไร้าไม่ใช้พุทโธมันมันก็พุทโธพุทโธทแต่บอกเพราะเธอมีกิเลสเธอโลภอยากจะได้จิตรวมมันก็เลยแบบนี้ได้ ไม่ได้ต้องอยู่กับผู้ท้อยคเดียวก็เลยบอกอบอกโอ้โหแล้วก็อีบอกว่าอาจารย์ว่าเดี๋ยวนะอีวันสุดท้ายก็กะแทนไว้แล้วว่าจะแบบจะไม่กินนะคะพอสักประมาณสักห้างเย็นนะคะสติแตกหิวมากเล ย, เลยไปเลอมามากตั้งซองเลยก็มาม่ากินมามา่า เลยบอกวันนั้นดังบสินแปดก็ไม่ได้แตบบ่เดินออกไปก็ไปเหยียบท่าอีกสามเอวโอ้ยบอกอะไรเนี่ยแต่อีตรงที่อันนั้นนะะวันแรกก็เจอแบบเจอปุงลิงเลยค่ะแบ บ, บลิงัวาย ใ, ใหญ่จากฝูงเลยค่ะก็ก็มองก็คิดแต่ว่าคงไม่ไม่ไม่ค่อยอะไรก็ไม่กลัวและที่อาจารย์บอก พระอาจารย์บอกกันคืนก็ลองปิดไฟอ่ะลองไปอยู่ข้างนอกสิ hmm. ก็แบบนันง่นงนงั่งนก็แบบแต่มันจะกลัวจะมากกว่าคิดว่าอ่ะมันก็ก ล, ลัวๆเหมือนกันนะคะตอนแรกแต่นึกในใจว่าที่พระอาจารย์บอกอะไรจะตายก็ตายอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็ได้มันก็พอได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปไม่ไปให้มันหายกลัวเลยไม่มันกลัว ทีนี้เลยอยากรู้ว่าคนอื่นเขาฝึกนานไหมคะกว่าสติจะได้อ่ะค่ะอ๋อแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอ๋อพระอาจารย์เราก็ถามอีกอย่างหนึ่งคะ่ะเรื่องทานนะคะพิพัฒอาจารย์สอนนะคะคือถ้าสมมุติว่าคือพ่อของลูกะะอ่ะค่ะไม่แบบพิพัฒอาจารย์บอกว่าถ้าหากว่าให้เขาแบบบริจาคเองอะคะอ่ะเขาจะได้ร้อยร้อยเต็มอย่างเงี้ยคะ่ะทีนี้พ่อของลูกเนี่ยเขาส่วนมากอ่ะ ตอนที่แม่อยู่อะค่ะก็จะให้แต่อุโมงนา ม, มเขาจะไม่ค่อยชอบทําบุญลูกก็เลยฟังจากพระอาจารย์ลูกก็เลยออกอุบายใหม่บอกว่าอปลาป้าพระอาจารย์บอกว่ า, า, า, า, วาถ้าอปาจะจ่ายไอ้เนี่ยอปาจะได้ร้อยเต็มลูกก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนลูกจะเอาเงินให้เขาแล้วก็แยกวางไว้เป็นสองจุดไว้อีกตรงเนี้ยถ้าลูกวางเนี้ยให้เอาอันเนี้ยมาบริจาคแล้วก็ให้เขาพูดอย่างเงี้ยเขาจะได้ร้อยเต็มไหมคะ ไม่ไดามันเป็ น, ไ, น, นไปเยินของเราเราไม่ไมไทำไม่ใช่ไปใช่ค่ะต้องอพูดเลยต้องหยาบพูดเลยต่อไปต้องไม<ำ>่ให้เลยใช่ไหมคะให้เพราะเพราจะไปใช้อะไรก็ได้ในเงินของให้เป็นเงินของเขาไม่ต้องมีสิทธิเรื่องว่าเขาจะไปทําแต่พอครั้งใหม่อะค่ะถ้าอาจารย์หมายถึงทุ ก, ท, กทุกครั้งเลยเขาก็จะเป็นจําได้ว่า อ, อีตรงเนี้ยเขาก็จะบอกว่าฝากเอาไปทําบุญได้นะอันนี้เขาจะได้ไหมคะ ก็ถ้าเขามีเจตนาตั้งใจจะทําจริงก็ได้ได้ก็แต่ถ้าเป็นเพราะว่าเราเป็นเป็นเหมือนตอนนี้อะเงินตรงนี้เอาเงินไปทําบุญนะอนี้มันไม่ใช่เงินของเขาเงินของเราวางไว้เราไจริงจริงคือคือเขาก็บอกว่าเราต้องอย่าไปบอกให้เขาไปทําให้เขาคิดของเขาเองโอ้ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวเยวอ่านี่เันเดือนดูให้ให้พ่อเป็นเงินเดือน แล้วแต่พ่อจะไปใช้ไปกินไปซื้อไปที่อะไรไปเที่ยวแล้วแต่พ่อนพาวบอกเออเดี๋ยวขอฝากไปทําบุญชั่วหน่อยอย่างนี้ครับอันนี้แหละเขาจะได้บุล้วเออคือเพราะเขาแบ่งเสียเพราะเสียสละเงินที่เป็นของเขามาให้เราไปทำบุญแต่ถ้าเราไปวางไม่ตรงนั้นก็บอกเงินกองนี้เอาไปทําบุญนั้นมันไม่ได้หรอกแล้วค่ะคือปกติอ่ะค่ะเขาก็บอกว่าให้เอาเอาอันนี้ไปเลย ลูกก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะได้ไม่เต็มเท่าที่เขาเคยได้ลูกก็เลยแบบอันนี้ไอ้ที่เพิ่มออกมาเพราะงั้นอย่าไปอย่าไปอย่าไปพูดในเรื่องทําบุญเรามีหน้าที่จ่ายเงินเดือนให้เขาไปก็เงินเดือนเราก็ให้เขา้าไปแล้วเขาจะไปทําอะไรก็ให้เขาพูดสั่งมาเองอ้าวเอาช่วยแบกอันนี้ไปทําบุญหน่อยหน่อยนะอย่างนี้เขาก็จะได้ ว้าวค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าคือเขาเขาได้ของเขาอยู่แล้วรู้ก็เลยว่าให้เพิ่มไปอีกก็ถ้าแต่เขาเรื่องนี้มันเป็นของบังบังครั้งจนไม่ได้โอ้ค่ะเขาออมาจากใจของเขาเองค่ะค่ะว่าจารย์นีม่เป็นไรเดี๋ยวเที่ยวหน้าเดี๋ยวไปใหม่ค่ะเดี๋ยวฝึกสติเพิ่มก่อนก่ะค่วันนะไป ไปอยู่สี่คืนค่ะสี่คืนนั้นอยู่ได้นะไมไม่ทรมานนะอยู่สี่คืนก็ก็มันเหมือนเราเราไม่เคยค่ะมันก็เหมือนตัดชึบเลยค่ะเหมือนตอนจะไปอ่ะขอโทษนะคะใช้คำหยากหน่อยตอนจะไปเหมือนไก่จะบินอ่าเวลากรรมมันหากินเอากินข้าจะกินแมัเวลาไปมืนหากินเวลากลับเหมือนไก่ปีนค่ะเดี๋ยวลองเอาเที่ยวใหม่ค่ะอาจารย์ จะไปอยากกลับต yeah, ้องเอาเป็นแบบเวลาไปเหมือนไก่บินกเวลากลับเหมือนหาเก่งเดี๋ยวเอาใหม่ไม่อยากับไม่อยากกลับไปแล้ไม่อยากกลับเดี๋ยวพยายามใหม่ค่ะโอเคค่ะสาธุจ่าอนุโมทนาอาพยายามมีไหนคำจำได้หนัท่นนะอย่าท้อแท้เรื่องไหนตอนแรกวันนี้ กล้จะไม่กล้าเข้าอายเพราะอาจารย์เห็นกันวลทำไม่ได้เวลาอายหลับเวลามันก็มันเป็นเรื่องของปกติกว่าที่จะชนะได้ก็ต้องแพ้ก่อนค่ะขอค่ะก็ะสู้ไม่ถอยกันแล้วกันสู้ไม่ถอยค่ะ okay, นะค่ะโอเคนะค่ะเงานท่านต่อไปคุณยูตี้ยูตี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่บนเขาเจ้าค่ะ อ๋อขึ้นไปอยู่เหมือนกันนะค่ะเป็นยังไงข้างหน้ารู้สึก็นยังไงบ้าวันนี้มีกวางมาดักหน้าหน้าทางขึ้นเลยเจ้าค่ะค่ะทำยังไงก็จ้องกันพักหนึ่งนะคะค่ะ <laughs> แล้วก็ก็ดีค่ะชอบค่ะจะอยู่สักกี่วันนะ อยู่ถึงวันเสาร์เจ้าค่ะวันเสาร์นะโอเคเจ้าค่ะอย่ายอยู่เชยๆนะอย่าไปอย่าไปไม่ใช่เป็นรีสอร์นะเที่เจริญสตินะพุทโธพุทโธเดินจงกรนั่งสมาธิอ่านหนังสือทำบ้านได้ทําเพลงทำทําได้โอ้เจ้าค่ะรับทราบเจ้าค่ะขอบพระคุณมากเจ้าค่ะมีคําถามอะไรไหมไม่มีเจ้าค่ะท่านนี้ก่อนนะ ค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะเดินไปที่คุณบริสตอเลยบริสจะไร่ยอมใช่ไหกับนัำมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่มีคาถามเจ้าค่ะรมากับอาจารย์อยู่ระยอมใช่ไหมถ้าจาไม่ผิดไทยเลยใช่เลยลูกสาวเลววยชื่ออะไรจ้าต แก่คอนกลางค่ะรับคุณแมนะ่รับบ้า ง, งนะโอเคห็นไปที่คนยินดีต่างคนยินดีช่ จ, จ, จากซารอุขัลายนะาสวัสดีค่ะท่านอาจารย์แล้วก็เดวิดปากกับท่านอาจารย์ด้วยค่ะค่ะก็ไม่มีคำถามค่ะท่านอาจารย์ เป็นานวาแผนจะกลับมาเยี่ยมบ้านเลยค่ะก็กําลังดําเนินเรื่องอยู่ค่ะถ้าอาจารย์ก็จองโรงแรมแล้วก็ตอนนี้ก็รอโรงแรมก็อตอบกลับมาอีกทีน่ะค่ะเ้าอยู่คนเดียวได้ไม่นี่ยค่ะคือเขาก็คือตามสเต็ปของเขาคือเราจองเขาพอจองเขาเขาต้องอตอบกลับรอเขาตอบกลับนะคะท่าอาจารย์ใช่ค่ะกกเรียบร้อยหมดแล้วพักเกียงแลฉีดแล้วก่นจะขึ้นเครื่องกา ก็ตรวจก่อนขึ้นเครื่อง72ที่มองใช่ไหมะถ้ะท่านอาจารย์แล้ววันเนี้ยเดวิดด้วยความที่ว่าจะกลับเมืองไทยแล้วด้วยความที่ว่าบูชีจะมามันเจ็ดเดือนแล้วใช่ไหมคะมแล้วทอ น, นี้พอจะเดินทางกลับเมืองไทยก็เลยก็เล ย, เลยคิดไปคิดมาก็เลยไปบูสเตอร์เข็มสามอ่ายินดีดีใช่ไหมคะท่านอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์ไฟเชอร์ไฟเซอร์สามเขยมนะค่ะอืม โอเคเขาจะได้เจอกันไม่นานเนี่ยนะ่ายในเดือนทัดไปขอคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะต่อไปคุณพัทธลพนเชิญคุณพัทคนได้ยินด้วยคุณพันธคพนได้ยินครับบอสอาจารย์ับปานด้ว่อยู่ที่ไหนอยู่เทือครับมีอะไรไหมพอดีเมื่อเช้าเมื่อวันก่อแล้วผม เคดได้ยินพี่ท่านหนึ่งถามเรื่องสถานที่เห็นพ่ออาจารย์ตอบว่าสถานที่ไม่สัปปายะ ม, มันหมายถึงว่าสถานที่ไม่อำมวยหรือว่าอยะไรใช่คาว่าสัปปายะแปลว่าสบายถ้ามไม่สบายมันก็ไม่อำมวยครับเพราะว่าผมมีสถานที่แห่งหนึง่งที่ถ้าผมเดินเข้าไปพบจากจากอาการที่ว่าเราติดไม่ริ่งถ้า ขนาดยังไม่ได้ทำสมาธิก็เดินเดินเข้าไปในจุดจุดนี้ที่ผมเคยไปทําเนี่ยทั้งดีที่เดินเข้าไปจุดคือเจ็บจะหิ่งเลยแล้วก็จะเย็นเย็นสบายเลยถ้ายิ่งทําสมาธิก็เจ็บจะยิ่งเร็วขึ้นอันนี้คือสถานที่ใช่สถานที่ออานวยให้กับเราถูกกับเรานะอันไหนที่ทําให้ใจเราสง บ, บนั้นนนั้ใช่ได้อันไหนไปแล้วใจเราไม่สงบวุ่นวายไม่ใช้ไม่ได้ ครับแต่นครขานี่คือในช่วงหลังๆที่ผ่านมาผมไม่ค่อยไี่มีเวลาไปสปถานที่ตรงนี้เลยผมเลยอาศัยที่ที่บ้านเนี่ยทําแทนก็ที่บ้านนี้บางครั้งก็อํานวยบ้างบางครั้งก็ไม่อํานวยแต่บางแต่หลายครั้งจะเป็นการอํานวยมากกว่าไม่อํานวยคือแสดงว่าสถานที่ตรงนี้ที่ผมที่ผม อาํานวยบ้างไม่อาํานวยบ้างนี่คือเกี่ยวกับจิตใจของผมเองหรือว่าเป็นพ่อสถานที่ด้วยก็มันก็ต้องสังเกตดูเลยว่ามันเป็นเราแล้วว่าเป็นพ่อสถานที่เราไปที่หนึ่งแล้วมันมันอานํานวยมันก็ดูแล้วก็เปรียบเทียบดูมันแตกต่างกันยังไงถ้าหากพูดถึงเรื่องต่างๆนคือว่าตรงจุดสถานที่ที่ผมพูดถึงเนี่ย แตกต่างก็ลิบรับเลยนะว่าการคือแตกต่างกันแบบ <ừ. S 2> เหมือนแบบแบบคนละนี่กันเลยอะคนละแบบหรือถ้าไปตรงสถานที่ที่ผมไปที่ผมพูดถึงว่าเลยขึ้นไปก็ติ็บสงบแล้วนะั่นคือแบบสงบนิ่งจริงๆแบบนิ่งมากเลยจนแับบจุจนรู้สึกจนรู้สึกว่ากายเย็นไปเลยใช่โอเคแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านแล้วมันดีบ้างไม่ดีบ้างก็อยู่ที่อยู่ที่สติของเราเราะว่าสติเราไม่ ด, มดีมันก็เลยไม่ดี วันหสติเอาดีมันก็ดีเรื่อวันไหนมีเรื่องวุ่นวายมากมันก็ไม่ดีครับอันนี้คือผมพอจะเข้าใจแล้วเพราะว่าเมื่อมันพูดที่ผ่านมาเนี่ยคือผมก็ได้ยินที่ท่านหนึ่งเคยปาะกาศว่าตามเรื่องหรือว่าเผมเจอลักษณะเดียวกันกับ กับพี่ท่านหนึ่งแล้วก็มีความรู้สึกอยากว่าเอ้ยอยากจะอยากอยากจะอยากจะไปจากโลกนี้ให้มันให้มันสุดๆไปเลยในวันคืออยู่มีแต่ความวุ่นวายที่มีผลิตผลน้ำมันดินจาคำพูดของอาจารย์ได้อยู่ทางหรือความนั้ว่าถ้าเรามีความอยากตั้งคือเป็นกิเลสไม่ว่าไม่อยากเจอหรือว่าอยากจะเจออยากจะเป็นไรวัตแตเป็นวดตแตเป็นกิเลสก็เลยใจก็เลยเบาวางเบาบางลงครับ ก็เลยคิดว่ายังต้องอยู่กับมันต้องทำใจอยู่กับมันดีดว่าพวกปี๊ที่เขาเคยเจอมาเนี่ยข้าไปได้ก็ดีถ้ามันที่เราอยู่มันวุ่นวายก็อย่าไปอยู่กับมันดีกว่าแต่ถ้ายังไปไม่ได้ก็ต้องทาใจอยู่กับมันไปก่อนเพราะว่าในตรงส่วนนี้ก็คือว่า ถ้ามีมันจะเป็นช่วงเวลาที่น้อยมากที่ผมจะทําทําไม่ได้ครับแต่ส่วนมากผมจะทําได้ด้วยอาศัยที่ทำทำสั่งของอาจารย์ที่เราบอกว่าต้องปล่อยวางก็คือจะเป็นส่วนนี้ที่ทําแล้วผมทําได้คือพยายามทําไปต่ออย่างยุดทำไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีโอกาสล้วก็ผมก็ไปรีเวก็ไปรีเวกมาก ครับแล้วผมก็เคยฟังเทศของหลวงพ่อฤาษินนํานหนึ่งท่านสมบอิว่าให้ระวังใจตัวเองเพราะว่าหนึ่งกิเลสจะพยายามใจโดนใจของของของกิเลสเนี่ยจะพยายามโดงใจของมนุษย์ลงสู่ที่ตับผมก็พยายามสังเกตดูมันใช่มันมันก็ใช่จริงๆบางครั้งถ้าเราเผลอนิดเดียวถ้าสมมว่าผมเผลอนิดเดียวปุ๊บอารมณ์มันจะขึ้นมาแล้วแต่ถ้า แต่ผมรู้ทันแล้วผมจะผมจะตัดมันลงคือะจะกดลงผมไม่ได้ไม่ได้กับที่ไม่ใช่ทางอั่นที่ผมมาปลูกคุณจา ง, งแล้วมีสเตตคอยรักษาไว้พอมันไปในทางไม่ดี ก, กันหนึงมันกลับโอเคนะมีอะไรอไหมไม่มีครับมีแค่หามเพียงแค่นี้่สามารถเป็นการขับพาระ ไปที่คุณมนฑาที่ต่อไคุณมณฑาที่ททท อ, อยู่ที่ไหนเอ่ยคุณมณฑาที่นิวได้เลยราการเจ้าค่ะอ่าอยู่ที่ไหนอยู่อยุธยาเจ้าค่ะอมีอะไรไหมมีคําถามไหมคือพอได้ฟังท่า น, นอื่นถามแล้วมีความรู้สึกตัวเองแบบ เบบีมากเลยค่ะในธรรมะค่ะคื อ, อข้อสง่งถ้าอยางั้นของหลูที่สงสัยแล้วกันนะคะว่าจริงๆแล้วว่าเหมือนประมาณว่าจับจุดได้ว่าธรรมะคือเหมือนตอนช่วงเราเล็กๆอ่ะเราสงสัยว่าเราเกิดมาทําไมเรามีชีวิตทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนเหมือนจะได้คําตอบว่า อถ้าเราได้มีหน้าที่ที่จะรู้ว่ากิเลสต่างๆน า, นานาที่มันเกิดขึ้นสะสมมาเราสังเกตได้ว่าในวัยเด็กกับวัยที่เราอายุเพิ่มขึ้นมาเนี่ยค่ะมันมีแต่การสะสมที่กิเลสมันจะดูมันจะหนักขึ้นนะคะความเป็นตัวเป็นตนมันมันมีมากขึ้นถ้าอายุเยอะขึ้น ตรงนี้ค่ะก็เลยมีความสนใจว่า อ, อถ้าเกิดเรามีหน้าที่ที่จะต้องเรียนรู้เ อ, อที่เป็นตัวประกอบที่เราจะเห็นว่ากิเลส ท, ที่มันมีอยู่แล้วตอนที่เราจะหมดลมหายใจเนี่ยเราเรียนรู้มันเราก็ตัดมันทําลายมันเราจะมีวิธียังไงเพราะว่าเรายิ่งโตเรายิ่งรู้สึกว่ากิเลสเรายิ่งเพิ่มฟูนะคะ ก็ลองใช้สติสมาธิเนี่ยต้องปฏิบัติทนมนะค่ะในในลักษณะของปัจจุบันเนี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราเออใช้บริกรรมพุทโธในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้ใช้สมองที่จะคิดเรื่องอะไรต่างๆนานานเนี่ยก็อยู่กับพุทโธแทนในระหว่างวันนะเจ้าค่ะเพราะว่าเวลาเรานั่งในรูปแบบอะ่ะพอเรา ทันทีที่เราหลับตาหรือพูดโธได้สักครู่เดียวหรือแป๊บเดียวอะค่ะมันมันอาจจะมีความว่าเราไม่รู้เราหายไปไหนเราเราไม่เห็นเหมือนที่พ่อแม่ครัวเราเราหลับมัก็ไม่รู้อะไรต้องพูด<ข>โทรศอยู่เรื่อยๆอย่าหยุดพูดโททุกครั้งทุกครั้งที่เราทําในรูปแบบมันจะไปเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอะค่ะเรางลุกขึ้นมาเดินถ้ามันเป็นอย่างเนี้ต้องลุกขึ้นมาเดินก่ะ รู้สึกตัวเองไม่ชอบเดินเลยอะคะ่ะมันปวดหลังมากๆเลยอะจองังค่ะก็ไม่รู้จะทําไงแล้วถ้าไม่เดินจะยืนก็ได้คือจริงๆแล้วว่าตอนที่เราเออ่เหมือนเหมือนประมาณว่ารูปแบบแบบนี้เนี่ยคือทาเพื่อที่จะให้ใจเราหรือจิตเราอยู่หนึ่งเดียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในร่างกายเราอย่างนี้ใช่ไหมจังค่ะ ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นพุทโธหรือถ้าร่างกายเดินก็ดูว่ามันกำลังเดินมันกำลังทำอะไรก็รูว่ามันกําลังทำอะไรถ้านั่งจะดูลมก็ได้ดูลมเข้าลมออกก็ได้นีกพุทโธก็ได้แต่อย่านั่งเฉยเฉยนั่งเฉยเฉยเดี๋ยวมันหายไปหมดมันหลับต้องมีพุทโธแล้วมีลมอยู่ตลอดเวลา อย่างนี้มันจะมีประโยชน์อะไรระหว่างวันเราไหมเจ้าค่ะถ้าเกิดเรายังเป็นอย่างนี้อยู่ตลอด่ะเจ้าค่ะมันทําไปเรื่อยๆมันไม่จะดีขึ้นเองมันมีสติมากขึ้นอย่างมันก็เนิ่งมันก็สงบมันก็มีความสุขอย่าอ่านั่งนะมันอย่านั่งแล้วหลับอย่านั่งแล้วหายไปหมดไม่รู้อะไรเลยอย่า้วรงมันหลับมันต้องรู้มันต้องรู้ตลอดนีละว่ากำลังนั่งทําอะไร กลังดูรอลัพูดถอยมีท่านนี้นะเจ้าคามีท่านหน้าฝนต่อหน้าฝนสามนักมาตการเจ้าขาข้าพ่ยไปเจ้าขาอ้าพายไปเจ้า่ะมาแล้วมาแล้วนักมาตรการเจ้าขาไม่มีคาถามเจ้าขมากราบรารเจ้าา ถ้างานพนไปไหไป <g ül> นไปเท่ยวเดิูลูกอ๋อแต่ก็เดี๋ยวก็กลับมาค่ะโอเคได้แล้วค<ด>่ะไป <c oughs> ที่คุณนายพลสอนดวงยังไม่สอนดวงนตมัส ก, การพอาจารย์มีอะไรไหมมีค่ะพอาจารย์ว่ามา <c oughs> คือเวลา อ่านั่งสมาธิแล้วจิตว่างอะคะ่ะจะมีทีส่สิ้นสุดไหมครับอาจารย์อะไรสิ้นสุดจากควา ม, าม่างอะก็คือเข้าไปอยู่ในความว่างอะคะอ่ะอาจารย์จะสิ้นสุดยังไงครับเดี๋ยวมันสิ้นสุดมันก็ออกมาเองเพราะมันเพราะมันอยากจะออกมันก็มันก็ออกมาไม่ยากใช้มันอยูน่นานๆแก็ต้องใช้พูดโธดังเข้าไปเรื่อยๆเอพอมันจะออกก็พูดโธพูดโธต่อแล้วพุทออก ค่ะแล้วสั่งโยดสามสามสัโยดนี่ก็คือเป็นพระโสดาบันใช่ไหมครับอ่อาแล อ, อันเดียวละอันเดียวให้<ม>สองอันมันก็เป็นพวงมันมาด้วกันแล้ ว, ลวอ่ารักษาการที่ถีให้ได้ค่ะอะถ้าข้อสี่กับข้อห้าถ้าเบาบางนี่ก็ก็คืออย่างนีครับที่อสองสกกิดดาคามี ห้าสิบห้าสิบเบื่อเบื่ออยากอยาบางทีก็อยางเบื่อบางทีก็อยากแต่ถ้าเป็นนาคามีก็ไม่ไม่มีอยากเลยเพราะเห็นอรสุภาตลอดเวลาได้เห็นห้าสิบห้าสิบเวลาไม่เห็นก็สวยงามหล่อแล้วเวลานึกถึงว่าสุภาได้มันก็ไม่หล่อเหลาไม่สวยงามเห็นต้องพยายามระลึกถือเรื่อยอรสุภาพ ต้องเน้งอสุภาสใช่ไหมต้อเห็นข้อประดูกอย่เงี้ยเห็นแท น, นเห็นคอประดูกของแฟนมันก็เออเราอยู่กับผีดีๆเนี่ยหลงรักผีดีๆเนี่ีเท่านี้คะ่ะอาจารย์อขอบคุณอาจารย์นะค ะ, ะรู้สึกปิติยินดีมีใจมากเลยค่ะอาจารย์ ที่คุณเจษดาพรตเจษาพร อ, อ, อยู่ที่ไหนเข้าไาใหม่ไหค่ะกลับมาการพาจา์ค่ะหนูอยู่กรุงเท พ, พอะค่ะตอนนี้ก็ทำงานอยู่แต่ว่าก็คือมีเรื่องที่อยู่ในใจนิด น, นึงว่าเราเรามีความเหมือนว่ามาทางธรรมอยากจะปฏิบัติธรรมเยอะๆค่ะแล้วก็เหมือนคิดคิดอยากจะลาออกว่า เราจะได้มีเวลาในการปฏิบัติธรรมมากขึ้นเพราะว่าเราก็เหมือนพอจะมีเงินเก็บค่าใช้จ่ายในการแบบผ่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเพราะว่าเวลาปฏิบัติอาจจะมีความรู้สึกว่าเรื่องงานมันจะเข้ามาในหัวแต่เรื่องอื่นก็ไม่ค่อยจะมีอ ะ, ค, ะค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราละตรงนั้นไปอย่างเงี้ยมันมันจะทําให้เหมือนว่าการปฏิบัติเราเก้าวหน้าขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าแบบเสียดายว่า คือเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงวันไหนเราเราก็เลยอยากเปเหมือนว่าปฏิบัติมากกว่าเราก็ต้องดูว่าเรามีกําลังที่จะปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่าพอเราเดี๋ยวมีเวลาแต่ไม่มีกําลังจะปฏิบัติปฏิบัติได้นิดหน่อยก็หยุดรด้วยเบื่อหรืออยากจะไม่ทําอะไรอย่า ง, างนี่ถ้าเรามั่นใจว่าเราสามารถปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนไม่ทําอะไรอย่างอื่นได้ก็ก็ทําดึู บางทีความอยากกับความจริงมันไม่ตรงกันอยากจะปฏิบัติพอถึงเวลาปฏิบัติจริงๆปฏิบัติได้เดียวเดียวไม่อยากจะปฏิบัติแล้นะก็ต้องทดสอบดูบางช่วงบางเวลาถ้าเราทงานงานไปสักเจ็ดวันอะไรนี่ไปไปอยู่คนเดียวปฏิบัติดูก่อนว่าเป็นยังไงปฏิบัติได้ไหมอะไรทำนองนี้แล้วถ้าเหมือนว่าเราแบบปฏิบัติอยู่ที่บ้านเราเราเราเหมือนว่าสมมติถ้าเราแบบว่า ไม่ต้องไปที่วัดอะไรเงี้ยเราสามารถทําทําได้เหมือนกันไหมคะถ้าเราอยู่คนเดียวก็ได้ก็ได้ในระดับหนึ่งถ้าอยากอยากให้มันมันเข้มข้นกว่านี้ก็ต้องไปอยู่ที่ที่แปลกที่แล้วก็ที่ที่ไม่ค่อยสะดวกสบายอยู่บ้านเรามันยังมีเครื่องอำนวยความสะดวกคาวามสบายอยู่รอบรอบด้านนั่ก็จะทาให้เราอาจจะไม่ไม่เข้มนข้นต่อการปฏิบัติ เราไปอยู่วัดแบบที่ไม่มีอะไรมีแต่ห้องมีแต่ห้องเปลี่ยวเดียวแบบนี้การนี้ก็ต้าทดสอบอยู่ต้องเราไปไปทดสอบก่อนใช่ไหมคะก่อนตัดสินใจถ้าตอนนี้เปยี่ยที่บ้านปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติไปก่อนเป็นการ สร้างสร้างกําลังให้แล้วต่อไปก็ต้อไปไปอยู่ที่มันไปอยู่ตามวัดตามวัดตามวัดป่าวัดเขาที่มันไม่มีอะไรนองจากมีสถานที่เงียบๆให้เราเดินตะโกลงนั่งสมาธิของเราไปทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ืิดว่าเราจะทําได้ไหมคือความอยากมันกับความสามารถมันอาจจะไม่มันยังไม่สมดุล เดี๋ยวลาออกจากงานแล้วเดี๋ยวเกไปปฏิบัติแล้วปฏิบัติไม่ไหวแลไม่รู้จะทําอะไรอยู่เฉยๆก็เบืเอ่อเราต้องให้มั่นใจก่อนว่าเราสามารถถ้าเราไม่ทํางานแล้วเราสามารถเอาเวลาปฏิบัติมันตลอดเวลาได้หล่าไม่ไปทําอะไรอย่างนี้กับธรรมชาติการในความปรารถนาดีไม่เป็นกิเลส น, นะ<อ>ปรารถนาที่อยากจะไปปฏิบัติที่อยากจะออกจากงานเนี่ยนมันดี แตี่ยต้อ uh huh. ดูว่าความสามารถของเรามันรับรองกับความอยากของเราได้ป่ะค่ะ uh huh. ถ้าต้องพิสูจน์ทำลองทําไปก่อนอย่างเพื่อออกอย่างงาน uh huh. แล้วที่ใดลองไปอยู่ที่มันเปลี่ยวๆที่มันแปลกๆบ้างค่ะ uh huh. อ <c oughs> ย่นงานเงี้ยก็ปฏิบัติที่บ้านไปก่อนก็ได้ยังไม่พอ uh huh. คือคื อ, คอพอพอเราทํางานนะคะ อ, อาจารย์หนูก็จะไปได้แค่ช่วงแบบว่า ปิดเทอมเพราะว่าเป็นเป็นเป็นครูอค่ะปิดเทอมพักร้อนไปสามวันเจ็ดวันอะไรเงี้ยก็ไปทุกปีอยู่แต่แต่โควิดใช่ค่ะเพราะช่วงโควิดนี่ก็คือไม่ได้เหมือนสถานที่เขาก็ปิดเลยก็เลยแต่ทําที่บ้านอยู่ทุกวันนะคะอาจารย์แล้วไปที่บ้านนี่ไปแบบไปอยู่เป็นกลุ่มไปอยู่แยกเดียวเป็นกลุ่มอะค่ะยังยังไม่ีแบบเนี้ยว่าที่แยกเดียวไปอยู่วัดที่เขาให้อยู่เดียวเดียว ตรงไปวัด<ช>ป่าป่าในไกลจังหวัดเลยจังหวัดอุดอรนะเขาจะมีวัดมีแบบให้อยู่คนเดียวปฏิบัต<ช>ิค<ช>่ะที่เมื่อตอนที่เข้ามาตัดต้นก็นมีใครนะนักนักคุณหมอภาฒนาแล้วงลองถามคุณหมอพัฒนาห่อค<ช>่ะพ<ช>ัฒนาเข<ช> <ๆ S 2> ไปส ม, มรวจดูที่จังหวัดเลยะ แต่ทำวใกล้ๆนี่ก็มีแ้วมังชนนี่ก็มีพระอาจารย์ตันแต่ตอนนี้ก็ปิดอยูอ่ะแล้วแต่นะ น, นี่เป็นแต่เป็นเป็นแต่เป็นการแนะนำให้ทราบเนึ้แต่จะจะจะชอบวิไม่ชอบนนเนต่แล้วแต่ตัวมีบังครับกันนะ่คอะค่ะครามาสกการพระอาจารย์ค่ะโอเคสาธุคุณ ร, รัฐพานะคุณ ร, รัฐพา แล้วราจิไปอ่าิยู่ที่ไหนคุณรอาจารย์ผมอยู่สลับุรีครับอมีคำถามไหมมีคำถามครับคือผมเคยปฏิบัติแล้วร่างกายเกิดเวทนาเยอะมากเลยครับแบบว่าเจ็บเหมือนแบบผมก็เลยตั้งจิตว่าโอเคถ้าถ้าจะตายถ้าเจ็บแค่เนี้ยถ้าจะตายก็ตายไปเลยอย่างเงี้ยครับมผมก็นด้ตตอบไปเรื่อยๆจ น, จนจิตขึ้นไปสู่ ความว่างชนิดหนึ่งที่เห็นการทํางานของความคิดความจําอะไรเงี้ยครับถ <แบ S 1> อยส่งเข้ามาแล้วก็มีตัวหนึ่งนิ่งอยู่ครับแล้วก็มีกายเราถ้าเราถอยออกมานิดหนึ่งมันจะรับความเจ็บของจิตของกายเราไปครับแล้วเราถ้าถอยถ้าเราเข้าไปอีกเราก็จะนิ่งอยู่ไม่รับรู้ถึงกายเลยครับแต่ว่าความเจ็บก็เข้ามาไม่ถึงครับช่วงนั้ น, แ, บบนแล้วทำให้ผมรู้ว่าอ่าเป็นเหมือนเหมือนผมเชื่อพระเจ้าว่าเหมือนแบบขันห้ามันแยกออกจากกันจริงจริงเลยครับวันนั้น จบครับดีเข้าใในบระพุทธเจ้าเลยครับแบบว่าพระพุทธองค์แับถูกคือผมเข้าใจธรรมะแบบว่าอ่านไม่ต้องอ่านหนังสือครับแบบเห็นทุกอย่างมันเกิดดับเกิดดับอยู่ในจิตอยู่อย่างเงี้ยครับเออครั บ, รบดีแล้มาใช้ตอนที่เราออกจากสมาธิแล้วครับ ต, ต้องดูร่างกายว่ามันก็เป็นของที่เกิดแล้วก็ต้องดับครับความรู้สึก่างๆเกิดแล้วก็ดับความคิดมันก็เกิดแล้วก็ดับใช่ครับอย่าไปหลงตามมัน ใช่ครับความติดนั้นเขาจะมีแรงดึงดูดให้เราเข้าไปอ่ะครับที่ผมรู้สึกดูดปุ๊บถ้าเรามีสติเราก็จะปุ๊บกลับมานะครับอ่าอันนีุเรศเฉยเฉยทเฉยเฉย่นเราไปเป็นตัวตนครับแล้วมีคําถามอะไรไหมคําถามแม่คือผมใช้ชีวิตประจําวันอยู่ผมก็แค่นั่งอยู่นิ่งๆผมก็จะเห็นแบบพวกความคิดมันเข้าเข้ามาแบบ เพวกอารมณ์ออย่างเงี้ยครัจะเป็นขึ้นแบบดืดดืดมันเป็นความทุกข์อะครับมันเหมือนแบบมันเป็นทุกข์นะครับแบบว่าเวลาที่เรามีความคิดหรืออารมณ์อะไรมาครัมันทุกข์ก็เราพยายามนั่งสมาธิให้มันหายไปหมดไปนั่งให้มันในแต่ความว่าครั บ, รบเราจะจิตใจะ จ, ะ จ, ะ จ, ะ จ, ะจะมีความหนักแน่นจิตจะมีความสงบมีอุเบกขามากกว่าแล้วเวลาเจออะไรมันจะเฉยเฉยได้ เห็นอะไรมันเฉยๆได้ตอนนี้อนั่งยังไม่ไปถึงจุดนั้นทํางพยายามดูลมต่อไปดูโตต่อไปอยาาไปดูความคิดอย่าไปดูอะไรมันเกิดมันดับเป็นเรื่องของมันก็คือเกิดดับก็ช่างช่างแล้วเรานั่งดูลมก็ดูลมไปอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจครับเวลาที่มันเกิดขึ้นให้เราเห็น ถ้าพูดตัวก็พูโธัวไปอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับอะไรเท่านั้นบรรยากาศมันทุกอย่างมันจะหายไปเป็นว่าจิต จ, จะวุบลงไปนิ่งสงบนั่นจากความว่างนั่นถึะถึงจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติสมาธิถ้านั่งไปแล้วเห็นเห็นสังขารเห็นการคิดเห็นอะไรอยู่มันก็ยังไปแบบขึ้นทางอยู่ไปไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สุดทางก็คือมีหน้าที่เดียวเลยใช่ไหมครับเอ ดูลมไปอย่างเดียวพูดธเทไปอย่างเดียวนมีครับมีครั้งหนึ่งที่ผมดูแบบดูแบบรู้ตัวทั่วพร้อมกับว่ารู้รู้รู้รู้จนแบบปุ๊บแล้วมันก็เหมือนแบบเหมือนจิตเรามันไม่ติดอยู่กับทั้งหมดตอนแรกผมจะรวมทุกอย่างเป็นกายเป็นจิตมันมันจะเหมือนตัวเป็นตัวเราของเราเลยอครับตอนแรกแต่ตอนนี้มันคือมันมันมันไม่ใช่ตัวเราไปแล้วเงี้ยครับแม้มกระทั่งความคิดความอารมณ์ต่างๆก็ไม่ใช่ตัวเราของเราไปแล้วครับตอนนี้ แล้วมาใช้กับกับชีวิตประจำวันได้ไหรืเวลามีเกิดมีความโกรธเนี่ยผมก็จะดู้อ๋อความโกรธเข้ามาอ้าวนี่ไม่ใช่ตัวเรานะี่แหละมันเขาเดินเข้ามาแต่เราไม่ได้เราก็อยู่กับที่นี่ อ, อะไรอะครับแล้วรับความโลภต่างได้ม้างหรือยัเหมือนความโลภก็จะจะลดน้อยลงเหมือนรู้ว่าอ๋อเราเราเอามาเพราะว่าเหมือนมันมีอารมณ์ในช่วงนั้นนะครับแล้วทีนี้ พอเราอารมณ์นั้นดูว่าโอเคสักพักหนึ่งเขาก็จะดับไปแล้วทีนีความอยากก็ไม่อยู่หลังเงี้ยครับมันมันต้องไม่อยากได้อะไรแล้วลาบเดุสรรเสริญสุดนี้ไม่ต้องการนะครับลาได้อย่างลาราบดุสารเสลดสุดได้คนสารเสับสุขใช่ไหมครับคือยังอยากให้คนสารเสลดเยู่กว่าขันเสลดใช่ไหมครับก็มีมีบ้างครับแต่ว่าสุขคือตอนนี้คือ มัน <ME AN> ดูหนังฟังเพลงเนี่ยคือเหมือนผมไม่เคยไม่อยากไม่อยากดูอันเนี้ยเหมืนอนแบบไม่ได้อยากไม่อยากนะคะแต่ว่าคือมันมีสติเวลาดูก็มีสติอยู่กับตรงนั้นก็คือมันไม่เพลิดเพลิน เ, ล, เลยครับเากบาอย่าไปดูมันเนี่ย<ช> <ๆ S 2> ได้ดูมันเลยได้ปะได้ดูมันฟังมันได้ปะครับตั้งแต่ผมมีสติที่ทะู้ไปครั้งนั้นคือแบบโอ้โหผมตั้งแต่นั้นผมก็อยู่กับธรรมะมาตลอดทุกวันเลยครับแบบว่าต<อ>้องมีความจรงงิงเข้าเหมือนความมั่งคือความความจริงนะครับแล้วก็เวลาอ่านอ่านแบบ อ่นอะไรที่แบบเป็นเกี่ยวกับธรรมะก็จะแบบรู้มากขึ้นได้ฟังพระสงฆ์ก็จะแบบโอ้โหนี่พระสงฆ์เนี้ยคืออันนี้จริงปฏิบัติจริงปฏิบัติแท้ปฏิบัติแน่นอนอย่างเนี้ยครับใช่ต้องต้องละละนู้เสร็จแล้วสะละเสร็จสุ ด, ดแค่น้นเราแค่ปัจจัยสีก็พอครัต้องเห็นปัจจัยสี่ใช่ไหมแล้วก็ไปปีกวิเวทอยู่คนเดียวไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครไม่ต้องไปสังคมกับใคร มันนั่นแหะมันถึงจะถึงจะละได้จริงไม่ใช่เพียงแต่คิดเพียงแต่เห็นวมันยังม อ, อย่างนี้แต่ก็ยังทาเหมือนเดิมครับพ<บ> อ, บอเข้าใจไหมพอเข้าใจละเขาในโลกนี้มันของเทียมของปลอมมันมของแท้ของจริงใหเนี่ยคือความสงบนี่แหละเป็นของแท้ของจริงที่เราต้องการครับจิตใจครับ โอเคนะมีอะไรไหมไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีหลอวครับโ <Okay. S 2> อเคกลับไปที่ท่าต่อไปนะหรือ พ, พัดนะพัดสิบน่ะพัดสิบนเชิญท่าชื่อผิดก็ขอไปได้นะตัวบันไดค่ะมาไงอยู่บ้านเลยใช่ไหมค่ะที่ชายบาสอ่ะยัะไงไเข้ามาข้างหน้าเหรอ เข้าครั้งนี้ครั้งแรกค่ะแต่ว่าดูของพระอาจารย์ทุกครั้งค่ะอ่ะอะอามีรายละเอียดทามนะคือตอนนีน้ตอนนี้หนูปกติหนูนั่งสมาธิหยู่แต่ว่าสมาธิยังถอยหน้าถอยหลังมาช่วงสัปดาห์เนี้ค่ะมีอาการถอยหน้าถอยหลังเพราะว่าเอ่อจิตสติรเรายังไม่เราไม่ยังไม่ต่อเนื่องสติบางทีก็ขาดบางที่ะ เราอยากฝึกสติอยู่เรื่อยๆระหว่างวันนะไมอกับร่างกายก็อยู่กับพูโธรก็ได้เพราะว่ามองจากจริตของตัวเองแล้วพอเวลาที่ได้ยินเสียงของพระอาจารย์หรือว่าฟังในคําสอนในธรรมะบนเขาเนี่ยหนูก็จะเลือกเป็นบางบทที่เอามาฟังในระหว่างวันแล้วก็ฟังระหว่างก่อนจะหลังจากที่ออกจากสมาธิแล้วก่อนจะเข้านอนเนี้ยหนูเหมือนค่อยๆปรับจิตไปเรื่อยๆคือเหมือน พอเวลาฟังแล้วเนี้ยมันทำให้รู้สึกว่ามีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็มีความมุ่งมันนที่จะทำมากขึ้น mm hmm. เพราะว่าตั้งแต่พอหนูเริ่มทำสมาธิหรือว่าเริ่มเริ่มมาปฏิบัติเนี้ยเหมือนโดนสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเขาเรียกว่าเหมือนทดสอบเขาก็าจะจากปกติจากที่หนูทำงานจะเงินเดือนอยู่ประมาณสองหมื่นแต่ก็เกยนใช้ตามปกติ แต่พอเหมือนพอเริ่มมาเข้าทางเนี้ยพอฝึกกินน้อยฝึกใช้น้อยแล้วก็ไม่เดินตลาดคือกินใช้แค่เอาแค่พอได้กินได้ใช้เหมือนทุกอย่างมันค่อยตีกรอบลงมาลงมาจนปัจจุบันเนี้ยงานที่หนูจับอยู่เหลือแค่เดือนละแปดพันมันก็เหมือนแบบเดนทดสอบไปว่าเออจะยังอยากไปทํางานอยู่ไหมจะหาเพิ่มไหมหรือว่าเอาแค่นี้พอทุกวันเนี้ยหนูลองอยู่กับเงินแค่นี้แล้วก็เวลาที่เหลือก็ ค่อยๆฝึกสติไปด้วยเอาสติดีกว่าเขาคนฉลาดหาสติคนง้ อ, องหาสตาปัญญาม่งงนูหนูหนเคยได้ยินคําของหลวงพระของท่าน ไ, ไปอยู่หนก็เลยว่าเอาแค่นี้พอเอาไม่อยากเอาเวลาไปเสียแล้วเนี้ย ไ, ไปเสียขยันหนึ่งนคะดีแล้วลนะ่ะตายไปก็เอาไปไม่ได้เงินทอแต่สตินี่เอาไปได้ธรรมะนี่เอาไปนะเป็นที่พึ่งของใจ เข้าใจหมนี่เสียงหนูนิ่งหายไปสัญญาณของโมโหหยาดขาด ม, มาแล้วมีอะไรไหมมีคำถามไหมเอ่อไม่รัค่ะเพราะว่าได้รับคําจากพระอาจารย์แล้วว่าให้ให้ให้ใหทําเยอะๆให้ฝึกสติเยอะๆค่ะเดี๋ยวไปทําตรงนี้ฝึกสตินั่งสมาธิะน ะ, ะแล้วจิตจะสงบแล้วจะมีควาสมสุขแล้วจะปล่อยได้เยอะกว่า น, นี้ค่ะเพราะว่า ตั้งใจที่จะปฏิบัติไปเรื่อยๆเพราะว่าหนูไม่คิดจะใช้ชีวิตทางโลกแล้วเงี่ยหนูจะอยู่อยู่แบบนี้แล้วเนี้ยค่อยฝึก ด, ดีดีมากต้องมีสมาธิเราจะทิ้งได้นะแต่ยังไม่มีสมาธิมันก็ยังหิวโหยกับสิ่งนั้นถึงนี้อยู่พอมีสมาธิทั้งจิตมันได้อีกนะมันจะไม่หิวแบบอะไรเลยอ่ะพยายามปฏิบัติให้เยอะๆนะ เียได้ข่าวว่าลูกว่าโรงเรียนเขาจะให้ไ ป, ป็นเรียนวันที่สิบแปดนีใช่ไหมนี่ย อ, อย่างไ ม, <อ>ม่อสามป่านแล้วจให้รอสามนเข้ามาเียน่อนเ้ารอสาป่า น, นใช่ไหมคะรู้แต่ว่าตอนนี้ต้องรับวัคซีนให้ครบก่อนคะอ่ะอ่อแล้วไม่ครบเเดี๋ยววันที่สิบสองไปรับอีกเข็มที่สองแล้วคะ่ะโอค่ะตอนนี้ก็อยู่บ้านอยู่โอเคอ่าจะดีกว่า น, นะ กลาบกับทุกคนค่ะไตรพิษตอบคุณไตรพิษเช ก, กลับน้ำส ก, กานครับเอ่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอ่อถามพระอาจารย์พระอาจารย์เรื่องเรื่องฐานจิตนะครับย้ายจากหน้าผากมาที่ที่ปลายจมูกก็ทําลองทําตามพระอาจารย์ดูก็ดีมากเลยครับจิตรวมได้เร็วครับอาจารย์ครับนีสัปดาห์นี้เลยมีคําถามเพิ่มเติมครับอาจารย์คือ คือก่อนที่ผมจะไปเยี่ยมครอบครัวที่เมกาครับก็รู้สึกว่ามันปฏิบัติอยู่ในลูในทางไ ด, ได้ค่อนข้างดีครับแต่พอไปที่เมกาส0สิบวันนี้เหมือนเหมือนพ่ายแพ้กลับมาเอ่อก็เลยก็เลยอยากถามพระอาจารย์ว่าคือปกติผมจะเป็นนักวิ่งมาราธอนแล้วก็ไปเล่นในออทแมนด้วยอะไรเงี้ยครับก็จะมีก็ก็จะมีเป้าหมายแล้วก็ทำตามเป้าหมายอะไรเงี้ยครับ ในในในทางธรรมเนี่ยตอนนี้ผมควรจะวางเป้าหมายย details, ังไงดีครับอาจารย์ครับก็เหมือนกับเหมือนกับการไปวิ่งมาราธอนนะครับเราก็ต้องซ้อมใช่ไหมเราก็ต้องคำนึเวลาซ้อมทางธรรมมาก็เหมือนกันเราก็ต้องคำนึงเวลาฝึกสติเวลานั่งสมาธิไปครับแห้มันมีตารางแล้วก็ยึดติดกับตารางนั้นเอย่าอย่าทิ้งตาราง มันจะแนบเป็นตัวคอยบังคับให้เราได้ปฏิบัติถ้าเราไม่มีตารางแล้วหรืแล้วแต่อารมณ์มันนี่ไม่อยากจะปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติส่วนใหญ่อารมณ์ที่ไม่ปฏิบัติมันมากกว่าอารมณ์ที่จะปฏิบัติครับใช่ครับหนึ่งก็เราพยายามทาตารางเหมือนกับเราทําอะไรต่างๆมันต้องมีตารางถ้า ม, มันมีตารางมันก็จะได้ถึงเวลามันก็ได้ทําตามตารางได้ครับ แล้วแล้วผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าถ้าเราทําในรู้ในทางเดี๋ยวผลมันก็จะออกมาเองใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่เปนผลอยู่ที่เหตุที่การกระทําของเราวิ่งมาทาอนเนี่ยนะคนแม่ฝึกวิ่งมันถึงเวลาไปวิ่งมาลาทอนก็วิ่งไม่ไหวใช่ไหมใช่ครับก็ก็ฝึกวิ่งมาลาทอนนี้ช่วงที่ผมวิ่งได้ดีๆนี่สามชั่วโมงสิบสี่ครับอาจารย์แต่ว่าไปวิ่งชิคาโกมาลาทอนที่นี้หยุดซ้อมมานานโควิดเหลือ เวลากลายเป็นสี่ชั่วโมงสิบเอดนาทีครับอาจารย์คล้ายๆกับที่ผมก่อนจะคล้ายๆกับยังจบยังไม่จบจนจบได้ใช่ไหมใช่ครับยังจบครับก็คล้ายๆกับที่ผมก่อนไปก่อนไปเมกาไปเยี่ยมครอบครัวเนี่ยก็โอ้โหแบบเออเจริญสติได้ดีเลยครับวันหนึ่งนี่ห้าหกชั่วโมงจัดตารางได้กับพอไปนู่นเนี่ย แล้วกลับมานี่รู้เลยครับว่าวีกลงเยอะเลยครับอาจารย์ครับโดยที่การฝึกซ้อมการปฏิบัติธรรมกันอยู่ที่การเจริญสติมีให้การนั่งสมาธิครับในสติมากนั่งสมาธิได้มากจิตก็จะมีความสง บ, บมากมีความแข็งมากมีความแข็งไม่หวหวัไม่ห ว, ว, ว, วัดไหวกับอะไรต่างๆครับ ก็ก่อนไปนี้ผมถือสินแปดได้เกือบทุกวันเลยครับแต่หลังมานี่ตั้งแต่ไปแล้วหลังมาโอ้ถือไม่ได้เนี่ยวันเนี้ยกลับมาถือได้วันแรกครับอาจาการถืต้องใช้เวลากัญจะต้ามันกลับมาได้ใช่ครับใช่ครับโอ้ไปวัให้มันออกจากข้าเนี่ยก็ต้องเปไปวิ่งตามได้ก็มันมาโอ้มีงานเลี้ยงมีประชุมมีอโอ้ เนี่ยวันเนี้ยครับมีเอ่อไม่มีงานเลี้ยงไม่มีอะไรก็เลยอ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องเริ่มกลับมาแล้วต้องเริ่มกลับมาแล้วอะไรเงี้ยครับอาจารย์ครับครับครับก็พยายามจะต้อนกลับมาครับอาจารย์เราบอกว่านียงานศิลดีกว่างานเลี้ยงนะครับงานเลี้ยงขาดนั้นไปไม่เป็นไรแล้วแต่งานศิลขาดนี่ไม่ได้ครับก็สมัยก่อนที่ปฏิบัติศิลปแปดอยู่ก็เวลาไปประชุมแปอะไรก็เขาแจกข้าวแล้วอะไรเราก็ เอาข้าวกลับมากินพรุ่งนี้เลยเงี้ยครับอาจารย์ก็ไม่กินครับครับครับครับหมดหมดคำถามแล้วครับอาจารย์เช้าครับขอบคุณครับสาธุครับคย้อนยิ้มต่อย้อนยิงมเชิญอย่ไหมาสยมาาใช่เจ้าค่ะมีอะไรไหมมาเมื่อกี้หมอบมาจะมาสวัสดีพอาจารย์ค่ะอสวัสดีได้เลย เขาเขาไปนั่งสมาธิเนาะค่ะมไปแล้วนะค่ะม่แต่มามีอยู่ข้างหลังมามีมีหนูทำห้องคาไว้ตั้งห่ากค่ะออกมาจากตัวบ้านอ่อเดีค่ะพระอาารสบายดีไหมค่ะอสบายดีจ้ะมีคำถามค่ะบ่ายสองอะค่ะปกติพระอาจารย์เทศแล้วช่วงนี้ที่พี่พี่เขาเปิดเทปพระอาจารย์ทำอะไรค่ะอ๋อแล้วก็มีกิจอะไรของเราทา แล้วเราพ้าจ้งจะกลับมาเทศฝ่าสองอีกไหมคะก็ต้องดูเหตุการณ์ก่อนว่าว่ามันมันจะช่วยแพร่เชื้อกระจายเชื้อหรือเปล่ายังไม่อ๋อเพราะว่ามีโควิดก็เลยหยุดไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ต้องดูว่าพ้เปิดแล้วคนก็ไปนุ่นมานี่แล้วมีการมีการแพร่เชื้อกันหรือเปล่าถ้าไม่มีก็าจะเปิดตามอ๋อนนค่ะอ๋อค่ะ พาจารย์แจกนมน้องๆที่ที่ไปใส่บาตรพระจันทร์ทุกเช้าว่าหนูหนูไปแอบดูมา <laughs> หนูอยู่เชียงใหม่คะ่ะไม่มีโอกาสจะได้ไปคะ่ะคงอินานด้วยอะค่ะห น, <laughs> หนูดูทุกช่องทางของพระจารยร์คะ่ะแฟนคลับค่ะคือเด็กมันได้นมก็มันดีใจ <laughs> หนูหนูเห็นหนูก็รู้สึกหนูอยากได้นมเปรี้ยวเหมือนกันคะ่ะเราเราเราไม่ได้เราไม่ใช่เด็กนะ อาจารย์มองหนูเป็นเด็กน้อยหน่อยไม่มีอะไรเจ้าค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านค่ะมาให้กำลังใจค่ะสาธุาค่ะคุณนิสิทธิ์ ต, ตอบคุณนภิสิทธิ์เชิญิสิทธิ์ชอยู่ที่ไห น, นกลับมาสการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ได้ยินไหมฮะได้ยินอยู่ที่ไหนเอ่ยสกลนครครับพระอาจารย์ อยู่ที่กุฏิแล้วอยู่ที่บ้านเนันอยู่ที่บ้านครับอาจารย์เนื่องมันเกิดเป็นกุฏิมีอะไรไหมก็ได้ฟังพ่ออาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าจิตมันอ่าคือบางทีเราทิฏฐิมรณะของคนเราเนี่ยมันสูงความคิดตัวทิดตัวนี่มันสูงพอได้ฟังพ่ออาจารย์รู้สึกมันมันหดหดลงทีนี้ตอนตอนที่ภาวนานะครับอาจารย์ตอนที่เรา เออ่พอภาวนาไปเนี่ยเอ่มันจะเกิดอความเจ็บปวดในในร่างกายนะพี่อาจารย์เนาะรตรงนั้นตอนที่เราบริกรมรมตอนที่เราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปด้วยเนี่ยเอเราก็เพ่งมองลงไปในตัวที่เกิดเกิ ด, ดความเจ็บปวดนั้นอะแล้วค่อยค่อยค่อยค่อยแกะมันออกมาค่อยค่อยแง้มันออกมาจาก ระหว่างจิตกับไอ้ทุกขเวทนานั้นหรือเปล่าครับพ่อจันไม่ไม่อย่าไปสนใจมันเลยให้อยู่กับพุทโธจริงๆไม่ต้องสนใจเราอยู่กับคําบริกรรมพุทโธถูกไหมเราต้องเราต้องไม่ไปสนใจไอ้ตัวนั้นให้เราครับไปย่งเพงมืมันก็ไม่เข้าไปในใจถ้าอย่างนั้นเราย้ายมาเพ่งที่ตัวบริกรรมพุทโธถูกไหมใช่จาอจันครับอย่าอย่าไปสนใจในตัวนั้นให้เราอยู่กับบริกรรมพุทโธก็ิงจรงมันต้องแยก มันต้องแยกออกจากกันใช่ไหมพ่อจันใช่เดี๋ยวพุทโธมันจะแยกใจออกจากร่างกายให้เราถ้าเราอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆอืมบางทีมันมันมันจุดมันยังไม่ได้ก็ยังไม่ก็ต้องก็ต้องพุทโธต่อไปการวังตาแน่งจิตยังไม่ถูกถูกไหมพ่อจันอ่าก็อยู่กับพุทโธอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นใช่อย่างนั้นเราดูเราดูขอบคุณพ่อจารย์มากครับรบกวนพ่อจันแค่นี้ครับโอเคสาธุ คุณมสุทธานตรคุณมอสุทธานใช่นมสกพระจารย์ค่ะวันนี้หนูไม่ม umm ีคำถามค่ะปฏิบัติไปเรื่อยๆด้อย่าอย่าหยุดนะขอบค่พระอาจารย์ค่ะไปที่คุณมาดีตามาดีใช่กราบหลวงพ่อค่ะได้ยินได้ยินหนูป่ะคะได้ยินชัดเจนาชัดเจน หลวงพ่ออาทิตย์นี้หนูไปอยู่วัดมาค่ะแล้วทีนี้ปฏิบัติตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้าประมาณสิบเอ็ดโมงเช้าจนถึงก่อนสี่โมงเย็นนิดหน่อยค่ะเพราะปฏิบัติคราวนี้มันมันมีความสุขมากเลยค่ะหลวงพ่อสุขจนแบบน้ำตาไหลออกมาแล้วมันก็เหมือนกายอ่ะค่ะหลวงพ่อเป็น เป็นของทิ้งเหมือนเหมือนจิตนะ่ะมันแยกกันออกไปเลยมันรู้สึกตัวตลอดแล้วมันก็มีมีความคิดเข้ามาในสมองเหมือนไม่ได้คิดในสมองมันมีความสุขออกเป็นแบบนี้หรอือที่สุดเป็นแบบนี้เหรอคะอย่างเงี้ยหลวงพ่อแล้วก็คือมันก็เหมือนมันปล่อยปล่อยวางร่างกายออกไปเลยอะคะ่ะหลวงพ่อสงบสงบนิ่ง ม, มีความสุขมา ก, มากค่ะ นัดแห่งธรรมชนะรัดแห่งบวงค่ะหลวงพ่อคราวนี้หนูแบบหนูเข้าใจแล้วว่าที่ที่หลวงพ่อบอกว่ามันสุขใจมันเบาใจมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเข้าเข้าใจความรู้สึกตรงเนี้ยแล้วค่ะหลวงพ่อแล้วมันถึงจุดนั้นถ้ามันถึงจุดของความสุขอ๋อแล้วแล้วสมมติว่าเนี่ยวันเสาร์ที่หนูไปปฏิบัติมาแล้วต่ อ, ต, อต่อไปเนี่ยหนูต้อง ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆหรอคะหลวงพ่อแล้วก็พิจารณาถ้าต้องการถ้าต้องการความสงขอย่างนี้ก็ต้องทําไปเรื่อยๆเหมันกินข้าวไปกินไปกินอาหารจานเด็นแล้วอยากจะกินเนี่ยก็ต้องกลับไปทําต้องไปกินใหม่แล้วถ้ามันจะต้องให้มันก้าวหน้าไปกว่าเนี้ยค่ะหลวงพ่อก็ทำบ่อยๆให้มันทํานี้เยอะออยทำทําให้ถึงเวลานอนเลยทําให้ถึงเวลานอน หมายถึงว่าทําตลอดเวลาถึงตลอดเวลาเลยยิ่งทํามากมันก็ยิง่งสงบมากอ๋อค่ะหลวงพอ่อแล้วแล้วทีนี้แต่นี้เราต้องกลับมาอยู่กับในปัจจุบันเนี้ยค่ะหลวงพอ่อเราเราจะใช้ประโยชน์จากที่เราได้จิตที่สงบแบบนั้นเนี้ยมามาช่วยอะไรบ้างคะในชีวิตประจําวันเราอ่ะมันก็ทําให้เราโลภโลภน้อยลงอยากได้อะไรต่างต่างน้อยลงไป ใจเราหยิ่ขึ้นไม่หิวโหยกับลาภลดสารเส้นสุงเป็นคนหนื่อครับค่ะหลวงพ่อไม่ต้องอามาใช้นะมันเป็นอัตโนมัติมันอยู่ในใจของเรามันมันก็จะวางอะไรหลายๆอย่างไปอ่าไม่เป็นวุ่วายกับเรื่องราวต่างๆถึงถึงจะมีเรื่องอะไรที่มากระทบเราก็แค่เหมือนรับรู้ไปเฉยๆแล้วก็รับรู้ก็ปล่อยว่างไปค่ะหลวงพ่อ ได้เราจะไม่ค่อยไปยุ่งการอะไรกับใครค่ะหลวงพอ่อหนูเวลาไปอยู่ที่ปฏิบัติที่วัดนะคะหลวงพ่อมันมีเวลาได้ทําเยอะแล้วแล้วหนูมีความรู้สึกว่าหนูก้าวหน้าทุกครั้งที่หนูไปทําปฏิบัติที่วัดนะคะหลวงพอ่อก็พยายามไปบ่อยๆในเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ไปค่ะหลวงพอ่อแล้วก็เรามั น, นก็เราเอานกลับมาปฏิบัติที่บ้านอยู่ว่าเป็นยังไงเปรียบเทียบกันค่ะหลวงพอ่อ คือพอหลังจากกลับมาหนูก็ปฏิบัติอย่างช่วงเช้ายังไม่ได้เข้าทํางานมีเวลาครึ่งชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยหนูก็เป็นไปนั่งค่ะคือมีเวลาเมื่อไหร่จะอยากจะไปอยากจะไปทำช่วงนั้นตลอดเวลาทั้งหมดมาปฏิบัติอย่างเดียวค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วถึงเวลาช่วงทํางานก็คือก็มีสติมีสติกับอยู่งานที่เราทํา ค่ะหลวงพ่อแล้วเวลาช่วงว่างช่วงเราเดินไปห้องน้ําไปทําอะไรเราก็จะนึกพุโทโธอะไรของเราไป อ, อ, อ, อันนี้ อ, อ, อย่าปล่อยให้ใจคิดเพื่อแจ้เพื่อฝันค่ะหลวงพ่อหนูหนูดีใจมากมากเลยมอฟังหลวงพ่อแล้วหนูได้ไปทําแล้วหนูก็เข้าใจที่หลวงพ่อบอกว่ามันจิตมันสงบจิตมันสบายคือมัน มันรู้อะค่ะหลวงพ่อรู้ทุกอย่าันติโกธรรมะขงท่าเป็นสันติโกเนี่ยก็เรียกสันติโกค่ะหลวงพ่อผู้ปฏิบัติจะสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองมันทําเป็นยังไงเวลาหนูไปปฏิบัติที่วัดนะคะหลวงพ่อคนเขาไม่กล้ามาเรียกคือหนูจะหายเงียบไปเลยเนี้ยค่ะหนูบอกว่าหนูบอกว่าไม่ต้องมาเรียกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ คือไม่ต้องมีใครมายุ่งกับหนูอะค่ะหลวงพ่ อ, อ, อแล้วแล้วหนูก็ออกมาจนแบบเย็นเย็นแล้วค่ะแล้วค่อยไปทําวัดทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อดีอย่างเงี้ยถูกนั้นะอย่าให้ใครมารบกวนเราบอกเข้าไว้ล่วงหน้าค่ะค่ะหลวงพ่อวันนี้หนูก็มีมีแค่นี้นะมีแค่นี้มาลัยงานหลวงพ่อค่ะหลวงพ่ อ, อทำต่อไปนะทาตอบไปอยรค่าอย่าชะล่าใจอย่าประมาทนะทำไปเรื่ยอย จะพยายามเคยทำอะไรไ ด, ได้พยายามรักษาไว้หลวงพ่อคะอีกนิดค่ะแล้วพอหลังจากนั้นมันมีความคิดว่าเหมือนเหมือนกายเราเนี่ยมันตายทุกเวลามันไม่ใช่ทุกเวลามันทุกนาทีเลยใช่ไหมคะหลวงพอ่อในความคิดหนูอะมันมีความรู้สึกว่ากายเนี่ยมันเสื่อมลงไปตลอดเวลาใช่ใชค่ะสิ่งจุดใหญ่ๆที่เรามองเห็นก็จะคือ ที่เราสังเกตได้แต่จริงๆแล้วข้างในอ่ะมันมันเสื่อมตลอดเวลาใช่ไหมคะหลวงพ่อมันตั้งค่อยๆเสื่อมไปเหมือนมกับเหมือนกับตัวนอนที่มันค่อยๆเล่อยถายไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนี่ค่ะหลวงพ่อความแก่ของเรามันค่อยๆคืบเข้ามาทีละนิดทีละนิดเหมือนเหมือนนอนคลานแล้วไม่เหมือนกระตายวิ่งใช่ไหมร่างกายครับต้องดูอีกสิบปีเลยหนอสิบปีกับวันนี้มันต่างกันค่ะ หลวงพ่อเ่าแล้วตอนตอนที่มีบทสวดนะให้พิจารณาสังขารให้สามสิบสองอะไรเนี้ยถ้าถ้าสวจไปแล้วเรานึกตามทั้งขบนเล็บลำไส้อะไรได้นึกภาพไปเลยเเนึกภาพไปให้เห็นภาพมันก็ไม่สวยมันก็ไม่ได้มีอะไรสวยงามมันแค่ปิดไว้ใช่แ<ต>เป็นด้านกายเราเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนหนัง เหมือนเหนกระเป๋าหนังพอของสุภะปลวกมาเดินเดินไปไหนก็เหมือนเหมือนเราแบกเอาของต้องมีลำไส้ไปแบกลำไส้ไปแบกเบาะแบกตับแบกไตแบกอุจจาระแบกปัสสาวะไปเราไม่เราไม่งงอย่างนั้นเราไปมองว่าสวยหน้าสวยตาสวยอะไรสวยคิ้วสวย หลว ง, งพ่อแต่ว่าเวลาปลาคิดแบบเนี้ยมันเหมือนใจมันก็เออมันก็ไม่ใช่สวยจริงๆมันก็ไม่ใช่สุกจริงๆอะไรเนี้ยค่ะหลวงพ่อเวลามันมองมเห็นแบบเนี้ยค่ะมันเห็นแล้วมันก็ตองอ๋อใครอยากจะไปประกวดนะฮะวงาปอยเขาไปประกวดนะเราไม่ไปประกวดเข้าไม่ไม่ไม่เอาตอนนี้มุ่งมุ่งอย่างเดียวค่ะหลวงพ่อ จะทำยังไงที่จะเดินเข้าไปใกล้ตรงนั้นได้มากมากอะค่ะหลวงพ่ อ, พอที่เราต้องมองเพศตรงกันข้ามคนมองพวกคนที่เราไปรักไปหลงไม่ชอบตอนนี้ก็ไม่มีแล้วค่ะหลวงพ่อก็พยายามปัดมันไม่มีก็โอเคไม่มีก็ไม่ต้องทำแล้วที่หนูถามหลวงพ่อเมื่อพูดที่แล้วค่ะว่าแล้วแล้วจะเข้าใกล้ยังไงหลวงพ่อที่หลวงพ่อบอกว่าต้องไปดูอะไรละสั่งย่อสิทธิ์ใช่ไหมคะ ก็ร่างกายที่เราก็ต้องดูให้มันชัดเจนว่ามันไม่เทียมมันไม่สขประกบมันไม่สวยงามากามา็รางกายมันมทั้งหลายให้หมดไปพอเราล้างการมันลมได้ไม่ไม่ยึดติดกับร่างกายมันจะแก่จะเจ็บจตายก็ไม่เดือดร้อนปัญหาของร่างกายก็หมดไปงั้นเรามาพิจารณาปัญหาของจิตต่อจิตเราก็ยังมีอัตตาตัวตนอยู่ยังมีบารมีถือตัวอยู่เลย ค่ะยังมีความโกรธอยู่ค่ะแยังมีความไม่พอใจอยู่มันเย็นน้ำตาใจมั่<ช>ไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายมันเกี่ยวกับราคาลงค่ะและ้วแล้วอย่างอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนูไปฟังผลที่ตรวจร่างกายมาค่ะแต่ที่เป็นโควิดอะค่ะหลวงพ่ อ, อมันกม็มีผลเลือดผิดปกติเม็ดเลือดขาว ผิดปกติคือทุกอย่างผิดปกติหมดเลยเขาก็บอกว่าให้ไปพบแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่แต่หนูก็มีความรู้สึกว่าหนูก็ยังเดินได้กินได้นอนได้หนูก็เลยไม่ได้ไปอะไรเท่าไหร่โฟกัสตรงนั้นเท่าไหร่อ่ะก็ดีไปก็เท่านั้นน่ะไปมันจะเป็นอะไรได้อย่างมากก็อาจจะรักษาทําให้มันอยู่ยาวขึ้น ถึงถึงรักษาได้แต่สุดท้ายเวลาจบมันก็ต้องโดนไฟเผาเหมือนเดิมอะค่ะหลวงพ่อเป็นการชา้าได้เดียวถ้ามันตายใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อถ้าเราคิดว่าไปรักษามันมีวันก็ไปทําไปรักษามันหนูหนูก็ไม่ได้ไปรักษาอะไรก็ดูแค่ว่าเออมันยังทรงอยู่ได้ตามอัตราภาพหนูก็หนูก็พอแล้วอะพอแล้วถ้ามันเป็นรายค่อยไปดูมันก็รักษาได้ก็รักษาไม่รักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันตายไปใช่ หนูก็คิดแบบเนี้ยคะ่ะหลวงพ่อไ่ต้องไปวนวายกับมันไม่ต้องไปโอเช็คตรวจร่างกายทุกหกเดือนทำนู่นทำนี่ไม่ไม่ค่ะเพราะพอแล้วค่ะหลวงพ่อลอกได้นะเห็นจุดจบออกมาแล้วก็ไม่ต้องไปกัวกกวกงลลว ล, ว ล, วลวเลย น, นะใช่ค่ะหลวงพ่อสุดท้ายคือจิตน่ยมันเห็นว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะหลวงพอ่อ นีแต่ไม่ใช่เรามันมีแล้วมีแต่มนเป็นของชั่วคราวไปเหมือนฟอนงอน้ําค่ะหลวงพ่อร่างกายนี้เป็นเหมือนฟองน้ําเนี๋ยมันก็แตกใช่ไหมค่ะหลวงพอ่อพมือแตกมันก็เหมือนก็ไม่มีอะไรนะหายไปหมดนะครับคืนกลับสภาพเดิมเออดินน้าําำงูลไฟเลยค่ะหลวงพอ่อหนูมีความสุขมากเลยหลวงพอ่ออาทิตย์นี้ยดีใจตรงที่มัน มันถึงถึงที่หลวงพ่อบอกว่าอย่าไอย่าไปยึดไปติดนะนะมันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตต้องทําใหม่เหมือนก็ต้องทําใหม่เรอ่มใหม่ต่อหลวงพ่อไม่ยากหรอกถ้าเคยทำได้ถ้ามันก็ไม่ยากหลวงพ่อหนูจะรักษาไว้แล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆค่ะหมายถึงว่ารักษาการปฏิบัติจะไม่ทิ้งอะค่ะถ้ามันไม่สมก็อย่าไปกอดอย่าไปเครียดนะบางที่มันแม่มันอนิจจ์ ไมแน่นอนมันมันแล้วแต่ว่าคือถ้า ส, <ต>สุกแล้ใช่ไหมคะ่ะหลวงพ่ออยู่ที่สติแล้วแล้วอยู่ที่สถานที่ใช่ไหค่ะหลวงพ่อแต่กลับมาบ้านนี่ยังไม่สุกเท่าไหร่เลยนะคะหลวงพ่ อ, อ, อ, อแต่แพยายามที่จะทํามัน ม, มันก็จางไปมันเยอะแต่เป็นความสรงจัำเนี่ยตอนนี้ค่ะหลวงพ่อวันนี้หนูรบกวรหลวงพ่อแค่นี้นะคะอาจ้ะสาธขอบพระคุณหของพ่อค่ะสาธุมากสาธุค่ะ คุณสุภาตาจากด a l l a s t e x ก s ัสอะไรช่ไกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะไงไงแต่เพิ่งตัดผมมาเนะกับเมื่อสารอาทิตย์นี้นะคะสามีตัดให้เริ่มยาวแล้วก็เลยตัดแต่ ว, ว่าครั้งนี้คงจะให้มันยาวอีกหน่อยเพราะมันเข้าหน้าหนาวแล้วใช่ไหมคะ อก็คงจะครั้งนี้จะตัดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันให้มันยาวอีกหน่อยให้มันไม่งั้นมันหนาวเจ้าค่ะเลยรีบแต่เจ้าค่ะวันนี้คุณคุณพ่อโทรไปแล้วคุณพ่อบอกไม่มีคําถามเจ้าค่ะคุณพ่อบอกไม่มีแต่ว่าแต่ว่าจากการสนทนากันก็นลูกก็เลยมีคําถามเจ้าค่ะคือลูกอยากถาม แล้วอาจารย์ว่าทําไมการที่เราจะเห็นอะจะมีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยการแค่อ่านหนังสืออย่างเดียวเนี่ยไม่พอเจ้าคะทําไมต้องปฏิบัติ ด, ด้วยเจ้าคะก็เหมือนกับอ่านเมนูอ่านเมนูกับกินอาหารมันเหมือนกันรือเปล่าเจ้าคะไม่เหมือนเมนูบัลลัสเต็กอย่างนี้แล้วมัน ม, มันเป็นสเต็กหเปล่ามันก็เป็นเพียงแต่ชื่อใช่ไหมเมนู พอเรากินสเตจเราถึงรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เราต้องเห็นทุกในเวลาเกิดคการสูญเสียขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวคุณทอเสียใครเสียเนี่ยทุกน้อมหองอกงไห้นยแล้วก็เห็นว่าอ๋อมันเกิดจากปัญหาความอยากอยากอยู่ด้วยกันเปนานๆไม่อยากจากกันแต่พอเห็นด้วยปัญญาว่ามําเป็นไปได้ป่ะทุกอย่างมันไม่เที่ยงจะต้องมีการสิ้นสุด พอเห็นยอมรับความจริงได้ปั้มเห็นว่าสิ่งใดในการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดามันก็หายทุกข์ทุกข์ก็หายไปมันเห็นในใจของเราพลิกหน้ามือไปหลังมือพี่จัดใจที่ทุกข์เศร้าโศกเสียใจการเป็นใจที่เฉยเฉยไปพอเห็นความจริงว่าอะไรมีการเกิดขึ้นต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาทุกข์ไปก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเศร้าโศกเสียใจก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลง เพราะนั้นการปฏิบัติจะจะมีความสำคัญมากกว่าการอ่านหนังสือเหมือนกับการปฏิบัติมันเป็นการดูแผนมีการดูแผนที่นในงานทำให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรแต่เราต้องเอามาทำกับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่มากระทบใจเราอนนี้ไม่มีเหตุการณ์กระทบใจเรามันก็มองไม่เห็นทุกใช่ไหมต้องมีอะไรเดี๋ยวเกิดสามีด่าแล้วขึ้นมาู่ดีนะเมื <ad> ang, <laughs> อ่อก่อนด่าก็ทะเลาะกันเก่า ทั้งทีพัควันกันเลยตอนเม<ง>ื<ง>่อก่อนทันควันกันเลยปุ๊บปุ๊ปุ๊ป๊เดี๋ยวนี้ก็ชะลอกันไปเดี๋ยวนี้นนนน เ, เขากระจายเราดีกอ่ามันดับความโกรธที่ใจเราดีกว่าไปไ ป, ไปเทียงกับเขาดีนะว่าตอนนี้ตอนนี้บอกว่าสงบร่มเย็นกันสั้งคู่ต่างคนต่าง เขาก็อย่างคนนึงอยูาก็เริ่มมานั่งสมาธิตอนเช้าพวพาพอเขาเริ่มพาพาเขานั่งอ่ะเจ้าค่ะแล้วเขาก็เขาก็ชอบแล้วเขาบอกว่าตอนเช้าดีจังก่อนทํางานนั่งสมาธิเขาบอกเขาบอกว่าเขามีเหมือนมีพลังดีขึ้นแล้วก็ตอนกลางคืนก่อนนอนก็นั่งสมาธิเรานั่งสมาธิด้วยกันนะเจ้าค่ะตอนเย็นตอนกลางคืนตอนเช้าก็เจ้วค่ะเขาเห็นนั่งแล้วเนืบอกเนื่องเจ้าค่ะ เขาเขาก็มีเขาเขาก็มีอะไรต่างคนต่างนั่งตอนเช้าต่างคนต่างนั่งแต่ว่าตอนกลางคืนเรามานั่งด้วยกันค่ะก่อนก<ม>ราานั่งด้วยกันก่อนมีความสุขแล้วก็อมีคําถามอีกหนึ่งคำถามนะคะก็คือเจ้ไม่แนะนําวิธีการจเจริญสติสมาธิปัญญาเจ้าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวลูกจะได้ส่งลิงก์ให้คุณพ่อด้วยวันนี้ก็สตินี้ก็คือการมีการระลึกให้ใจเราอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เมื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวไม่ให้ใจเราลอยไปคิดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่มันจะใช้พุโทโธพุโทโธนะแล้วก็เราจะอยู่ในรีอาบทในเราก็ทำพุโทโธพุโทโธไปใจจะ ไ, ไ ด, ะด้ไม่ไปคิดถึงอดีตไม่ไปคิดถึงอนาคตใจจะได้อยู่ในปัจจุบันนี่คือหน้าที่ของสติดึงใจไว้ให้อยู่ในปัจจุบันถ้าถ้าถ้าใจเป็ น, น, ปนวัวเป็นควายสติก็เป็นเหมือนเชือก เชื่อมีเชื่อไว้มันก็จะผูกมันก็จะหนึ่งวัวควายเอาเชื่อไปผูกไว้กับต้นไม้เนี่ยมันก็วัววัวมันก็ไปไหนไม่ได้ไม่ได้มันกอยู่ับต้นไม้สติถ้าเรามีสติมีพุทโธแล้วมีการเข้าดูร่างกายเรามันก็จะต้องอยู่ในปัจจุบันจะไปที่ที่อื่นไม่ไมันจะไปคิดถึงวันนั้นวันนี้นั่นนั่นนี้ไม่ไะถ้าเรามีสติเวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบได้นิ่งได้ เวลานั่งสมาธิพอมีสติแล้วก็ดูลมเข้าออกเข้าออกไปไม่ไปคิดตรงนั้นตรงนี้นนใจก็นิ่งสงบเป็นสมาธิแล้วก็มีความสุขอย่างที่คุณนาลีเขเล่าให้ฟังจิตมันมความสงบแล้วมันมีความสุขแต่มันมันก็สุขชั่ ว, ช, วชั่วระยะเนะีย่ยพอก า, าลังสติหมดมันออกมาจากสมาธิมันก็เริ่มคิดเรื่อนั้นคิดเรื่ทงนีง้ถ้าไม่มีสติเมันก็เกิดความอยากเกิดอะไรขึ้นมาได้ เรอยากจะสะกัดความอยากก็ต้องใช้ปัญญาสักแต่วนะ่าอยากไปอยากได้สิ่งที่เราอยากมันเป็นของไม่เที่ยงเนื้อนนะ่ะได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปพอมันหมดก็จะทําให้เราเสียใจทุกใจให้เห็นทุอย่ า, ยาว่าไม่เที่ยงแล้วเราควบคุมบางครั้มันสั่งมันไม่ได้ให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดไม่ได้อันนี้ให้ ป, ปัญญาใช้ปัญญาคือเห็นใจรับในทุกสิ่งทุกอย่าง มันก็จะหยุดความอยากนะ้มันก็จะอยู่เฉยๆไะ้มีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรได้นีคือสติสนาทิปัญญาขอบคุณค่ะขอครัค่ะขบขอบขอบขอบคอบอบขอคุณพ่อคุณพ่ออยู่เอ อนุสรสถานนะคะระหว่างกรุงเทพกับปทุมเขตแบบหมู่บ้านแบบว่าป้ายรถเมย์อยู่จังหวัดปทุมแต่ตัวหมู่บ้านอยู่กรุงเทพเจ้าค่ะอนุสรสถานทางแถงนั้นเจค่ะใช่เจ้าค่ะส่วนบ้านบ้านของลูกที่เมืองไทยอยู่ลําลูกกาคลองสองเะ้าค่ะก็พี่ว่าพ่ออยู่ที่อเมริกาด้วย ไม่ค่ะยังไม่ได้กลับไปสองปีโควิดเนียไม่ได้กลับไปเยี่ยมท่านเลยแล้วค่ะก็เลยก็เลยใช้โทรศัพท์คุยกันแล้วก็คุณพ่อสนใจแล้วก็เริ่มฟังค่ะคำถามคำตอบของพระอาจารย์นะเจ้าค่ะลูกก็จะส่งลิงก์ไปให้หคุณพ่อก็ฟังนะคะค่ะค่ะก<ช>็ไ ม, ไม่ไม่มีเจ้าค่ะไม่มีเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะาทุกเจ้าค่ะ ไปต่อนะทีนี้คนมินนะมินมิ น, น, นใช่เก่า น, นมาสการค่ะพรอาจารย์อ่ามีอะไรมหมวันนี้มีค่ะพอาจารย์อีทวิคิดนี่แต่ว่าหนูหนูอยากเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะคือเมื่ออาทิตย์ก่อนหนูไปเหมือนไปสองกล้องที่ลําไส้อะค่ะแล้วเหมือนหมอก็แบบให้ยาสลบเนี่ยค่ะแต่ว่าเหมือนระหว่างที่ให้ยาสลบก็ท่องคุณโทรไปด้วย แล้วหนูรู้สึกว่าเหมือนหนูไม่ได้หลับเลยค่ะพะอาจารย์เหมือนมีสติอยู่ตลอดเวลาเลยเออดีนั่นะประโยช น, น, น, น์ของการมีสติค่ะก็เลยเหมือนแบบเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นแบบโหมันไม่น่าเชื่อเลยอะไรเงี้ยค่ะทีนี้จะจะถามพระอาจารย์ว่าสมมติถ้าเรานั่งพุทโธไปแล้วเหมือนกับอยู่พุทโธมันหายไปใช่ไหมคะ อ่าเหมือนนั่งนิ่งๆไปไงคะ่ะคือให้เรานั่งนิ่งๆไปหรือว่าให้เรามีสติกลับมาแล้วเอามาพุดโธต่อเงี้ยถ้ามันนิ่งแบบที่ไม่มีอะไรเลยมั่งมันสุดมีความสุดมากๆก็มกมไม่ต้องทําอะไรแตถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ต้องพุดโธต่อไปอ๋อคือถ้าสมมติว่ามันเกิดหยุดภาวนาไปเสร็จ ป, ปุ๊บแต่ว่าเรายังมีความคิดแทรกมาเออยั ง, ย, งยังไม่สงยังไม่นิ่งยังไม่รู้สึกว่ามันได้พบกับสิ่งมหาจรรยาใจ พุทโธตับว่า้มันน<อ>ิ่มันสงบแล้วมันจะเป็นเหมือนของมหาจรย์ใจของที่เราไม่เคยพบไปเห็นมาก่อนค่ะอาจารย์แล้วก็เหมือนอย่างสมมติเอ่อระหว่างวันเนี้ค่ะอาจารย์เหมือนที่พระอาจารย์บอกให้เราพุทโธพุทโธไปแต่ว่ามันจะมีบางจังหวะที่เหมือนกับเราก็ดูดอยู่แล้วก็ไม่พุทโธอ่ะเราก็มาดูลมหายใจอันนี้เหมือนมัน<ช>เป็ น, ปนที่ว่าพุทโธเราไม่แข็งแรงหรือว่าเรามสลับ เราสลับ ก, กันได้ถ้าเราบางทีมันพุดโทรศัพท์เร่ยๆมันก็อาจจะเหนื่อยได้เมืม่อยได้ก็หยุดพูดโธรถ้ามันหยุดคิดจังก็ไม่ต้องพูดโทรศก็ไดมาเข้าดูล่างกายเราแทนก็ได้หรือว่าเรากําลังทําอะไรอยู่กา ล, ล, นะลังเดินนะกาลังเดินกำลังทําอะไรก็ให้ดูไปอย่างเดียวอย่าให้ใจไปคิดจังเรื่องนั้นเรื่องนี้นนก็แล้วกันอ้ ม, มันเริ่มคิดจังจะต้องใช้พูดโธรศัพท์มันเลยก็คือสลับกันได้อย่างนี้นได้าย อาจารย์แล้วก็อันนี้หนูนขอถามว่าอย่างสมมติว่าเหมือนบางทีแล้วเราก็จะเหมือนอยู่ๆก็จะชอบคิดลบ ก, กับตัวเองเลยะค่ะแบบ<ห>เอ้เราไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะบางเป็นบางครั้งแล้วเราก็เหมือนเราก็รู้ตัวด้วยว่าเรากําลังคิดลบอยู่เงี้ยค่ะก็ต้องหยุดมันเลยถ้าจมรู้ว่าไม่ดีก็ใช้ทุกทัวทุกยุดมันเลยจะถามจาร ว, ว่าแบบมันเกิดจากอะไรคะเหมือนเราก็รู้ตัวว่าเราไม่ควรจะในใสายเดิมมันเกิดจาก อ, อัาตาตัวตนมีตัวมีตัวก็ววาายอยากจะ คล้ายๆว่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนื้ออะไรแล้วไ็เห็นมาตัวเองได้กับเขาอะไรดีกับเขาเนับแต่เราจะคิดอ๋อก็คือมาจากอัตราตัว ต, วตวนออถ้าไม่มีตัวตนมันก็ไม่รู้จะไปเปรียบเทียบอะไรกับใครอ๋อค่ะพระอาจารย์แล้วก็เหมือนหนูอ่านหนังสือพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์บอกว่าถ้าเราอ่านหนังสือรับปฏิบัติเองเนี่ยเราจะโดนกิเลสหลอกแล้วอย่า ง, างเหมือนสมมติเราเป็นคราวาสเนี่ยค่ะอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ไปบวชอะไรอย่างนี้ค่ะ จะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้คือเราโดนกิเลสหลอกหรืออะไรอย่างนี้มันก็หลอกเราบางทีบางเวลาไม่ได้หลอกเราตลอดเวละบางทีมันอาจจะหลอกเพราะว่าเฮ้ยเราทับแค่นี้ก็เหลือเฟือแนละ้วพอกินแนละ้วแต่ความริงยังมีอีกเยอะที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้ทำแต่ถ้าเราไปอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับผู้ที่เขาปฏิบัติเจ้ทาท่านกับเราเราก็จะเห็นว่าอ๋อเขาทํอย่างนู้นอย่างนี้ได้เรายังทําไม่ได้ เราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่เราเหลอกตัวเราเองคิดว่าเราเก่งนะอ<ม>ืมแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวเราเองตอนที่เราเริ่มปฏิบัติกับตอนที่เราได้ปฏิบัติแล้ ว, วเราก็บอกว่เราเข้ามาไกลนะแต่จริงแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเราไปไกลถึงไหนอืมค่ะแล้วก็คําถามสุดท้ายองอาจารย์คือสมมติเท่านี้หนูปกตินั่งวันละครึ่งชั่วโมงทุกวันทีนี้เหมือนหนูเริ่มสูว่หนูทําได้ทุกวันแล้วเราสมมติเราอยู่ตอนเด็กต้องเพิม่พม เพิ่มเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงนั่งครั้งเดียวก็เพิ่าเป็นสองครั้งสามครั้งอะไรเอาเวลา oh. มาปฏิบัติให้มากขึ้นมากขึ้น <Okay. S 1> จนปฏิบัติทั้งวันเลยไม่ต้องทําอะไรครับครอาจารย์มันไม่ได้ครับอาจารย์มันต้องเริ่มจากน้อยไปหามากเดี๋ยวมันก็ได้เพราะถ้ามันได้ผลดีแล้วมันอยากจะทําขึ้นมาเองเพราะไม่มีอะไรจะมีความสุขตั้งแต่ผลที่เกิดจากการนั่งสมาธิ อนั่นติสันติบาลังสุขังสุขเอื่อที่เหนือกว่าความสงบไม่มีอ่าค่ะแล้เมือถึงจุดนั้นถ้าถึงจุดนั้นเราจะรู้เองว่าอยากจะปฏิบัติมากขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อค่ะแล้วอ่อขออีกอันหนึ่งนะคะอาจารย์เหมือนหนูเห็นที่หนังสืออาจารย์เขียนว่าแบบสมมุติเราเราสมมุติถ้าเรามีทานศีลแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องเหมือนไปตะเวนไปวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราให้ภาวนาอี่างเดียวเพราะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดหนูก็เลยสงสัยว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้แบบตะบี้ตะมันไปทําบุญที่วัดแล้วเนี่ยแล้วสมมติเราเกิดชาตินาคมาอีกนะคะอาจารย์เราจะมีกินนะคะสมมติ้าเราภาวนาอ๋อแล้วก็ไม่หิวไม่ต้องกินถ้าภาวนาได้ก็ไม่ต้องกินอ๋อค่ะอาจารย์เพระาะ อ, อ, อย่างบางทีหนูจะได้ยินว่าถ้าเราไม่ทําทาน เราไม่ไปทําไปวัดไปถวยายธนาคารเราอจะแบบว่าอ๋อเราก็ทําได้นำทำโดยไม่ต้องไปวัดก็ได้ทําที่บ้านเราก็ได้ทํากับพ่อกับแม่ทํากับคนคนคนเดือดร้อนคนยากคนจนก็ได้ทำํทำศาสนาทําของแมวก็ได้อืมค่ะอาจารย์อโอเคค่ะแล้ถ้า<ม>อยากจะทํากับวัดก็ไปหนเดียวทํามันเยอะๆไปเลยทีเดียวให้มันหมดหมันหน้าตัดไปเลยจะได้ไม่ต้องมาคอยกังวลคอยทำอย่างนี้อ๋อค่ะอาจารย์ เข้าใจนะเข้าใจค่ะเออมีเท่าไหร่ก็ทำเป็นหนเดียวไปเลยไ ม, มาาไ่เอามาแยกไว้ปัณณนิตปัณณหลายอะไรเงี้ยเพราะนั้นจะทําแล้วรู้ว่าจะต้องทําเงินก้อนนี้ไปแล้วก็ทํามันไปเลยให้มันหมดเรื่องหมดราวไปอ่าแล้วก็ที่เหลือก็ภาวนาอย่างเดียวเลยภาวนาอย่างเดียวเลวลามาภาวนาดีกว่าอ๋อค่ะอ า, าจารย์โอเคค่ะวันนี้มีเท่านี้ค่ะอาจารย์ ใคต่อคุณคันเช็ดคุณคันชีชนะใช่คุณคันชีนต่อมีที่ไหนครับอยู่ใต้วันนะครับอมีอะไรไหมครับเข้ามาด้วยฟังธรรมไหมครับหนาวหรือใต้วันตอนนี้นาวครับนาวหนาวเลยหนาวนะห่มผ้าไว้นะเงินก็ไปที่คุณจอยต่อคุณจอยอยู่ที่ ปฐุมฯะรือนนต์ตะบุเลยจจามพิร่าสองที่นี่ได้ยินไหมคะ ไ, มได้ยินชัดเจนคุณได้ค่ะกะสกายค่ะก็มารายงานตัวแล้วก็เจอบททดสอบอีกแล้วเ่ะออแล้วผ่านหรือเปล่าอ่ะไม่ผ่านสอบตกอ่ะสูดี <c oughs> ไม่ได้สุวรตาตัวก็คือแบบตัวกูของกู มันเป็นเหมือนกับว่าคือเมื่อวานเราอยู่บ้านกับแฟนแล้วเมียน้อยของแฟนที่เขามาบุกที่บ้านเลยอะค่ะเขาบุกแล้วเขาบ้านมันด่าเราเขามาเหย่องเราเขาก็มาแบบมาพูดว่ารักกันอย่างนี้จริงๆคือเราก็ฟังแล้วเราก็แบบอตลอดเลยเราแบบเราเหนื่อยจังเลยอะไรอย่างนี้ค่ะก็ดูละครตลกไปเขาอยากจะเล่นละครครับบอยเขาเล่นไปแล้วก็มีคนดูบ้าดูไป เราไม่ควรตอบโต้อะไรเขาใช่ไหมคะใช่ใช้ได้ใช้ได้นิ่งนิ่งเป็นกำไรทองนี่คือแบบแล้วแล้วเราควรไม่ควรด่าไม่ควรอะไรกับเขาเลยใช่ไหมคะไม่ทำอะไรเลยบาทก็แสดงบดบาทไปใจที่อยากจะย้อเท้อเหมือนกันเราเป็นคนดูคนดูไปนิ่งเสียตำลุงทองเออกำไรทองแล้วกับไอตัวผู้ชายที่ แฟนเราที่มันเป็นอย่างนี้เราควรแบบกคิดว่ามันไม่ใช่เป็นกฟนเราครับเป็นเพื่อนบ้านอยู่ด้วยกันไปเป็นเพื่อนเลี้ยงลูกไปไม่ใช่เป็นแฟนเรามันสอบตกตรงนี้คือแบบอารมณ์มันมันไม่ยังไม่ไปติดเขาว่าเป็นของเราใช่ไหมค่ะแล้วมันถ้าลูกเราคือหนูเจอบ่อยๆมากแล้วหนูควรจะแบบก็คอยเตือนใจเรื่อมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่แฟนเรา มันเป็นคยคนหนึ่งที่เรารู้จักกันก็มาอยู่ด้วยกันในบ้านเดียวกันเท่นั้นการต่างอยู่ไปคุยกับพ่อจ้าหนูมีพลังทุกทีแต่พอไปสู้เองนะต้องมาเตือน้นำมาเามาเตือนใจอยู่เรืยว่าเรายังอยู่เขาเป็นเพื่อนบ้านกันนั่นนะเป็นเพื่อนร่วมกันไม่ได้มีเขาไม่ได้เป็นของเราเราไม่ได้เป็นของเขาทุกคนเลยใช่ไหมคะแม้กระทําผู้หญิงคนนั้นที่มาว่าเราหรืออะไรก็ ลูกเราไม่ใช่ยองเรามันเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนมันอยู่กับเราเดี๋ยวมันโตขึ้นมันก็ไปของมันแล้วค่ะคือค่ะได้ค่ะลูกจะพยายามแบบต้องเข้ามาหาอาจารย์ทุกคนพูดจะได้มีกําลังใจที่ดีทุกคนต้องอย่าเล่นเป็นของเชื่อคราวนะค่ะอยู่ด้วยกันเชื่อค่าวในวันดีคืนดีก็ต้องจากก่ายนะ ค่ะคือเราต้องฟูคิดเองแต่คุณเห็นเขาไม่คิดกระเจ้าของเขาใช่ไหมคือของเขาไม่ไม่เกี่ยวอะไรเราอย่าไปที่ว่าเป็นของเราแล้วเขาบอกว่าอยู่กับเราไปตลอดเขาบอกว่าผิดสิ่งข้อสาไม่บอกอะไรหนูก็ไม่บอกเลยยังไงเขาจะว่าใอ้เขาไปแ่ยังมาเถียงว่าพระเจ้าเราปล่ยเขาเถียงไปหนูก็งงว่าอาจารย์ก็สอนให้เราแบบทํากสิ่งข้อหให้ครบแต่เขาแบบไม่ครบ เราเชื่อพมันจะาเราหมอคนหเขาไม่เชื่อกันเของเาค่ะค่ะขอพจ้ามากค่ะเยค่ะไม่มีอะไรเด็ของเราให้คิดอย่างนี้คะค่ะรู้ใจาค่ะค่ะหนือพยายามค่ะสาเพือค่ะท่าต่อไปคุณหมอณัฐวุฒิอาจารย์คุณอเป็ังไสบายดีนะสบายดีครับเข้ามาฟังทำครับสวดีคุณคุเสร็จงานครับเสร็จง งานหนักนะสี่ทุ่นะครับเขาไม่ได้ให้อุางเทาเนอะไม่ครับครับแตไมไม่เป็นเวลาที่เรเสียสระนะผมะนะเพื่อประโยชน์สุขของผู้บรนดาบรรดาเน<ส><ญ>ี้ไปฏิบัติคนมทุทิวาตนมทุทิวาเช่นการรัราชการจะค่ะอาจารย์วันนี้ลูกไม่มีคำถามเหมือนเดิมจะค่ะไม่เค เด็กวันเมื่อกี้นี่เือนเปิดกล้องอยู่ไปแล้วเหรอไปแล้วเดี๋ยวก็ะะจะเห็นฮะเขาเขาเาปิดกล้อง น, นะฮะเดี๋ยนะจ ะ, จะลองเปิดจะลองถามไหมฮะอ่ารย์ไม่ต้องหรอถ้าเขาก็าอาจจะไปเข้าห้องน้ำเงื่อก็ ไ, ได้ <Okay. S 1> เนนไปที่ Facebook ได้พรามันน เ, เฟซมีคำถามหมเชิามีคำถามจากทาง Facebook และ YouTube ทั้งหมดสิบคำถามเจ้าค่ะหาว่ามาเลย สองคำถามแรกจากคุณเอ็มออนข้อที่หนึ่งถ้าเราถวายเงินเป็นปัจจัยสีแก่พระจะบาปหรือไม่คะเพราะมักจะมีคนบอกว่าห้ามถวายเงินและทองแก่พระคะ่ะคือเงินทร้าวเจ้ า, วาถวายได้แต่ไม่ให้พระเก็บรักษาไว้ไม่ให้รับกับให้ฝากรูกสิษไว้ให้คนที่ไว้ใจได้ให้เข้าเป็นคนดูแลรักษาเงินทองเวลาพระขาดอาหารค่ะ กี่วันขาดยารักษาโรค ก, ก็ให้บอกคนที่เขาเก็บนั่นให้ไปจัดหาซื้อมาให้นี่คือเรื่องของเงินทองแต่ไม่ให้พรพบไว้ในตัวเองใส่ใน ย, ย่ามเดินไปผ่านเซเว่นอยากจะกินอะไรก็แวะเข้าไปซื้ออีไม่ได้เวลายาโยมจะถวายก็อย่าไปใส่ในบานรถามพระว่ามีลูกศิษย์มาไหมหลาน จ, จารย์ถวายตัจจานจะฝากไว้ให้กับใคร ถ้าไม่มีก็แล้วไปพาพระลูกท่านก็ไม่ท่านก็ไม่สนใจเรื่องปัจจัยขอให้ท่านดีอาหารเป็นธรรมาน ท, ท่านอยู่ได้นะคําถามที่สองถ้าเรานําเงินถวายวัดในงานกรถิ่นจะเป็นอย่างไรไหมคะมีคนบอกว่างานกรถิ่นแค่ถวายผ้าอย่างเดียวก็พอคะ่ะงานกระถินเนี่ยสมยัยนะี้มันไม่ใช่ถวายผ้าอย่างเดียว ถวายผ้าแล้วก็มีบริวารกะถิ่นติดมาด้วยซึ่งสมัยนี้ผ้ากะถิ่ไม่ไม่มีความสําคัญมากกว บ, บริวารกะถิ่นเพราะวันเราสมัยนี้มีค่าใช้ใจ่ายเยอะมีทาววและวัตถุเยอะที่จะต้องคอยบูนะซ้ำแซมปฏิสังขรณ์แล้วก็มีการก่อสร้างวัตถุทาววและวัตถใุใหม่ๆขึ้นมาเพิ่มเติมเรื่อยๆจึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีทาววัแล้ววัตถุต้องมี บริวารคืนเงินทางที่ที่มากับกะถิ่นนี้ทีน่นั้นก็เป็นธรรมเนียมของชาวพุทาแล้วว่าปีหนึ่งก็จะทำครั้งใหญ่ตรสักครั้งนึงก็ช่วงกะถิ่นนี้นี่จะมีการถวายเงินเป็นกรอบเป็นคำให้กับวัดเพราะวัาจะได้ไปใช้ใช้กับค่าใช้ใจ่ายดูแลรักษาวัดให้สวยงามให้อยู่ในสภาพที่ต้อนรับญาติโยมมา มาศึกษามาทำบุญมาปฏิบัติทำได้ยั้นคนที่ไม่เข้าใจก็จะมองไปว่ามีแต่ผ้าอย่างเดียวถ้าผ้าอย่างเดียวไม่ต้องไปถวายก็ได้เพราะผ้ามันยิ่งยอดยากไปหมดแล้วมีคนถวายทั้งปีอยู่แล้วอเนือ่องจากว่ามันมันเป็นธรรมเนียมที่ทำมาแต่ร่างเดิมสมัยก่อนสมัยพระพุทธกาลนี้ผ้าไม่พอใช้ก็เลยต้องต้องเอาผ้า กรถิ่มาถวายเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ผ้าเขาไปหาผ้าผ้าบังสัทุลเรียกผ้าป่าผ้าที่อยู่ในป่าชา้ามาทําจีวรแล้วต่อมามีคนบวชเยอะขึ้นบวชเยอะขึ้นผ้าในป่าชา้าก็เลยขาดแคลนไม่พอใช้พระุทธเจ้าเลยบอกให้ญาติโยมถวายผ้ารียกผ้ากระถิ่นอันนั้น อันนั้นก็วัดมาก็แบบไปวัดนี้เรียบง่ายวัดไม่มีทาวเวอรวัตถุกก็ไม่ต้องถวายบริวารไม่ต้องถวายเงินถวายทองแต่ต่อมามีคนศรัทธามากขึ้นแล้วบางคนก็มีฐานะก็อยากจะสร้างวัดสวยๆให้ให้พระเนีได้อยู่ได้ปฏิบัติอย่างสุบอย่างสบายก็เลยมีการสร้างบุติสร้างวิหารสร้างศาลาอะไรหนักขึ้นมา มาสร้างแล้วมัดอื่นเขาเห็นวันนี้มีวันหนึ่งก็อยากจะมีตามก็เลยมีการเลือกลายกันบอกญาติยมบอกมุนกันเออวันนี้ขาดสารานะวันนี้ขาดโบทขาดที่ดีมันก็เลยต้องมีการถวายบริวารของก็ถิ่นก็คือเงินทองนี้ต่าม แ, แต่คนเจะถวายไม่ถวายนี่ไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญ น, นี่พูดเล่าให้ฟังถ้าอยากจะถวายผ้าอย่างเดียวก็ได้ไม่อยากจะถวายเงินก็ไม่มีใครว่าอะไร แต่คนนี้ก็จะถอยเงินก็อย่าไปว่าเขาเพราะก็อยากจะช่วยดูแลวัดให้มันอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ไม่ใช่ไปเข้าไปในวัดเห็นแต่ของชำรุดสรุดโทรมเข้าไปในช่วงชักโครกก็ใช้ไม่ได้ยญาหยมอยากจะไปหรือเปล่าวันอย่างนั้นมันก็ต้องมีการดูแลรักษาสิิงต่างๆให้มันใช้การได้ก็เลยต้องมีบริวารเพราะบางทีรอรับเงินบริจากแบบรายย่อยมันได้น้อย อะไรต้องรอปีปีหนึ่ก็รอที่กะถิ่นเนี่ยวันส่วนใหญ่ก็รอเงินบรยจากที่กถิ่นที่ด้านมาเป็นเกาะเป็นคกำวัดที่เราไปทําอะไรได้เป็นเป็นเกาะเป็นคกำอันนี้ก็พูดให้ฟังเพื่อทำความเข้า ใ, ใ, ใจนะแต่เราไม่อยากพูดว่าสง่งเสริมวิญจะต้องใช้เงินใช้ทองถ้าไม่อยากจะบริจากเงินทองก็ไม่มีใครว่าอะไรอยากจะบริจากผ้าอย่างเดียวก็ได้ คำถามต่อไปจากคุณศรีวิไลค่ะกราบเรียนถามค่ะการเดินจงกรมและนั่งสมาธิควรฟังธรรมะไปด้วยได้หรือไม่คะกราบขอบพระคุณค่ะไม่ควรอ่ะถ้าจะเดินจงกรมมเดินจงกรมให้มีสติอยู่การเดินถ้าจะนั่งสมาธิก็ไม่ต้องฟังธรรมดูลงเนื้อพุทโธไปแต่ถ้าอยากจะฟังธรรมก็ฟังฟังได้ตอนที่เราไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้เดินจงกรม นั่งฟงังอยู่นะนั่งหนื่อยท่าสมาธิแต่ไม่ได้ทําสมาธิเราเป็นการฟังทำแทนเพราะเวลาฟังทำนี่เราต้องการความรู้มากกว่าความสงบเราต้องการฟังอย่งเนี้ยตอนเนี้เราฟังทำกันเนี่ยถ้าเรามานั่งหลับตาพุโทธโธพุทโธไปด้วยมันก็จะชนกัน้ใจหนึ่งก็อยากย ใ, ให้มันสงบอีกใจหนึ่งไม่อยากจะลึกฟังว่ามีใครขโมยเรื่องอะไรบ้างมันก็มันก็ไม่มันไม่ถูกเวลา ก็อยจะทําทอย่างไดอย่างหนึ่งอย่าทำทั้งสองอย่างพร้อมกันถ้าอยากจะนั่งสมาธิดูลมก็ดูลมอย่างเดียวไม่ต้อ ง, งทอําทําแล้าอยากจะฟังธรรมก็ไม่ต้องดูลมฟังธรรมไปคนละเรื่องกันคนละวิชาไ น, น, นั่งสมาธิก็ทําใจให้สงบฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาคําถามต่อไปจากคุณเฉลิมไปเที่ยวนรกสวรรค์ได้จริงไหมครับหลวงพ่อ ก็ลองนั่งสมาธิดูนแล้วก็จะรู้เองสันติติโกว่าจริงหรือไม่จริงพอเราบอกกันนี้คุณก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงต้องเรานั่งดูแล้วถึงจะรู้ว่านรกเป็นอย่างไรสวรรค์เป็นอย่างไงรคำถามต่อไปจากคุณประนอมมีทั้งหมดสองคำถามเจ้าคะ่ะการเรียนสอบถามพระอาจารย์ข้อที่หนึ่งถ้าเราถือศีลแปดจะต้องไม่ทานข้าวเย็น แต่เรากำกาลังเจ็บป่วยอยู่จำเป็นต้องทานยาหลังอาหารแล้วต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะไม่ผิดศีลเจ้าคะก็ ถ, ถือศีลเจ็ดได้ไม่ถือศีลแปข้อไม่กินอาหารหลังอยากเที่ยงวันไเแลาก็งวลไปถือแค่เจ็ดข้อแทนมันก็ไม่ผิดศีลคำถามที่สองของคุณประนอม การเจริญสติแล้วจําเป็นต้องปัดนิวรณต่างๆเช่นความเกลียดคล้านหรือการง่วงนอนจะตัดนิวรณ์เหล่านี้ได้อย่างไรดีคะเริ่มด้วยความเกลียดความประหยัดไม่ใช่ความขี้เกียจถ้าขี้เกียจก็ตัดไม่ได้ต้องใช้ความประยัดความประยัดความตั้งอัวตั้งใจคําถามต่อไปจากคุณประนอมกราบเรียนสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะพ่อของข้าพเจ้าเจ็บป่วยอยู่ จนท่านท้อแท้หมดกำลังใจในสังขารได้แต่แตัดพ้อว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่เราในฐานะลูกจะพูดให้กำลังใจท่านอย่างไรดีเพราะท่านเองก็ไม่ค่อยเข้าถึงพระพุทธศาสนาเท่าไหร่เพราะทั้งชีวิตท่านก็อยู่กับทางโลกอยู่กับการทรมาหากินตลอดชีวิตอยู่ๆพอเจ็บป่วยหนักจึงทาให้จิตตกพอสมควรคะ่ะ ก็บอกว่าบอกให้อยู่เป็นเพื่อนเพื่ออยู่เป็นเพื่อนลูกๆเป็นที่เพื่อนของลูกๆเป็นกำลังใจให้กับลูกๆไปว่าอย่างนี้พ่อเขาอาจจะมีกำลังใจอยู่ต่อเ อ, อิ็ยังมีคนอยากให้เราอยู่นะบางทีเราไม่ได้ไปพูดไปไปขอเล่าให้พ่ออยู่พ่อมันอาจจะน้อยใจด้วยมันคงยังไม่อยากให้กูอยู่แล้วมั้งก็พยายามชวนพ่ออยู่ไปเรื่อยๆพ่ออยู่ไปกับพวกหนูนนะ อยู่กับไปกับพวกผมพวกผมมีว้าเวเวนะมีพ่อนะดูให้มีพ่อแล้วมีกำลังใจที่จะอยู่ไปในความสุขถ้าวพวงนี้พ่อเขาก็จะมีกำลังใจมีมีเหตุเพราะว่าทําไมยังต้องอยู่ต่อคําถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือน แล้วมักมีปัญหากับหัวหน้าในเรื่องแนวทางการทำงานอยู่บ่อยๆจึงทำให้ไม่สบายใจบ่อยครั้งในชีวิตมากในฐานะที่เราเป็นลูกน้องเราควรใช้ธรรมะข้อใดในการนำมาปรับใช้เพื่อไม่ให้ใจเราทุกข์บ้างครับขอโอกาสพระอาจารย์นิตาครับเราก็ต้องรู้ที่สูงที่ต่ำรูตัวเรารู้ตัวเขาอันนี้เป็นคุณสมบัติของบัณฑิตของจักบุรุษลุ ให้รู้ตัวตอนรู้ว่าตัวเราอยู่ในฐานะไหนแล้วผู้ที่เราเกี่ยวข้องด้วยเขาอยู่ในฐานะไหนรู้ตอนก็รู้ว่าเราเป็นลูกน้องรู้ว่าบุคคลรุกคนเอ่นก็รู้ว่าเขาเป็นเจ้านายเรามันก็เป็นเจ้านายเราเราเป็นลูกน้องเราก็ต้องทําตามเจ้านายสั่งนั่นเองแต่บางทีเราเผลอไปทับตัวเป็นเจ้านายแทนไปคิดว่าเก่งกว่าเจ้านายเป็ถีบเจ้านายไปขัดกับเจ้านายก็ทุกขึ้นมา ดังนั้นต้องรู้จักฐ า, านะของตนรู้จักฐานะของผู้ว่าเขามีฐานะอย่างไรเรามีฐานะอย่างไรเราถึงจะอยู่กันได้อย่างมีความสุขคาถามต่อไปจากคุณออดีก้กราบนมัสการท่านพระอาจารย์คะ่ะรบกวนสอบถามว่าช่วงนี้ที่วัดมีการไปฟังธรรมที่น่ากุติเหมือนปกติหรือยังคะตอนนี้ยังไม่มีมีแต่สูงนะ พยายาำว่าเข้ามาในส่วนถ้าหลายสองโมงก็ดูของของเก่าไปก่อนเป็นเทพคาถามต่อไปจากคุณคเนศรูกประชานอรุพชา ญ, ชาญวางอย่างไรครับพระอาจารย์วางด้วยสติมีสติพุทธโธพุทธโธไปหรือดูเราหายใจไป้าเดียวมันก็จะเข้าพาเราเข้าสู่รูประชานแลูประชานเองถามสุดท้ายจากคุณ เอ็นบายพระกับโยมต่างกันที่กดหรือต่างกันที่ใจครับพระกับโยมต่างที่ศีลนั่นเองโยมไม่มีศีลพระมีศีลพรบเป็นผู้ส่งศีลรักษาศีลแต่ว่ายี่เจ็ดข้อโยมบางคนศีลแม้แต่ข้อเดียวก็ไม่มีต่างกันที่ศีลคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะอุลลิตาใชิญบริ ครับแล้วมาตรการเขาหลงพอวันนี้เข้ามาช้าหน่อยก็อืมการที่ทํางานแล้วไม่ให้ฟุ้งซ่านควรวางหลักใจยังไงเนียครับเพราะเวลาทำงานจนจอเยาะงานอย่างเดียวไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้างานเป็นประเภทต้องคิดว่าฉันต้องทำอย่างนู้ต้องออกแบบอย่างนี้ต้องสร้างสรรอย่างนั้นอย่างนี้คืออย่างนี้ตลอดเวลาครับหลวงพ่อก็คิดไปเหตุถ้าเป็นเรื่องของงานก็คิดไปตามตามเนื้อผภาไปอย่าไปคิดนอกรูนอกทาง อืมก็คิดในเรื mm ่องงานไปแต่พอคิดเสร็จว่พอทํางานเสร็จมันก็กลับมาใช้ชีวิแบบอยู่เนิ่งๆมันก็ฟุ้งอยู่ทั้งที่ไม่ได้หมดเวลาทํางานแล้วมันก็มันเหมือนมีแรงผลกระทบมาจากทางที่ไม่ใช่เวลางานก็ต้องพูดโทรต่อไปถ้าไม่ได้นั่นต้งใช้พูดโทรนะครับอืมอออธิจิตที่เอ๊ออาทิตย์ศีลที่สมบูรณ์นี่คือศีลห้าที่สมบูรณ์ใช่ไหมครับหลวงพ่อ คือเป็นเสียงที่ที่ไม่ไม่ด่าพร้อยมันเสียงของพระอริเจ้าอ า, าอทิตสีนี่เป็นเสียงของพระสมวดาบ้านที่สุอ๋อครับ ก, ก็วันนี้ก็แค่นี้ครับนนหลวงพ่อเป็นสเสลนทานต่าเสลนทานเป็นยังไงทนายนี้หรครับกลับการวัการเจ้าค่ะสวายดีเจ้าค่ะ ยมก็พอดีวันนี้มันอาทิตย์นี้ที่นี่เขาปรับเวลายมก็เลยเข้ามาช้าหน่อยยมลืมไปจ้าค่ะว่าเล็กวาเลเวลามันต่างกันแล้วก็ก็ยมก็ไม่มีอะไรค่ะเข้ามาเติมกำลังใจเข้ามาปรับพระอาจารย์เจ้าค่ะเจอคนจีนบ้างหมบ้าอเจอค่ะเจอตอนไปทําไปทําบุญกระถิ่นด้วยกันะมีมีเจอกันแล้วก็มีคุยกันพอดีว่าที่วัดไหนทําที่วัดะหน มีแถวๆนี้ก็จะมีสี่วัดติดกันนะคะมีวัดป่านานชา ต, ว, ตานนาาวัดวยานสังวัดวัดยานมีวัดยานเหมือนกันตรงนี้เหมือนกันแล้วก็วัดไทยดีเซอร์ที่ที่แล้วแล้วทิศหน้าก็เป็นวัดธรรมประทีบ น, นะคะก็เดี๋ยวนี้ก็ง่ายอะคะ่ะก็ส่งทุกอย่างออนไลน์ได้หมดเราจะทาแต่ผ้าอย่างเดียวนะเราจะทําถวายบริวารผ้าด้วยบริวารกระถิ่นด้วย ก็ก็ทําทุกอย่างมีอะไรให้ทํำยมก็อย่างวันนิดอย่างน้อยมีทําได้ทําทุกอย่างกับมาจารเอาทุกอย่างความทําด้วยแล้วก็แล้วยมก็เวลาเข้ามาฟังทำของพระอาจารย์แล้วมันมีกําลังใจอ่ะค่ะเหมือนในชีวิตประจําวันเราเจออะไรมากมายแล้วมันหลุดอะค่ะมันไม่มีสติทะเลาะกับลูกเกือบทุกวันแล้วพอมาคิดพอมาฟังทำพระอาจารย์ก็เริ่มมีสติว่าไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ถูกแล้วมันต้องปล่อยต้องปล่อยต้องปล่อย ต้องทําให้ได้อย่างนี้เท่ากับว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตประจําวันเราต้องมองทุกเรื่องให้เป็นบททดทดสอบใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่แล้วเราก็ใช้สติเราก็ใช้ปัญญาเราก็ตัดได้ทุกอย่างต้องเป็นไตรลักษณ์ทั้งหมดใช่ไหมคะพระอาจารย์ตัดความโลภตัดความอยากต่างๆตัดความยึดยึดยึดมั่นต่างๆแล้วเราต้องทำอย่างนี้ไปตลอดชีวิตใช่ไหมคะจนกว่าวันหนึ่งก็จนกว่าวันเนี้ยจนกมันจะหมดเมื่อมันหมดเมื่อไหร่ก็หยุดได้ ไมันม่ถึงตลาดชีวิตก็ได้เพราะพระเจ้าบกางคนก็เจ็ดวันบางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปียมยมกปอยากพระอาจารย์ยมก็อยากมันสติมันไม่ต่อเนื่องอะค่ะปัญหามันถึงไม่ต่อเนื่องมันก็เลยทำตามกาลังเราไปก่อนก็ไเพราะเรามี็นธารกิตอย่างไีค่ะพระอาจารย์ถ้าอยากจะไปเร็วก็ต้องไปบวชเลยใช่ค่ะยมก็ที่บอกพระอาจารย์ในที่ที่แล้วว่ายมอาจจะต้องรอให้ลูก เข้ามหาวิทยาลัย <lif> ก <temples> ่อนแล้ว <ambitions> ก็ถึงจะได้ปฏิบัติธรรมจริงจังจริงจุดไบวชไปบวชก็เหมือนขึ้นทางบวชนะถ้ายังไม่บวชก็เหมือนอยู่ขับแรถอยู่ข้างใต้ทารบวชนะใต้ทางหลวงมันก็ช้าหน่อยมีมีแยกไปแดงมีรถติดมีอะไรค่อยๆสะสมค่ะตอนนี้ยมบักน้อยยังไม่อยากเป็นทางบวนนะยมยังทําไม่ได้ค่ะยมก็เลยต้องใช้ข้ออ้างบังหน่อยบังน้อย ที่ยังอื่นไม่ ม, มากน้อยนะทําบ้านไม่มากน้อยวงานนี้ไม่มากน้อยได้แล้ได้มากเท่าไหร่ยินดียังไม่ถึงจุดนั้นี่ะพระอาจารย์ยม ก, ก, ก็ก็พยายามค่ะพระอาจารย์ทําเท่าที่ทําได้ค่ะโอเคค่ะ <Okay. S 2> กับค่ะอา<ำ>จารย์เจ้าค่ะทําไปเก็บตัม้ตมไปก็แล้วกันนะเห <C HA? S 1> ม, มืนอนย้อนยนเลยสายกระปกวันละเหรียญสองเหรียญอ่าค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์โอเคดีก็ไม่ใส่นะ ดก็ไม่ท่า น, น, น, น, น, นต่อไปคุณดันพัฒน์แนพันนพนนพกล่าวนามนสการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้เข้ามาช้าเพราะว่าเพิ่งกลับจากที่ทํา ง, งานแล้วก็เพิ่งถึงบ้านเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะเข้ า, <ห>ขามาหาพระอาจารย์เจ้าค่ะก็วันนี้มีบททดสอบเยอะพอสมควรเจ้าค่ะในเรื่องของงานก็มีสติควบคุมพอได้เจ้าค่ะแต่มีนิดนึงจะจะกลับเรียนถามท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าลูกมี มีคุยกับคนคือเนื่องจากว่างานเนี่ยมันที่มันต้องเริ่มพรุ่งนี้มีเยอะมากจนจนเราต้องใช้สติในการจัดการงานอะนะคะแล้วพอมันเข้ามาเยอะๆมีการคุยกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีลูกก็ทําเสียงเรียบๆ เ, เสียงแข็งอย่าเงี้จ้าค่ะพระอาจารย์อย่างเงี้ยคือถือว่ามันไม่เหมาะสมในธรรมไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เราควรจะรู้แหะว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมเวลาคนหนเขา้ามูดกับเราอย่างนี้เราจะรู้สึกยังไง การพูดแบบสุภาพอ่ อ, อโยนกับพูดแบบแข็งแข็งมันก็มันก็แสดงว่าเราอาจจะมีอารมณ์หยุดหงิดหรือไม่พอใจอะไรบางอย่างถึงพูดอย่างนั้นออกมาเจ้ออาค่ะแต่ถ้าเรา ม, มีสติความเมตตาแล้วก็พูดคุยกันอย่างที่เราคุยกันอย่างเงี้ยคุยกันแบบเรียบเรไม่ใช่อารมณ์มใช่เหตุใช่ผลเจ้ค่ะ แต่ถ้ารู้ก็พยายามพยายามแก้เสียเอาต่อไปก็มีสติก่อนที่จะพูดและดูในใจแล้วตอนนี้เรามีอารมณ์หรือเปล่ะมีอารมณ์ว่าต้องตั้งสติพูดแบบไม่มีอารมณ์ไม่ได้ในนี้ก็เฉยๆไปก่อนจะขาดพลาจะขาะไรนะคะจเ <Okay. S 2> มันเจะขาด เก่กเาจะไม่กระจายแลครับเด็กวัดนิรนามเปนยังไงเข้ามารอต้องนานนะเปิดไปเป็นไหมอยู่ที่ไหนดูอยู่ที่ไหนเด็กวัดพูดได้เลยใช่ปะการเชียงใหม่ครับพูดดังๆ ไ, ไม่ได้ยินเสีย ง, เ ส, ยงเสียงค่้อยมากเกินอ ย, อยู่เชียงใหม่ครับอยู่เชียงใหม่ แต่ทำงนนานไม่ค่อยได้ยินเสียงไหนเสียงค่อยเข้ามาใกล้ๆหน่อยใช่ไหมใกล้จอหน่อยอยู่เชปการเชียงใหม่ครับเ อ, อ่อมาองไงมีคําถามไหยครับไม่มีครับแค่เข้ามาฟังเฉยๆครับอาอยุเท่าไหรนะ่แล้วสิเอ็ครับสิบเอะดรอแล้วบอกให้เข้ามาฟังอ่ะมาฟังเองครับมาฟังเองเหรอแล้ฟังรู้เรื่องไหมปก็ ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ก็ชอบฟังธรรมะอยู่รครับชอบฟังธรรมะเลยนั่งสมาธิเป็นไหมเป็นครับนั่งได้ไหมนั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธได้ไหมได้ครับเจมเข้าเข้านิวร น, น่อยครับเข้านิวรนน่ะ น, น, นิวรนเยอะนิวรนตัวไหนอะมันง่วงบ้างที่เียบที่ค้านมากครับ ขี้เกียจทีานต้องเอาใครออกความพยายามสู้มันนะอย่าขี้เกียจขี้เกียจไม่ดีขี้เกียจไม่ได้เลยขยันแลจะได้ธรรมะได้สวาสุขแข่งหน้าตอนนี้อยู่วัดเหะเป็นเด็กวัดเอรอเพิ่งออกจากวัดมาครับเนี่ยเคยเคยบวชแน่นะคเคยเคยบยู่ข้างดร้อนก่อน อันนี้เรียนน้ำเสียอยู่แล้วไม่ได้เรียนเลยครับโอเคเดไป ไ, ปไปบุญไปกุศลมาอย่าง้ยดีนะดีกว่าไปเล่นเกมนะฟังเทศฟังธรรมดีกว่านะโอเค <Okay. S 2> อ่าจุนอ่าคำถามหมดแล้วผู้ที่ถามรอบแบกมีใครอยากจะถามอีกไหมยกใครอยากจะถามอะไรก็ยกมือขึ้น มิ น, นครับมินเองครับ amen อ๋อค่ะค่ะก็นะคะนึงเขาจะคะจะถามว่าสมมติถ้าแบบคือหนูเป็นคนที่นอน8ชั่วโมงทุกวันเลยอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องนอนเนี้ยทุกครั้งเลยเหมือนแบบมันไม่รู้ว่าเป็นที่ร่างกายแบบว่าบอกตัวเองว่าเราจะต้องนอน8ชั่วโมงตลอดแล้วก็รู้สึกมันนอนเยอะอย่างนี้คือเราจะแก้ยังไงดีคะส่วนนึ่งก็กินให้มันน้อยหน่อย ถ้ากินอิ่มมากมันก็ง่วง ม, มากถ้ากินน้อยมันก็จะไม่เคยง่วงแล้วคือเราจะชอบคิดว่าเหมือนร่างกายเราไม่ไหวอะไรอย่างนี้ค่ะเรานอนน้อยไม่ได้อันนี้คือมันเป็นกิเลสหลอกเราอยู่ไหม ค, คะพัดตันมันก็เป็นกิเลสแต่มันก็มันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องอคือเราต้องเปลี่ยนมันเป็นนิสัยที่เรามันติดตัวเรามาแล้ววิธีที่จะเปลี่ยนนิสัยนี้ได้ก็คือ ถ้าเราฝึกปฏิบัติทำและฝึกรักษาศิ่งเป็นความจําเป็นที่จะต้องการที่จะนอนมันก็จะน้อยลงไปอ๋อค่ะแล้วคือสมมติเรานั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์มีความจําเป็นไหมคะที่เราต้องสวดมนต์สมมุติถ้าหนูไม่ชอบสวดมนต์หนูนั่งสมาธิอย่างเดียวเลยดได้ไ ด, ได้ถ้านั่งสมาธิได้เลยก็ไม่ต้องสวดการสวดมนต์นี่เป็นการกล่อมใจใ ห, ให้ให้ให้ให้เบาจากความคิดตา่างๆ ก็จะได้นั่งสมาธิได้แต่ถ้าเรานั่งสมาธิได้เลยก็ไม่ต้องสวยก็ได้อืมค่ะเพราะว่าเหมือนหนูก็กลัวเออถ้าเราไม่นั่งสมาธิแล้วมันจะเป็นอะไรไหมค่ะถ้ารย์แล้วก็อีกคําถามหนึ่งค่ะวันหนู้เคยฟังว่าทําไมเขาบอกว่าเหมือนกันใช้กรรมที่แบบที่ใช้หมดเลยดีที่สุดก็คือการปฏิบัติสติสติปัฏฐานสี่อันนี้เป็นเพราะว่าอะไรนะคะอาจารย์ถ้าเราปฏิบัติ เป็นประทานสี่ได้สําเร็จเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเมื่อเราไม่กลับมาเกิดกรรมเก่าๆที่เราทำมามันก็สมบุญให้กับเราไม่ได้อ๋อค่ะโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะอาจารย์สวัสดีจาวเรื่อง น, นึงขึ้นได้ครับขอข อ, ขอคําแนะนําในการวางแผนชีวิตหน่อยครับเพราะมันวางแผนชีวิตมันก็จะมีเรื่องนึกถึงกัน การหางานกันนู่นกันนี่ครับแต่เรื่องธรรมะไงก็ไม่ทิ้งอยู่แล้วเลยขอคําแนะนําว่างแผนชีวิตจาหลวงพ่อครับก็มันมีสองส่วนส่วนร่างกายก็ต้องทํามากินให้มีปัจจัยสีเล้นตากเล่นท้องก็พอไม่ต้องรําไม่ต้องรวยแล้วอีกครึ้งหนึ่งก็เอาเวลามาปฏิบัติธรรมทำถึงทำทานรักษาสีภาวนาครับก็จะจะทำสวยไหนมากกว่าการ็ขึ้นอยู่ว่า เราสามารถทำส่วนไหนได้มากกว่าเราก็ทำส่วนนั้นไปทำทานศีลภาวนาได้มากกว่าก็ทำไปถ้ายังไม่ได้ก็ท ำ, ท ำ, ทำหาปัจจัยสี่ไปก่อนอ๋อครับก็อืมก็มันตุ่งแบ่งม<ๆ>ันก็ลดการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายให้น้อยลงไปครับ มันต้องแบ่งเป็นช่วงมันต้องวางแผนไว้ว่าอายุสามสิบอายุสี่สบท่านจะทำอย่างนี้ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปอย่างนี้ได้ไหมครับหลวงพ่อก็แั้วแต่เราชีวิตอของเราเราจะไปกําหนดยังก็ได้อ๋อครับแต่ก็ต้องคิดถึงวันตายว่าบางทีมันไม่ถึงสามสิบก็จะตายได้นะเราจะตายเมื่อไหร่เมื่อตายนะ้เหตนตอนนี้รีบมามาม า, ม า, มาสร้างธรรมะมันไม่ดีกว่าแล้วธรรมะเป็นสิ่งที่เราเอาไปได้ แต่เขาย่าเอ่ยนี่เร า, เาไปไม่ได้ครับก็ทางโลกมันไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทางธรรมมันมีที่สิ้นสุดก็ตอนออตัวเองอย่างนี้อันนี้ไปทาำธรรมนี้ไปเที่ยวนี่ก็ไปวัดนี่ไปปฏิบัติธรรมตั้แต่เสร็จวันที่ไม่เคยกลับเข้าวันเลยนั้กลับกลับครับกลับเมื่อเดือนที่แล้วเขาหลวงพ่อที่บอกหลวงพ่อไปปฏิบัติเอ อ, เ อ, อ อแต่ว่าก็กาสจะหาโอกาสใหม่เหมือนกันครับรู้สึกว่าจิตใจที่เมื่อไรขวางว่าเท่าไหร่กิเลสมาง่ายขึ้นเท่านั้นอยากไปหาที่ปลายในจะแต่มันก็ไปไแบบตอนนี้ก็ชวนเที่ยวกันอยู่ด้วยนะมีรถรถแลกแจกแถมก็อินซีอ C, ตอนนี้ก็จะให้บวชแบบ ย, วยาวๆผมก็ทําไม่ไหวแล้วก็ขอแบบทําเท่าที่ทําให้เต็มที่แบบตอนนี้ให้อย่างน้อยก็แบบอเอาที่ดีที่สุดแล้วอนก็เอาแบบสัน 3, 5, ้นๆในละสามวันห้าวันก็ย่างดี เราไม่ทำเลยครับก็พยายามฟังเทศเพ่อแม่ครูบาอาจารย์บ่อยๆเพื่อฮะเค็หัวตัวเองไม่ไงั้นไม่ไงั้นกิเลสเอาไปกินก่อนโอเ ค, ค, คมีใครไหมมีใครอยากจะถามอะไรไหมคณกาจจินทร์เหรอท่านิ้ษมามามามาอาจารย์ก็จะถามว่าถ้าถ้าเราบูชาพระอย่างเนี้ย เอาเป็นเงินที่บูชาพระไปจะได้บุญไหครับบูชาไงเอาว่าตรูมามาบูชาให้นะใช่ครับเดี๋พระที่อยู่บ้านเนี่ยถ้าเราให้เขาส่งมาให้แล้วเราบูชาเนี่ยเราจะได้บุญนะครับได้น้อยซืี้ยวปฏิบัติบูชาในแบบที่เจ้าบอกมานั่งสมาธิได้บุญเยากก่ะนักษาศีนได้บุญเยากกว่ะเอาผ้ามากราบมาบูชา ยังไม่ไม่ต้องมีพระพุทธรูปอะไรนะนั่งสมาธิไปได้ดูชาวพุทธเจ้าเยอะไปได้กับพระพุทธรูปนักษาสีนั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมเนี่ยเนี่ยคือบุญหลักนะได้เยอะกระจัยนะครับมีใครไหมรับรางวอะไรครับ แปลว่าอะไรเชิญการพุพหาการไปจาริกหรือว่าการไปดูและไปกราบสถานที่ต่างๆเช่นพระบรมธาตุหรือว่าอ่กุฏิของหลวงปู่หลวงตานี่มีความจําเป็นหรือว่ามันมันมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนในการมันก็ช่วยสร้างศรัทธาถ้าเราไม่มีศัธาแต่ถ้าเรามีศรัทธาแล้วเราปฏิบัติแล้วเรไม่ต้องไปเสียเวลาอืม <c oughs> มันเป็นเป็นจุดประกาให้เราเกิดศรัทธาอยากจะปฏิบัติธรรมว่าเราเห็นว่าท่านก็ปฏิบัติธรรมท่านถึงได้มีเป็นอย่างนี้ถ้าอยากจะเป็นเหมือนท่านเราก็ต้องไปปฏิบัติธรรมดังนั้นคือเช่นบางท่านบอกว่าราศีนี้ต้องไปกราบพระธาตุนี้อันนี้คือไม่จริงอไม่จริงไม่เกี่ยวนะเป็นเรื่องปรุงแต่งไปมันดไปเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ นี้เท่านี้จ้าค่ะถ้ยังไม่มีจิตธายังไม่อยากจะปฏิบัติก็อาจจะไปดูแล้ศึกษาประวัติของท่านมาได้ยได้ข่าว่าท่านทําอะไรก็อะไจะถับตาท่านขอบพระคุณเจ้าค่ะมีใครไหมคุณคุณมินครับอยกนี้ได้เลยครับพระตาค่ ะ, คะขอสอบถามว่าอย่างแบบ พวกวัตถุมงคลอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบัดหนูอย่างบางทีเราไปวัดอะไรเงี้ยก็จะมีเหมือนการแบบบุกเสกอะไรเงี้ยนี่คือมันตรงกับแบบว่าไ ม, ไม่ตรงเลยไม่ตรงเลยไม่เกี่ยวกับศาสนาพุทธเลยเป็นของที่คนคนเขาเอาเข้ามาแทรกเข้ามาไม่อยู่ในคําสอนพระเจ้าเรืวัตถุมงคลอ๋อก็คือจริงๆเราไม่จําเป็นจะ ต, ต้องห้อยผ่าหรืออะไรเงี้เลยถ้าเราท<ร>่องบทศึกษาน่ะห้อยทาไมละห้อยทำไม ก็เหมือนเขาบอกว่าเหมือนแบบเหมือนสมมติถ้าเราจิตเราไม่สว่างพอพักก็เหมือนสว่างกว่าจิตเราเลยนั่นสว่างขึ้าบ้างลอค่อยดูว่าสว่างขึ้าบ้างไม่ทราบค่ะอาจารย์ไม่พิสูจน์เลยแค่ว่าสว่างแล้วเราค่อยดูด้วยมันสว่างขึ้าบ้าอ๋อค่ะไม่เรามันจะสว่างว่าน่าเกิดจากความสงบใจสงบมันก็จะสว่างอืมค่ะ วัตถุมงคลไม่ไม่ไม่ไม่มีส่วนส่วนเกี่ยวข้องกับศาสนาพูดเลยเป็นเรื่องของคนเราเข้ามาเองปั้นขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่มีการปั้นวัตถุมงคลปลูกเสร็จพระเจ้าบอกให้ปลูกตัวเราไม่ต้องไปปลูกพ้ะหลอกปลูกวัตถุมันปลูกได้รือป่าปลูกก้อนหินปลูกปลูกอิฐปลูกปูนนี่มันปลูกขึ้นมาได้หรืป่าปลูกใจเราเสร็จใจเราตอนนี้มัน แล้วมันหลักกับความโลภความโกรธความหลงไนมันมัวเมากับความโลภความโกรธความต้องปลุกให้มันตื่นขึ้นมาให้เห็นโทษของความโลภความโกรธความดลงว่าเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับเราให้ตกแบบนี้ค่ะอาจารย์อ๋อแล้วก็อีกคํำถามนึงค่ะอาจารย์หนูเห็นพี่ๆเขาไปวัด ไปอยู่วัดอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้คืออย่างวัดยานนี่คือเราก็ไปอยู่ได้ใช่ไหมล่ะคะ <c oughs> ได้นะวัดยานเขาก็มีที่อยู่แบบว่าเป็นหออยู่ข้างนไม่เกินเจ็ดวันนุ่งข้าวอมข้าว <c oughs> แต่หนูก็คือถ้ารู้สึกของวัดยานอ๋อ ค, ค่ะโอเคค่ะอาจารย์ประมาณนี้ค่ะมีแค่นี้ค่ะลองไปซื้อสินแบกซื้อสินแบกถสักเจ็ดวันหนึ่งห้าวันก็ได้สามวันก็ได้อันนี้วัดชอาเปิดให้เข้ามาอยู่ได้นะ ลองได้ลองที่พักได้แล้วเราก็ไปอยู่เราก็ไปปฏิบัติเองก็คือนั่งแล้วก็เดินเขาก็มีเขาก็มีให้ไปลงบสถเช้าเย็นด้วยไปไปไ ป, ไปนั่งสมาธิในบสถ์ในสวนบนทุ่งกัญชันแต่ถ้าเราอยากจะไปแบบอยู่คนเดียวก็มีที่นึงอยู่บนอยู่บนเขาอันนี้เราทางคนล้าคนอันนี้ไปอยู่คนเดียวไม่อยู่กับใครเลย ให้ปฏิบัติของเราคนเดียวเดินจนผมน่งสมาอยู่คนเดียวก็มีสองแบบอยากอยู่เป็นหออยู่เปกลุ่ก็อยู่เป็ น, ป ม, ปปน <c oughs> มีหอพักให้อยู่แล้วก็ลงทักิจวัตรรวมกันลงบวชเช้าเย็นไหว้พะสวดมนต์นั่งสมาธิครับอยู่แบบอยู่ที่แอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องอยุ่งออกไปไปอยู่บนเขาเชิงเขาหนึ่ง อย่บ้านตา้งอยู่เชิงกาวงป่าไม้อนุยาตให้เขาไปอยู่ได้ก็เหมือนไปทดสอบว่าอยู่ได้ไหมคนเดียวถ้าอย่นั้นถ้ายังไม่พร้อมกาอย่ารุ้งไปเดี๋ยไปแล้วอยู่ไม่ได้โอเคค่ะสมัยเคยไปอยู่พอตกค่ำขอกลับบ้านแล้วก็มีเห็นอะไรเต้นไปหมดโอเคค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวคงได้ลองไปอีกครั้งนึงค่ะอาจ อถ้ามีใครอยากจะถามเอก อ, องค์ชุพัตราใช่ไหมเห็นยกมือใช่ไหมเมื่อกี้ขอขอไลค์คุณหลาอีกรอบนะคะขอคุณบอยช่วยส่งอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะจดไม่ทันเจ้าคะ่ะขอบพระคุณเจ้าคะ่ะขึ้นขึ้นอยู่ใน c h a เห็นไหมฮะตอนนี้ยังไม่ขึ้นคะ่ะเมื่อกี้จดไม่ทันจ้ะ มีงานอยู่ข้างล่ามีแชทขึ้นมาเนี่ยขึ้นมากดอ๋ออ๋ออยู่ที่แชทเหรอคะครับครับอยู่ที่แชทนะกดที่คำกดที่ตัวแชทนะข้างล่างตัวตัวคอนโทรลนะข้างล่างจะเห็นคำว่าแชทอ๋ออ๋ออ๋อโอเค่ะครับคส่งส่งให้ทุกคนเลยฮะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณตาคุณล้านึงคุณล้าแกก็ปปฏิบัติอ๋อขอบคุณค่ะ Okay. มีอะไรไม่มีเมื่อกี้เห็นเลียวเข้ามาเลี Leo นะ้่วเพิ่งเข้ามาแนละ้วเลี้ยว <Leo> เดียวเข้ามามาว่ายังไงแม่มาแม่ป่าจ้าว้าหลวงพ่อ ม, <า><ท>มนยัง<ะ>ไงสบายดีเจ้าขาหลวงพ่อจะพขารู้สึกว่าทุกอย่างว่างเปล่าจ้าวขาหลวงพ่อ ปล่อยวางอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับความว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งก็คือหมายความว่ายังไงเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าข่ะก็อย่าไปยุ่งกับเขาไงคือรู้เฉยๆใช่ไหมเจ้าค่ะรู้เยอย่าไปเจ้ากิจเจ้าการอย่าไปจัดการอะไรหนิคะเขาเจ้าค่ะเราปฏิบัติท่าที่จะปฏิบัติกับเขาเท่าที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่อย่าไป อย่าไปยึดติดเขาอย่าไปครอบครองเขามันเป็นสมบัติของเราอะไรอย่างนี้อ๋อสาธุสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่ออ๋อหลวงพ่อเจ้าค่ะมันแล้วอีกอย่างลูกรู้สึกว่าอ๋อเหมือนเราปล่อยปล่อยสังขารนะเจ้าค่ะแล้วมันรู้สึกเหมือนมันแบบมันเหมือนมันแยกนะเจ้าค่ะหลวงพ่อหลวงลูกรู้สึกถูกไหมล้วรู้สึกมไม่อยากจะ ไม่อยากจะไปยุ่งหรืมันแบบมันเหมือนเห็นทุกอย่างมันเป็นพลาผมขนเล็บฟันอะไรอย่างเงี้ยจ๊กข้าหลวงพ่อจ้ะค่ะมันก็ยังต้องดูแลมันยังมีมันอยู่มันต้องดูแลมันตามตามกฎระเบียบของสังคมก็ต้องอาบน้ำอาบ้าน้ําหน้าแป้งพันเลยไปทําหน้าที่ไปจับกล่อมันจะตายไปนะแต่อย่าไปยึดไปติดมันอย่าไปงงไม่ลากมัน อยากไปอยากให้มันอยู่กับเราอยากไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราใช่ไหมใช่ค่ะหลวงพ่อมันมันไม่มันไม่คิดว่าเป็นของเราแล้วแล้วมันเหมือนแต่ก็ยังมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูมันอย่างว่ามันอยู่ในความรับผิดชอบของเราเใช่ค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเราตรงยีลูกรู้สึกว่าลูกวางเฉยแบบเฮ้ยฉันไม่อยากคือเห็นกาเลยถ้าถ้าไม่อยากแบบนี้ก็เป็นกิเลส ไม่อยาก<ช>ไม่อยาก<ช>ดูแลรับผิดชอบก็ไม่ได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเราลูกจะต้องแก้ไขยังไงเจ้าค่ะดูแ ล, ล ด, ดูแลรับผิดชอบเหมือนเมื่อก่อนนี้ก่อานาำล่างหน้าแปรฟันแต่ง ต, ตัวให้สะอาดสาดนะดูหน้าตาแต่ว่าแต่ที่ไอ้คนเขาไม่คารหาหนินทาว่าเป็นเป็นบ้าไปหรือเปล่าเข้า <c oughs> ใจไเข้าใจแล้วหลวอย่างเนินีิตตามปกติไป แล้วไม่ไปหลงดีออกดีใจกับมันด้วยร่างกายฉันสวยฉันงามฉันอะไรคือไม่ต้องคือทุกคนก็เห็นว่าคุณกีเมื่อก่อนคนสวยแล้วบอกว่าไม่ทําอะไรไม่ทําสีผมไม่อะไรไม่ไม่ไม่พบปะเพื่อนสูงใครชวนไปทานค้าวอะไรก็ไม่ไปเลยอย่าเต็มกันไปอยหย่อนกันไปให้มันพอดีมัติมาตามสายกาบ มันเป็นธรรมชาติกันเลยผมก็ไม่ต้องไปย้อนมหรอกใช่ค่ะหลวงพ่อแต่ก็ต้องรู้จักถ้ามันเรียบร้อยมันสะอาดสะาดดูลองเรียบร้อยมีสติดูลักษณะแบบคนมีสติอย่าไปดูแบบลักษณะแบบคนไม่มีสติมันเสียสติเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วพอมันละแล้วมันเหมือนไม่เอาอะเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่เอาว่าก้อน้นหัวไปเลยเลยเราคนมันุมหลวงพ่อเจ้าค่ะเนี่ยมันมันยากมากเลยเจ้าค่ะ น้องน้องนองตามแฟชั่นเลยว่าเป็นแฟชั่นใหม่สมัยนี้ว่าก่อนหนี้เป็นแฟชั่นใหม่ขาอาจจะชื่อก็ได้ new fashion latest fashion อกไรเดีเรวจะไม่ได้ไปเรียนมหาลัยเขาบอกเขาขอไว้ก่อนแจ้วกัอนเขาอกนะเขาบอกนะเขาขอแล้วเขาก็ได้ยินโทรศัพท์เขาคุยกับเพื่อนเขาก็บอกฉันมีทนายเขาเพราะเราเราเป็นสมบัติของเขาอะ อ๋อเขามีภรรยาเป็นนันนะเราก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนว่าเราเหมือนเป็นเหมือนการเราก็เป็นขอบอกขอไว้ก่อนลูกก็เลยก็ก็แต่ว่าใจมันหัวใจใจใจมันก็เกี่ยวไม่ไดใจอย่าอย่าปล่อยมันออกมาให้รู้ว่ารู้จักการลเทสะเจ้าง่าหลวงพ่อต้องฆ่าขอบคุณต้องฆ่า พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้รู้อยู่ อ, อย่างรู้เหตรู้ผลรู้ตอนรู้บคุคคลรู้สังคม <Okay. S 1> รู้ประมาณเรารู้กาลเทศะน่า <Okay. S 1> จะอยู่กแบบับ <Okay. S 1> คนในโลกได้ดงเป็นปกติคนก็จะไม่คิดว่าเราเป็นบ้าการปฏิบัติธรรมบางทีมั น, นเนื้องการรู้เหล่านี้ไปแล้าตามใจตัวเอง ไม่ดูว่าเราอยู่ในสังคมแล้วต้องรู้จักสังคมว่าเขาเขาคาดหวังอะไรจากเราใช่นะสงหมงงงกับคนเราอยู่ด้วยกันเขาก็คาดหวัอะไรจากเราเราก็ต้องทำตัวให้เราเหมาะสมกับคนที่เราอยู่ด้วยไม่ใช่เอาแตใจเราอย่างเดียวฉันไม่ฉันไม่หนาหน้ำฉั น, อ, น, ฉนอะของฉันไปก็ <laughs> อยู่กับเขาไม่ได้นะอยู่กับสังคมไม่ได้ กต้องม า, <ร>าอยู่ในป่าวันอย่างาไรเป็นด้วย เ, เป็นเป็นเรื่องสีให้ได้อเป็นเรืสีจ้ะเจค่ะเจ้าการหลมพ่อเจ้าค่ะรเราอยู่ในะสังคมเรายังมีความรับผิดชอบนะเค่ะหลงพอ่อสิแต่ในใจเราเป็นอีกเรื่องในใจเราไม่เราไ ม, ไม่ไม่สนใจอะไรเลยก็ได้จบค่ะมันมันเป็นสภาวะที่คิดว่าเป<ม>็นการเล่นละครก็แล้วกันเราขึ้นเวทีนะเวลาขึ้นเวทีตัวละครก็ต้องแต่งหน้าแต่งตา ทำปากทำคิ้วอะไรไปตามตามบทของตัวละครไปซึ่งก็ตอนนั้นเองทำเป็นกิริยาแต่ใจไม่มีอารมณ์ไปกับอะไรเจ้าค่ะหลวงพ่อแบบขอบขอบคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อ้ามอามแสดงว่ายังเป็นกิเลสใจที่ไม่มีกิเลสนี้จะไม่มีอารมณ์ทำได้มันแต่เป็นกิริยาไปเจ้าค่ะหลวงพ่อมันแบบมันกลับกลายเป็นแบบจากเมื่อก่อนแล้วก็ลูกตอนนี้มันมันกลับกันไปไปแกลงไวแกล้งมา จากจากร่างกายเป็นเบื่อเมื่อก่อนรักนู้นักนรักสวยนักนามอะไรนี้เบื่อไปหมดไม่ไม่เบื่อก็เป็นกิเลสรักก็เป็นกิเลสต้องอยู่ตรงกลางอยู่ระหว่างเบื่อกับรักเฉย เป็นหน้าที่น้ำแต่งเนื้อแต่กตัวเวลาเอามาพบปะกับคนต้งแต่งเนื้อแต่กตัวไปเพื่อในการเล่นละครไปเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อ, พอแต่ในใจหูเดี๋ยวนี้มันไม่ขึ้นจริงๆอะหร อ, อไม่ได้แต่งว่าตัวตนไม่ได้แต่งว่าตัวเรา ห, หรืออะไรแต่งเพื่อคนอืออน่นเขหนอื่นเขเห็นเราแล้วก็จะได้มีความสุขกันที่เห็นเราแล้วโอ้หน้าคุ้มเพรเวทนาใหญ่คนนี้เป็นอะไรไปทน่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อ เจค่ะพระว่าได้ยินแววมาแบบเพื่อนๆบอกจากนี่คุณกี่เขาสงสัยจะจะเป็นบ้าแล้วเลี่ยเสียสติแล้วเนี่ยพวกพวกปฏิบัติธรรมที่เสียสติก็เป็นเพราะเงี้ยไม่รู้จักไม่รู้จักตนไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้จักสังคมใช่ไหมหลวงพ่อมันมันอะไรมันรู้สึกมันเสียเวลาแล้วลูกไปเทเลปี้มาแล้วเจ้าค่ะไปสองวัน สามีกับลูกบอกพีแม่เสียมาลัยยาเอาไม่เป็นไรก็เราจ่ายตังค์ไปแล้วเราคอไปแล้วแบบพี่ฉันมาทําอะไรที่เนี่ยมันเสียเวลาจังเลยอะ่ะรู้สึกอย่างนี้เลยเจ้าขาวใจจิตมันบอกตัวเองเสียก็เสียเลยเมื่สม อ, อนะสังคมก็เป็นอย่างนี้ก็ต้องถัำต า, สากสังคมทั่วไปเจ้าข้าหลวงพ่อเจ้าขาขับขอสักพื้นเจ้าขาหมายถึงว่าเรานัดใครเราก็ต้องไปตามถ้าไม่ไปมันก็ ดีช็คือก็เป็นการโกหกกันเนี่ยนัดขาเราไม่ไปครข้าวหลอกลวงกันเนี่ยถ้าทำให้เขาเสียเวลาเขาต้องมานั่งรอเรามาแล้วเราไม่ไปอย่างนี้ถ้าไม่ไปก็บอกเขาหนาต้นถ้าไม่ไปก็หมดเรื่องเนยพูดตรงไปตรงมาเลยถ้าไม่ไปก็บอกไม่ไปถ้าบอกไปก็ต้องไปสัจจะนี่สําคัญนะสัจจะนี้เป็นเป็นเครื่องวัดวัดความ ความดีของเราวันนี้ไม่มีสัจจะนี่ถือว่าไม่มีความดีเลยเพราะเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้น้องดีว่าจะบอกคุณแม่ก็คือถึงคุณแม่จะจ่ายต่างเสียลงคาดไปแล้วแล้วคุณแม่ไม่ไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็เสียมารายานอาจากมันสึกวิสัยจัดค่ายได้ป่วยขึ้นมาเลยไปไม่ได้จริงๆอันนี้ก็กเรื่องลูกไปสองครั้งแล้วลูกก็บอกว่าลูกไม่ไปละ มันจะบอมันก็บอกพ่ อ, อไม่ไปแล้วก็ได้เจ้าค่ะก็บอกว่าไม่ไปแล้วแบบไม่คือไม่อยากไปแล้วเจ้าค่ะเขาก็ถามว่าเพราะอะไรแเราก็บอเร า, เราพอดีเราไม่ไม่อยากไปแล้วพอจิตมันมันไปวันแรกก็ขอเขาค่ะก็พอวันที่สองก็มันรู้สึกเสียเวลาเราอยู่บ้านเราก็นั่งสมาธิอยู่แล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลวงพ่อมันใจบุบมันไม่ไปจริงๆเจ้าค่ะ ก็บอกว่าเราไม่เศราโกเสียใจแล้วเราสบายใจแล้วมไม่ต้องไปสาี happy I feel good no need no need to go ใช่ครับเพราะว่ามันไม่ใช่เทเลพีมันเป็นกิจกรรมเฉยๆครับเป็นกิจกรรมมันแค่แบบไปเจอสังสัคนอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นแบบคล้ายๆ mindfulness course อะไรประมาณนั้นซึ่งฝรั่งเขาทำกันอย่างนี้มันก็เราครับ เราก็ทําอยู่แล้วเขาจมันก็มีมันก็มีออปชันไม่ใช่จะจอยก็ได้ไม่จอยก็ได้ไม่ได้แต่แต่คือเราพอเราตอบตกลงไปแล้วออแล้วมันก็รู้สึกแล้วพออยู่ดีเราตอบกลงไปแล้วเราไม่ไปมันก็เลยรู้สึกเราก็ไปไปแจ้งให้เข้าใจกันแล้วเราขอขอยุติข้อตกลงเพราเราไม่มีคําจําเป็นจะต้องไปเราแฮปปี้ของเราอยู่แล้วใช่จ้ะค่ะลูก คือได้อยู่บ้านนั่งสมาธิมันแฮปปี้ที่สุดในโลกเลยชใช่เรามีวิธีของเราแล้ ว, ลวเราพอไปนั่งไปก็ได้บวกใช่เจ้าค่ะพอไป 2>, <ม> 2วันอย่าต้องซื้บอบวกแล้วเรา My Way I have My Way to make me happy ใช่เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะใช่เลยค่ะ My Way ของหลวงพ่อถูกต้องเลยใช่เจ้าค่ะกับขอบคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะ สาขาก็เขากินสาขามีใครไหมมีคุณปุ้ยจากลัสเซมเบิร์กเข้ามาใหม่คุณปุ้ยคุณปุ้ยเข้ามาแล้วปุ้ยปุ้ยจากลัสเซมเบิร์ก้ยินไหมเชิญยังไม่ได้ยินอยู่ไกลมีจากคาพมีมีจากเฟซบุ๊ก Facebook เข้ามาครับพันธน่ะเฟซบุ๊กว่ามามีคำถามจากทางเฟซบุ๊กทั้งหมดสิบคำถามค่ะ เมื่อสักครู่พระอาจารย์ถามถึงคุณจิ๊บค่ะคุณจิ๊บฝากกลับเรียนว่าตอนนี้คุณจิ๊บได้งานทําแล้วเจ้าค่ะเป็นงานประจําซึ่งคุณจิ๊บได้ทิ้งงานไปประมาณสิบห้าปีแล้วเพิ่งได้งานค่ะแล้วเมื่อกี้คุณจิ๊บเข้ามาในซูมแต่ว่าต้องกลับออกไปเนื่องจากว่าต้ตองไปทํางานต่อเจ้าค่ะโอเคไปทํางานก่อนนะยะไม่ตัวข้อไลน์ออกนะคำถามทั้งหมดสิบคาถามคําถามแรกจากคุณนัท กราบนมัส ก, การขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงที่เมตตาสั่งสอนธรรมคะ่ะหนูมีศรัทธากับพระคุณเจ้าที่รู้จักกันแต่บางทีเห็นท่านให้เนนสั่งอาหารออนไลน์หรือท่านสั่งเองมาที่วัดแต่ไม่ได้ถือเงินใช้เป็นการโอนเงินแทนอย่างนี้ไม่ผิดใช่ไหมคะพูดง่ายๆกราบใดถ้ามีเนนหรือมีเด็กวัดปวารณาเรื่องฉันไว้สามารถสั่งอาหารที่อยากฉันก็ได้ใช่ไหมคะ คือมันไม่ผิดสีเนี่ยแต่มันผิดธรรมมันนะท ำ, ทำองค์พระก็คือสันโดษยินดีตามมีตามเกิดขึ้นไปบินตาบานบพระเจ้าสอนให้พ้าออกบินตาบานแล้วก็ยินดีกับอาหารที่ได้มาจากการบินตาบานถ้าไปสั่งอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ก็ไม่ว่าเป็นกิเลสยังอยากติดรสชาติในอาหารอยูอยากกินอาหารอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ถ้าทำอย่างนี้ก็ไม่มีทางที่ก้าวหน้าในทางธรรมได้ คำถามต่อไปจากคุณอุยกราเบรนถามพระอาจารย์ค่ะทำไมพระอาหารหันต์ถึงไม่บริหารประเทศคะเพราะท่านมีปัญญาและไม่เห็นแก่ตัวคะ่ะพ ร, ระอรหันต์เขามีวัฒนธรรมจิตใจของเขาเองเขาไม่บริหารประเทศไม่ได้การบริหารประเทศนี่มันเป็นเรื่องของกิเลสคำถามต่อไปจากคุณชัด อ่านประวัติพระอาจารย์ไม่ได้ทุดงที่ไหนเลยพระอาจารย์ใช้อุบายอย่างไรในการกำหนดพิจารณากายหรืออสุภะโดยไม่ได้ไปดูของจริงครับออมันก็เห็นเนี่ยมันก็เห็นมันเห็นภาพเห็นหนังสืออะไรก็เห็นอยู่คำถามต่อไปค่ะใครเรียนหนังสือไบอะไรไบโอเอเจนา่าตมีก็เยดู คำถามต่อไปจากคุณอรณิชากราบน้ำรสการนหลวงพ่อคะ่ะลูกขอเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะว่าถ้าเอาหนังสือพระไว้ใต้หมอนได้ไหมคะขอพระคุณคะ่ะความจริงหนังสือมันก็ควรจะไวท้ที่ที่ ม, ม็นเหมาะสมถ้าเป็นหนังสือธรรมะกบควรจะวางไว้ที่สูงอย่าเอาไปวางไว้ใต้หมอ น, น, นไม่เหมาะสม คำถามต่อไปจากอาจารย์โกช่างผมขอถามพระอาจารย์ทานผู้ให้และทานผู้รับทําไมพุทธองค์นําทานผู้ให้มาเป็นเนื้อนาบุญสู่นิพพานได้อย่างไรครับอันนี้ไม่ทราบความหมายทานผู้ให้คือการจะไปพระนิพานธ์มันก็ต้องผ่านการทําบุญทําทานเพื่อที่จะได้ไปรักษาศิ่ต่อแล้วจะได้ไปภาวนาต่อ เพืไไ่ไปถึงพันธิพานได้ก็เป็นเหมือนขั้นหน้าของการไปสู่พันธิพานทานสิงภาวนาสามขั้นด้วยกันในการปฏิบัติเหมือนการเดินขึ้นบันไดต้องมีขึ้นที่ขั้นที่หนึ่งก่อนถึงเดินขึ้นขั้นที่สองได้ถ้าจากขั้นศูนย์ไปขั้นที่สองเลยมันมันมันยากมันต้องมันสูงน้าเท้าน้าจะกว้างไม่พอเหยียบไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ก็เลยต้องเอาขั้นที่หนึ่ง แล้วครั้งที่สองและครั้งที่า ค, คำถามต่อไปจากคุณแนทมีทั้งหมดสองคำถามเจ้าค่ะแม่ของหนูทราบว่าหนูต้องการยกที่ดินถวายพระแม่โกรธมากจนเปลี่ยนลายและลบลายไปทำให้หนูไม่มีลายของแม่เพราะหนูไม่ได้อยู่บ้านหนูแยกออกมาอยู่เองเพราะมันเอื้อแก่การปฏิบัติที่ดินที่หนูตั้งใจจะถวายพระ เป็นที่ดินของทางบ้านบางส่วนที่แม่มีบางส่วนเป็นที่แม่อาศัยอยู่แม่ยกให้หนูบางส่วนของบ้านแต่ไม่ใช่ทั้งหมดหนูตั้งใจจะถวายที่ดินนกับพระอาจารย์สุชาติจะติดต่อลูกศิษย์ของพระอาจารย์ประมาณเดือนม ก, กรา ถ, ถึงกุมภาพในปีหน้าเพื่อขออนุญาตพระอาจารย์เจ้าค่ะโอ้ยอย่ามาถวายเราเลยเราไม่อยากจะเป็นภาลาด้วยเรา พอเวลามาสั่งสอนทำบ้านที่บ้านมือเอาที่ดีนไปทไําเลยงั้นเอาไปถวายคนหนึ่งดีกป่าแล้วก่อนที่จะถวายถ้ามันไม่ได้เป็นของเราทั้งหมดเราก็ต้องขออนุ ญ, ญาตจากคนที่เขามีส่วนนวดเป็นเจ้าของด้วยว่าเขาเขายินดีที่จะถวายหรือไม่อย่าทำพลาการถ้ามันไม่ได้เป็นของเราล้วนๆถ้ามีคนหนึ่งก็มีเป็นส่วนเป็นเจ้าของด้วยก็ต้องปรึกษาขออนุ ญ, ญาตจากเขาก่อน เรื่องทำนม่นี้เรื่องที่เด่นนี้ขอขอเล่าไม่ต้องเอามาให้เรานะเพราะว่ามันเป็นภาระมันเป็นงานยากสู่การสอนธรรมะนี่ก็ไม่งานะอะไรนั่นได้ไ ด, ได้ได้ประโยชน์มากกว่าถ้าเป็นที่เดินนี้ก็ต้องเอามาแล้วทําอะไรก็ต้องมาดูแลมาสร้างปุฏิสร้างที่เป็นปฏิบัติปฏิบัติธรรมเป็นภาระต่างให้คนอื่นก็ทําเนี่ยคนที่เลอยากจะทํอย่านี้ เราอยากจะสอนอย่างเดียวสอนธรรมะอย่างเดียวนี่นะสบายคำถามที่สองแม่หนูมีฐานะมั่งคั่งล่ำรวยมีทรัพย์สินมากมายแต่หนูไม่ค่อยโทรหาแม่เพราะจะเป็นการรบกวนเพราะไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่บางทีเขาทำงานดึกๆดินติดลูกค้าประชุมบางทีออกจากบ้านเช้ามืดเราโทรไปเขาไม่สะดวกเขาก็หงุดหงิดไม่พอใจที่เราโทรหา แม่ไม่ค่อยศรัทธาในการปฏิบัติภาวนาเรื่องที่เกิดขึ้นบางครั้งทำให้หนูใจไม่ดีแต่ที่ดินเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับหนูมีแต่จะเป็นภาระกับหนูหนูไม่ต้องการยกคืนให้แม่หนูมักมีความคิดลบๆแบบไม่มีสาเหตุเช่นบางทีแม่หนูมีความคิดลบๆแบบไม่มีสาเหตุเช่นมองครูบาอาจารย์ในแง่ลบทั้งๆที่ท่านเป็นพระสุ ป, ปฏิปันโน แม่เคยพูดกับหนูในทานองดูถูกเชิงลบว่าหนูหวังอยากจะได้มรดกทั้งๆที่แม่ก็ทราบตลอดว่าหนูกำลังพยายามเดินทางสู่เป้าหมายพระนิพานขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะแนวทางด้วยคะ่ะก็ให้ที่ดินกับแม่ไปก็บกน่นแม่เขาก็เป็นกับคุณกับเรามากทำบุญกับแม่ก็เมนก็ได้ทำาุญกับพ่าลานได้จะได้ตัดสัญหาไปได้ ถ้าไปทวายให้คนอื่นเดี๋ยวแม่ข้อขงโกรธเขา่าเสียดายเสียใจก็ยกให้แม่ไปเลยก็หมดเรื่องหมดราวไปแล้วเราก็จะได้สบายโลองอกไม่ต้องมาเป็นภาระกับที่ดินถึงหน้าเรีย น, นต่อไปคำถามต่อไปจากคุณประนอมเน้นกลับสอบถามพระอาจารย์ในกรณีที่คนบางคนเขาฆ่าตัวตายสาเหตุที่มาจากโลคที่เขาเป็นโดยที่เขาทําไปอย่างไม่มีสติ เขาจะบาปไหมคะบาปถ้าตัวเองนี่ก็บาปเมันก็บฆ่าคนอื่นเพราะว่าไม่มีความอดทนไม่มีความไม่มีปัญญาที่จะที่จะรู้จักวิธีปฏิบัติกับร่างกายที่ไม่สบายนี้คำถามต่อไปจากคุณบุญเชิดมแีแนวทางไหนที่จะให้พ่อและแม่เข้าถึงธรรมะตามวิถีพูดบ้างครับ ทุกวันนี้นับถือวัตถุนิยมเป็นส่วนมากครับถ้าก็ไม่สนใจก็าทำอะไรไม่ได้เนื้อเราก็มีแต่เอาหนังสือธรรมะไปไว้ที่บ้านแล้วกันเผื่อท่านอยู่ว่างๆท่านเห็นว่าเหนหนังสืออะไรว่าเปิดมาอ่านดูอ่าแล้วอาจจะติดใจอาจจะชอบก็ได้อยาอยากไปยัดเยียดให้เขาถ้าก็ายังไม่พร้อมที่จะรับก็หนังสือําว่าอะไรต่างๆไปไว้ในบ้าน ที่เขาสามารถเห็นได้หยิบ เ, เอามาอ่านได้ไหวให้เป็นไปตามตามตามความพอใจของเขาดีกว่าดีกว่าที่เราจะไปยติเยืยดให้กับเขาเพราะเรื่องศาสนาเนี่ยมันเรื่องละเอียดอ่อนยิ่งไปยัดเยียดยิ่งต่อต้านใหญ่ไลยนา่งเลยไ ป, ไปยัดเยียดแล้วไหวให้เขาสนใจขึ้นมาเองจะดีกว่าคําถามสุดท้ายจากคุณประนอม อย่างกรณีที่เราเห็นวัดบางวัดมีปัจจัยที่มากมายจนเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทําบุญกับวัดแล้วเราจะแก้ความรู้สึกนี้อย่างไรดีให้เกิดสัมมาทิฏฐิเจ้าคะมีวัดที่เยอะแยะที่ยากจนแล้วไม่ไปทําตวัดทยาจนไปเดี๋ยวว่าที่ร ว, วยมันก็ไม่อยากจะทำอย่างนะี้วัดที่ยาจนก็มีอยู่เยอะแยะวัดก็เป็นเหมือนคนคนก็นมีทั้งคนรวยคนจนใช่ไหม เวลาเราช่วยเหลือคนเราก็ไม่ได้ไปช่วยเหลือคนรวยนะเราไม่ไปทําบุญกับเจ้าสัวต่างๆใช่ไหยเราก็ไปช่วยกับคนที่เขาทุกข์ยากเหนืน่อยล้นวัดก็เหมือนกันะวัดที่รวยก็มีวัดที่จนก็มีเราอย่าไปมองแต่วัดที่รวยเี่ยถ้ า, ามองแต่วัดที่รวยเราก็ไม่อยากจะทําบุญนั่นเลยเราไม่เป็นถึง ว, วัดที่เขาจนมากนะคำถามหมดแล้วเจาา้าค่ะอ่าหมดแล้วนะเวลาก็หมดพอนี้นะคี่ว่าเราจะเอาคนป่วยสอบ สักไยหน่อยนะสบายดีนะสบายดีค่ะพระอาจารย์ขอพรใช่ไหมครับขอให้สุขป็นจริให้รับไม่หมดทุกคนให้ทุกวดสวยไม่ขาดไม่เว้นเลยนะค่ะพือโยมอยากจะขอบารมีพระอาจารย์ช่วยโยมเอยเพราะว่าโยมต้องการตอนนี้โยมเร่งสร้างบารมีนั่งสมาธิแล้วจิตมันนิ่งแล้วค่ะ แต่ว่าทีนี้บางทีเราควา ม, มรู้สึกแบบว่าเอ๊ะเราเราเห็นไปหรือเราเพิ่เจอพยายามบอกตัวเองว่าอยู่กับตัวเองอย่าเพิ่เจอนะเพราะว่าเราเหมือนกับมีองค์มี ม, มีมีพระหลงสูมั่นอะ่ะหลงมั่นเน่เห็นหน้าท่านชัดมากเลยในสมาธิอย่าอย่าไปสนใจสิ่งที่เห็นนั่มันเป็นของกางนั่นโอเค แต่โยมก็ปฏิบัติตามหลวงผ้าจารย์ทุกวันครับจึงแม้บางที่นะกับเราทํางานกับดึกเนี้ยเราก็รู้เนี้เกือใจบาดอะไรเงี้ยค่ะนันใหน้นให้ถึงความว่างถ้าโยาง<า>ไม่ถึงนะพุทโธต่อไปอย่าหยุดพุทโธเพราะอย่าตามให<า>้เห็นเน่ยมันเป็นของปลอมของชั่วข่า ว, วาแล้วเราก็ดับไปอย่าไปให้ความสัมพัสกับมันนะแล้วนั่นก็ให้จิตเข้าสู่ความสงบสู่ความว่า ยงจะมาขอพระอาจารย์่าขอให้ร่ำรวยถูกวยทุกว่านมีดงตเห็นธรรมให้ถึงพระนิพพานในชาตินี้บนีเลยบาธุร้อยถึงยี่สินเดินเที่ยวลูกขอให้พระอาจารย์ขให้ร่างยแข็งแรงนะคะขอให้ทุกท่านเหมือนกันนะขอทุกท่านได้เข้าถึงพระนิพพานในพรหมนชาินี้ไม่เจ็ดวันไม่เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดืเจ็ดปี ความเพียรอยู่ทีไหนความพย า, า, มมายามอยู่ีไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นขอให้ท่านจงนำวสิทธิที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิดไพิจรณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปทธอ